อันกรรมก็เหมือนกันมันอายุสั้นนิดนิดหน่อยหน่เท่านั้นเองอันผลของกรรมเนี่ยนะเราดูเหมือนมันยาวเหลือเกินมองกันเหมือนเที่ยงเลยอ่ะนี่คือในสายตาของเราเองหรือว่าพวกยุงมันบินไปเจอกันมันโอ้เป็นยังไงยังอยู่เลยครับโอ้โหเหมือนกับอายุนานเหลือเกินเนอะใช่ไหมพวกไก่พวกอะไรมันก็อยู่มันเอ๊ะแต่ทีนี้ในสายตาของมนุษย์บอกว่าไอพวกนี้อายุสั้นมากอีกหน่อยก็ตายแล้วใช่ไหมทีนี้ในสายตาของเทวดาชั้นจาตุลมหาราช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 ส่วนใหญ่ก็ประเภทโมหะเกิดขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าได้อารมณ์แมววิ่งผ่านมาปั๊บโท่สะเกิดทันทีเลยนะรีบกระโจนไปเลยโท่สะมุติจิตก็เกิดสืบเนื่องกันเสร็จแล้วก็มานอนโมหะต่อไปอีวันวันก็อยู่อย่างนั้นนะแล้วแล้วเมื่อไหร่ชีวิตชีวิตสิ้นสุดแห่งความเป็นสุนัขครับาจากสุนัขจะไปไหนต่อก่อนจะมาจากสุนัขเนี่ยสแสดงว่ามาไม่ดีแน่นอนแล้วถ้าจบจากสุนัขแล้วจะไปไหนต่อ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 ปล่อยทั้งกายกรรมปล่อยทั้งวจีกรรมปล่อยทั้งมโนกรรมเมื่อปล่อยกายกรรมวัจจีกรรมมโนกรรมยุงมาก็ตกแพะเข้าไปปานาติบาตอีกแล้วเหตุให้ตกนรกและอายุสั้นทีนี้พอมาอายุสั้นใช่ไหมเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าลูกเกิดมาอายุสั้นเนี่ยมีลูกคนเดียวอายุสองขวบตายเงี้ยแม่จะเสียใจยขนาดไหนนะบางคนเนี่ยร้องให้คขำควรอยู่นั่นแหละบางคนเนี่ย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 เหมาะสมเหมอนกันจอันนี้ก็หนึ่งเป็นผลของอุสรติอันนี้ด้วยสองอโรหะปรินนาหะสัมปติความถึงพร้อมด้วยส่วนสูงและส่วนกว้างสูงใหญ่เหมนกันถ้าท้าทหารนี่เขาว่าราบหนนะคละ้ายๆแบบนี้แล้วก็สามชาวนะสัมปติความถึงพร้อมด้วยเชาไหวพริบดีอ่ะมีปฏิพานไหวพริบคือคนในขณะคิดจะข้ามก็เป็นโทสะใช่ไหมโทสะนี่ฉลาดห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 เขาทั้งซอยเลยนะแค่เดินเฉียดลงไปเนี่ยแทบอาเจียนเนี่ยคือคือรู้จักคนเนื้อข้างหลังซอยอะ่ะมันก็ต้องเดินไปไกลอะ่ะโหรับคันธารมซึ่งลิ่นคาวนะเป็นอากุศลวิบากทั้งซอยเลยนั่งอยู่ชั่วโมงหายายเข้าออกก็เป็นอย่างนั้นเลยเหมือนกับไปที่แถวแถวเล้าหมูใหม่ๆเนี่ยนะกลิ่นมันติดตัวตลอดเลยท่านอาจารย์รูปปัดบอกว่าโอ้ผมเนี่ยคันธารมมีตลอดเลยเนี่มันอัน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 ความเป็นผู้มีบริษัทไม่แตกแยกคือถ้าหากว่าคนยิงนกใช่ไหมยิงเข้าไปเปรี้ยงเดียวเนี่ยวงแตกเลยไม้นกอ่ะเพราะกรรมประเภทนี้ก็เหมือนการใครทํากรรมประเภทฆ่าเนี่ยนะมีลูกมีหลานก็แตกแยกมีแต่แตกแยกอย่างเดียวอันถ้ารักษากุศลประเภทนี้ดีนะบริษัทไม่แตกแยกอ่ารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่าดีเรามีหมู่คณะเป็นสังคมที่ไม่แตกแยกรักษาสินข้อนี้ดีเราจะได้อยู่ในกลุ่มที่ไม่ค่อยแตกแยกมาก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 ไปศึกษาในพากุละเทระประทานดูก็แล้วก็เป็นผลของบุญอ่ะเชื่อทําบุญเยอะๆอ่ะถูกแน่นอนไม่ผิดเนาะข้อปฏิบัติไม่ผิดก็คือทําจิตให้เป็นกุศลนั่นแหละอุศุเนี่ยละได้เนี่ยีวิเศษที่สุดเลยแต่ก็คือเป็นกุศลประเภทเป็นไต่กับทานศีลภาวนากุศลที่ไม่ค่อยป่วยไข้ก็คือบุญประเภทให้ทานยุกยาเป็นต้นนั่นแหละถ้าหากว่าบางคนเนี่ยทําเหตุประเภทเบียดเบียนสัตว์ไว้เยอะๆนะนก็ทําให้ป่วย เป็นขนาดเดียวกันก็ทำบุนประเภทยาไปเยอะยาก็เลยมีเป็นกระตักๆเลยอันศึกษากายวาจาใจให้ดีนะครับอะไรที่มันเป็นโทษเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีตาดีนะเวลาเดินเนี่ยจะเลือกเดินไถ้าถอดรองเท้าเดินเนี่ยจะเลือกตรงไหนจะเหยียบไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยก็จะระวังเพราะถ้าเหยียบพลาดแล้วไปเหยียบเศษแก้วเศษกระเบื้องอะไรจะเกิดขึ้นแผลเนี่ยเลือกไหลสกัด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 ถ้าเราสา ม, มารถที่จะเลือกคิดได้เราก็เลือกเกิดได้เลือกคิดได้เลือกเกิดได้เอาไหมเลือกคิดได้เลือกเกิดได้ถ้าเลือกคิดยังไม่ได้นะอย่าคิดว่าจะเลือกเกิดได้เพราะยังไม่แน่นอนอ่ะก็เหมือนกับรถนะถ้าเราบังคับพวงมาลัยได้เนี่ยถึงที่หมายได้แต่ถ้าพวงมาลัยบังคับไม่ได้เนี่ยไม่แน่นะมือลุกไปเฉี่ยวเอาอะไรนักแล้ความคิดเราถ้าเราควบคุมความคิดได้เป็นความคิดที่เป็นไปกับศรัทธา ศีล ส, สุตะจาระคะปัญญาะเราควบคุมความคิดเหล่านี้ได้ปาถนาอะไรอ่ะปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างสําเร็จเลยเยะว่าธรรมดานี่เลยเยวาะวะสวรรค์นะซึ่งมันของเรียกว่าใกล้ๆเขาบอกว่าปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างสําเร็จเลยมันบุญเนี่ยจะช่วยทำให้สับสำเร็จเพียมเปลี่ยนสับใหม่นะฮะแล้วแต่ความคิดเพราว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วแต่ใจ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 เป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมเนี่หนักกำเริบไม่ทุเราปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเราเล ย, ยใครดี่มันมีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นนะนะมันไม่ลดเลยอะ่ะข้าแต่ท่านภาษาบุตรลมเลือประมาณกระทบขม่อมของกระผมเหมือนบุุษมีกำลังเอาของแหลมคมทิ่มขม่อมเชนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมเนี่หนัก กำเริบไม่ทุเราปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏความทุเราเลยถ้ามันมันป่วยจริงๆเนี้ย น, นะลมเนี่ยเสียดแทงศีรษะตลอดเลยนะเหมือนกับเอามีดอะไราจิ้มลงไปใช่ไหมแล้วก็กวนนะเสียดแทงมันปวด อ, อย่าไปตายใช่ไหมยอะนะทําทได้ไหม <c oughs> เวลาคนจะตายส่วนใหญ่เนี่ยทุกมากอันในทุกช่วงนี้เนี่ยแหละเรียกว่าทุกขเวทนามากๆส่วนใหญ่จะควบคุมตัวเองไม่ได้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 ไล่ส่วนไหนที่ไม่มีทุกขากายยวิญญาณเนี่ยไม่มีเลยมันก็เหมือนกับคนไข้ขึ้นใช่ไหมนึกที่เทา้าเท้าก็ร้อนนึกที่แขนแขนก็ร้อนนึกที่ศรีรษะศีรษะก็ร้อนแดดแดดหน้าผากหน้าผากอย่างร้อนเลยใช่ไหมทุกขกายยวิญญาณเนี่ยเกิดตลอดเพราะในทั่วสารพรางกายก็มีเตโชธาตใช่ไหมมีเตโชธาตในทั่วสารพรางกายแล้วก็กายยประสาทรูปก็มีเกือบทั่วสารพรางกายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นั้นๆเนี่ยถ้าหากว่าเตโชธาตมันกำเริบ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 ธรรมะที่รู้ได้ด้วยจักรสุวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราหรือท่านพิจารณาอย่างนี้ใช่ไหมตา this เป็นกร่าวว่าตาเป็นนั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นอัตตาของเราใช่ไหมสีจิตเห็นเนี่ยพิจารณาอย่างนั้นใช่ไหยแล้วก็หูโสตะโสตะวิญญาณธรรมะที่รู้ด้วยโสตะวิญญาณคานะ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 สารีบุตก็ถามถ้าเป็นเราเราตอบไปยังไงใช่เลยใช่ใชเลยตานี่กับของเราใช่ไหมสีก็ของเราอีกหูกับของเราจมูกก็ของเราลิ้นก็ของเรากายก็ของเราอันนี้เกิดใหม่อีกนานเหล้วเกินใช่ไหมเพราะกรรมประเภทยึดถือเพื่อของเราเนี่ยมันมีไม่สิ่มสุดะนะเคยเห็นคนคัดของไหมสมมติว่าในบ้านเราเนี่ยจะตัดของใช่ไหมเออนี้ก็ใช้ได้ไปก่อน อันนี้ก็ใช้ได้วางไว้ก่อนอันนี้ก็ใช้ได้อะวางไว้ก่อนเั้นกันก็แสดงว่ายังเก็บรักษายังหวงแหนอยู่ก็เฝ้าต่อไปอันคนที่ยังยินดียึดถือในตาหูจมูกเลนกายใจก็เหมือนกันนั่นแหละก็ไม่เป็นไรก็บอกทุกอย่างยุติธรรมไม่ต้องห่วงอ่ะถ้ายึดถือมากก็รักษามากยึดถือในน้อยก็รักษาในน้อยพวกนี้ก็เหมือนกันถ้ายึดถือมากนะยึดถือด้วยอำนาจตันหาและทิฏฐิมากอันนี้เกิดอีกนานไม่ต้องห่วง จะได้ดูแลสมความปาถนาสมควรกับความยึดถือเลยนั่นแหละทีนี้ท่านพระชนะไม่ไม่ตอบอย่างนี้หรอกพระชนะตอบว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผมพิจารณาเห็นจากสุจากสุวิญญาณและธรรมะที่รู้ได้ด้วยจากสุวิญญาณว่านั่นนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตาของเราถามว่าท่านพิจารณาอย่างไรท่านพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานั่นเองพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา พิจารณาหูโสตาวิญญาณและธรรมะที่รู้ด้วยโสตาวิญญาณโดยความเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาสแสดงว่าเรื่องปัจจัยท่านรู้เป็นอย่างดีอยู่แล้วผมพิจารณาเห็นคานะคานะวิญญาณและธรรมะที่รู้ด้วยคานาวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อนาตของเราก็คือไม่ได้ตามเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยอนาจของตัหามานะทิถีเลย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 ผมเนี่ยตามเห็นแบบนี้ทีนี้ท่านพระสารีบุตรก็ถามต่อไปว่าดูก่อนท่านพระฉันนะท่านได้เห็นอย่างไรรู้ได้อย่างไรเห็นได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรว่าในจักสุในจกันจกรสุวิญญาณในธรรมะที่รู้ได้ด้วยจกัจกรสุวิญญาณจึงพิจารณาเห็นจักสุจักรสุวิญญาณและธรรมะที่รู้ได้ด้วยจักรสุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรารู้รู้อะไร <GitHub> เห็นอะไรจึงพิจารณาแบบนี้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 ธรรมะที่รู้ได้ด้วยมโนวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาอย่างไรจึงไม่ตามเห็นด้วยอำนะาจตันหามานะทิฏฐิพระชนะตอบว่าข้าแต่ท่านภาษาริบุตรกระผมเห็นความดับรู้ความดับในจักสุในจักสุวิญญาณในธรรมะที่รู้ได้ด้วยจักสุวิญญาณจึงพิจารณาเห็นจักสุจักสุวิญญาณธรรมะที่รู้ได้ด้วยจักสุวิญญาณว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราอันอัตกาถาท่านอธิบายว่าคำว่าเห็นความดับคือทราบความสิ้นและความเสื่อมไปรู้ความสิ้นไปและเสื่อมไปยานนี้เป็นยานไหนพังขยานเป็นต้นตั้งแต่พังขยานเป็นต้นไปนั่นเองอันท่านมีพังขยานแบบนี้เพราะฉะนั้นคำว่าข้าพเจ้าพิจารณาเห็นวันนั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราคือข้าพเจ้าพิจนารณาเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่อัตาหรือไม่ใช่ตนคือเห็นพระไตรลักษณ์เห็นแต่ความสิ้นไปเสื่อมไปวิปัสสนาประเภทนี้แสดงว่าเป็นอยู่ในวิสุทธิข้อข้อไหนปฏิปทายาณทัศ น, นวิสุทธิและ้นท่านกําลังดําเนินอยู่ในปฏิปทายาณทัศ น, นวิสุทธิขนาดป่วยนะก็ยัง ปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิของท่านก็เจริญเรียกว่าจนมั่นใจว่าจะฆ่าตัวตายได้นะถ้าคนทั่วไปเนี่ยโอ้โหขอให้หายเถอะขอให้หายปฏิจะได้ทําบุญกุศลอีกหน่อยองนั้นแต่ของท่านเนี่ยท่านมั่นใจในทางเดินของท่านนะเพราะว่าท่านท่านไม่ได้มีความสงสัยแล้วในในข้อปฏิบัติพวกเนี้ยเพราะว่าท่านเดินถึงขนารปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิแล้วอ่ะในการพิจารณาจักสุก จากสุวิญญาและธรรมะที่รู้ได้ด้วยจากสุวิญญาคือของเราในชั้นต้นๆเราฟังแต่ลักษณะของอยาตะปริญญาสนานเลยนะเรามาฟังปริญญาชั้นสูงๆดูปริญญาประเภทนี้เป็นประเภทปะหานะประิญญาพูดถึงว่าพระชนะเห็นการดับการดับสมมติว่ารูปารมนะสิ่งที่เห็นได้ทางตานี่นะท่านมียานสูงขนาด น, นั้นเนี่ยเห็นความดับ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 ทนี้ในช่วงพังขยานเกิดขึ้นนั้นเขาบอกว่าไม่ใส่ใจในความเกิดใส่ใจในความดับอย่างเดียวแล้วไอ้เกิดดับอย่างเดิมนั่นแหละทีแรกใส่ใจในความเกิดใช่ไหมใส่ใจทั้งเกิดด้วยทั้งดับด้วยแต่ทีนี้มาใส่ใจแต่ความดับอย่างเดียวเมื่อใส่ใจในความดับอย่างเดียวก็คือตามเห็นโดยความไม่เที่ยงถามว่าใส่ใจในความดับเห็นแบบไหนก็คือเห็นโดยความไม่เที่ยงอะไอ้ดับทีนี้ไม่ใช่ว่ามันเป๊ะเป๊ะแบบแบบที่แบบที่ที่เราอาจจะคิดกันเองอนะไม่ใช่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 ก็จะเริ่มเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้นะพบสามกําเนศสี่คติห้าก็จะเป็นเหมือนกับไฟไหม้ที่เรียกว่าพิจารณาหาทางสลัดออกละยาในการพิจารณาหาทางสลัดออกเป็นต้นก็เป็นลักษณะประเภทมุญจิตุกรร ม, มยตายาใข่ที่จะพ้นจากรูปนามขันห้าเหล่านั้นนั้นซึ่งในชั้นนี้เราต้องสมุทฐานนี่กรรูปมั่นมั่นคงค่อนข้า ง, งมากหรือว่า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 อันอุปาทานเนี่จะละละได้อย่างไรละได้อย่างไรมันก็ละได้ด้วยวิปัสสนาเป็นต้นนั่นเองแบบตทงังค่ประหารเพราะว่าถ้าหากว่าเห็นโดยความเบื่อหน่ายก็จะละคลายความตำหนักทิฏฐิเนี่ยนะเช่นที่ถูปาทานก็คืออุเฉททิฏฐิกับสตตทิฏฐิถ้าเห็นความเกิดก็ละทิฏฐิอะไรได้เห็นความเกิดละ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 เขาเรียกว่าถอนอุปาทานให้มันหมดแล้วไง น, น, นึกเอ๊มันเป็นยังไงไวะภาพที่ว่าเนี่ยนะถ้าคนมีตันหาไม่รู้หรอกเรียกว่าคนไข่เกิดมาไข่มาตลอดเลยไม่รู้ว่าหายไข่เป็นยังไงหรอกครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะกล่าวสอนท่านพระชนะด้วยโอวาทนี้แล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปครั้งนั้นแล้วท่านพระชนะเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะหลีกไปแล้วไม่นานได้หาสาตราฆ่าตัวเสียทันทีในขณะนั้น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 ที่ไปข้างหน้าเป็นยังไงเนาะไปดีหรือเปล่าเนะไปดีเนาะสุขโตไปดีแน่นะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรชนนะภิกษุพยากรณ์ความเป็นผู้ไม่ควรตำหนิต่อหน้าเธอแล้วไม่ใช่หรือในหน้าต้นใช่ไหมที่ที่แรกว่าพระชนะกล่าวว่าก็ผมได้ปรนิบัติพระศาสดา ม, มาตลอดกาลนานด้วยความพอพระทยไม่ใช่ ด้วยความไม่พอพระไทยความจริงการที่ภิกษุปรนิบัติพระศ า, าสดาด้วยความพอพระไทยัยมิใช่ด้วยความไม่พอพระไทยนั่นเป็นการสมควรแก่สาวกถ้อยคําลักษณะนี้เป็นถ้อยคําปฏิญาณในการเป็นพระอริยะบุคคลของท่านแต่คําพูดอันนี้เนี่ยท่านท่านพูดในสมัยที่ยังเป็นปุตุชนที่บอกว่าฉันหน้าภิกษุจักหาสาสตรามาฆ่าตัวอย่างมิให้ถูกตําหนิได้ผมเนี่ยจะตายแบบไม่ให้ใครตําหนิได้เลย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 ก็บอกว่าชันนาภิกษุพยากรณ์ความเป็นผู้ไม่ควรตำหนิต่ตอหน้าเธอแล้วอย่างนี้ท่านภาษารีบทก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบ้านในแว่นแคว้นวัดชีนาว่าปุพพชิระที่หมู่บ้านนั้นท่านพระชันน่ยังมีสกุลมิตรสกุลสหายและสกุลที่คอยตำหนิอยู่อคนนี้ด่าท่านระงมเหมือนกันทำตัวแบบนี้โอ้ ไ, ไม่ชอบอะนะคนฆ่าตัวตายส่วนใหญ่แล้วไม่ว่ายุคใดสมัยใดคนก็ไม่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 ทิ้งกายนี้แล้วถือกายใหม่อีกคนประเภทนี้ควรควรตำหนิแล้วนะควรตำหนิดิเอาถือทิ้งกายนี้ถือกายใหม่ก็ควรตำหนินะในสายตาพระผู้เจ้านะก็ต้องดูว่าใครใครตำหนิใช่ไหม <laughs> ชนะพิสูหามีลักษณะนั้นไม่ชนะพิสูหาศาสตรามาฆ่าตัวอย่างไม่ควรถูกตำหนิเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาสิดนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงชื่นชมยินดีพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ของท่านเนี่ยนะปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิท่านเกิดแล้วอ่ะท่านจึงจึงกล้าเสี่ยงนะอะมีพระบางองค์เนี่ยนะท่านเจริญสมถะกับวิปัสสนาพวบคู่กันไปทีนี้พอท่านเจริญได้ฌานปั๊บฌานเสื่อมคือท่านเนี่ยเป็นคนที่ป่วยบ่อยพอได้ฌานปับป่วยฌานก็เสื่อมพอพักหนึ่งอีกรักษาไข้หายก็เจริญฌานใหม่ฌานเสื่อมอีกก็เป็นอยู่อย่างนี้พอป่วยฌานเสื่อมพอป่วยฌานก็เสื่อมหลายครั้งเข้าเบือ่อ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 เพราะว่าพระองค์ไม่ได้สอนให้ภาณาคุณแห่งความตายมีนะวินัยกล่าวว่าอันหนึ่งภิกษุใดนะพาณาคุณแห่งความตายหรือว่าชักชวนเพื่ออันตายหรือว่าสแสวงหาศาสตรามาเพื่อให้เขาตายเนี่ยนะสแสวงหาศาสตรามาให้เขาฆ่าตัวตายๆๆเป็นต้นเนี่ยนะภิกษุนั้นเนี่ยถ้าเขาเขาฆ่าตัวตายจริงๆเนี่ยเป็นอบัตตาราชิกนโดยที่สุดแม้แต่พานาคุณแห่งความตายเพราะฉะนั้นที่กล่าวนี้จึงไม่ได้พาณาคุณแห่งความตาย แต่ว่าพัลนาว่าให้พิจารณาถึงความตายบ่อยๆให้เจริญปรารบถึงความตายบ่อยๆการพิจารณาเรื่องความเจ็บความตายเป็นต้นเนี่ยเป็นปริญญาไหมเป็นไหมพิจารณาว่ากายนี่มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพน้นความตายไปได้ไอยู่ในปริญญาข้อไหนปริญญามีสามใช่ไหมหนึ่งยะตาปริญญา 2, 2> สองเตรณาปริญญาสามภาชนะปริญญ า, 3, า, ญญาพิจารณาความตายบ่อยๆอยู่ปริญญาไหน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 ทรงเคราะห์ลงก็ไม่ได้พูดให้คนอื่นฟังก็ไม่ได้ฉันรู้หน่ารู้น่าไอรู้เนี่ยไรู้ยังไงก็ไม่รู้ยังฟังไม่ออกเหมือนกันนั้นถ้าหากว่าเราท่องได้จําได้นั้นน่ะมีความสําคัญมากเพราะศาสน า, าเนี่ยเนี่ยขึ้นต้นด้วยด้วยการฟังอะ่ะฟังแล้วจาไม่ได้เรียกว่าฟังทำไมเรียกไหม <c oughs> ไม่รู้จะเรียกศัพท์ไหนดีนะเพราะพระอนุนเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีความจํามากก็เรียกว่ามีกิติมีสติเป็นผู้ที่เป็นเอตทัคคะด้านการทรงจำ อันถ้าหากว่าเราจําไม่ได้ข้อมูลในการพิจารณาพระธรรมเราก็น้อยถ้าหากว่าเราจําคําสอนไม่ได้แ <c oughs> น่ใจนะว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินีนของพระผู้มีพระภาคคือ <c oughs> ของธรรมากล้าพูดอย่างนี้เลยนะว่าสิ่งที่เราพิจารณานะคําสอนของพระ อ, องค์เรายังจําไม่ได้เลยว่าพระ อ, องค์สอนให้พิจารณาอะไรยังจําไม่ได้แน่ใจนะว่าเรายัางยังทําตามพระ อ, องค์อยู่ก็เป็นเรื่องของเร า, าทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วพอเป็นเรื่องของเรานะ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 เพราะฉะนั้นพระธรรมนั้นใช้กะไม่ได้พระธรรมเนี่ยมีค่ามากแต่คนชอบกะวิชาอื่นๆนะมีค่าน้อยแต่โอหหลักการเนี่ยเป๊ะๆป๊ปคือถ้ามีศรัทธานะท่องได้แน่นอนคือถ้ามีศรัทธาที่จะท่องนะพะ <c oughs> มาเชื่อว่าใครก็ท่องได้เพราะอะไรลูกเรายังจำชื่อได้อ่ะ <c oughs> พระธรรมถ้าเราคิดว่าพระธรรมดีมากเราก็ต้องจำได้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 นะวันนี้ก็คงใช้เวลากันเท่เทนี้อันนี้ก็ขอกล่าวถึงเรื่องกรรมกรรมบทเนี่ยเนานะกล่าวถึงเรื่องอธินาทานอธินาทานก็คือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือเขาไม่ได้ให้อ่ะแต่ว่าเราเนี่มีเจตนาไม่ดี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 เป็นของใครใครก็รักของใครใครก็หวงอ่ะนะรักต น, นะเนี่ยทรัพย์สินสิ่งนั้นอ่ะดังนั้นคนอื่นเมื่อถึงความเป็นผู้ทําตามชอบใจในสิ่งที่ผู้อื่นหวงแหนแม้อันใดไม่ควรได้รับโทษทันและไม่ควรถูกตําหนิคือผู้ที่เป็นเจ้าของใช่ไหมสา ม, มารถที่จะใช้ของสิ่งนั้นได้โดยที่ไม่มีใครตําหนิเลยเพราะส่วนผู้ที่มีทะยะเจตนาตั้งใจลักของ ูที่มีความสำคัญในสิ่งของที่ผู้อื่นห่วงแหนนั้นอะ่ะเป็นของที่ผู้อื่นห่วงแหนยังความพยายามถือเอาของนั้นให้ตั้งขึ้นชื่อว่าอธินาทานเราก็รู้ด้วยนะว่าของเนี่ยเขาห่วงมากแต่เราจะเอาอ่ะผู้ที่คิดจะเอาในลักษณะนี้แหละชื่อว่าลักษณะของอธินาทานเหมือนกับผลไม้ลูกนี้เรารู้ว่าเขาห่วงอะ่ะเจ้าของเขาไม่ชอบใจแน่เราเอาไปแต่เราก็ถือเอาเลยอย่างงี้ เรารู้อยู่แล้วว่าเขาห่วงอ่ะเพราะฉะนั้นอธินาธานนั้นที่ลักขโมยเนี่ยนะชื่อว่ามีโทษน้อยในเพราะของผู้อื่นเลวของราคาน้อยก็มีโทษน้อยหน่อยแล้วแต่ว่าลักอะไรลักเข็มก็มีโทษน้อยกว่าลักของที่มีค่ากว่าเข็มอีกอะไรที่มีค่ามากก็มีโทษมากไปตามนั้น เชื่อว่ามีโทษมากในเพราะของผู้อื่นประณนีดคือราคามากเพราะเหตุายเพราะวัตถุประณนีดรักของดีๆก็บาปมากหน่อยถ้าลักของที่ไม่ดีก็บาปน้อยหน่อยที่เชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะของผู้อื่นน้อยเชื่อว่ามีโทษมากในเพราะของผู้อื่นมากก็เช่นเดียวกันเพราะเหตุารเพราะวัตถุใหญ่และเพราะประโยคใหญ่ใช่ไหมถ้ารักหนึ่งบาทก็มีโทษน้อยกว่าลักสิบาทใช่ม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 ประเด็นนี้ผมมีคำถามอยู่นิดหนึ่งครว่ารักของคนอื่นนะครับถึงแม้ว่าค่ามากมีบาปมากใช่ไหมค่าน้อยมีบาปน้อยแต่ทีนี้สมมุติว่าบาปมันอยู่ที่ใจตัวเองอะสมมติว่ารักของคนอื่นมีค่ามากแต่เราไม่คิดอ่ะไม่ต้องคิดมันนะเอามาแล้วก็เลี้ยไป <นะ S 1> แต่เราทํานองเดียวกันอะตรงข้ามเรารักของคนอื่นมีค่าน้อยแต่เราคิดเรื่อยกเกินเราไม่น่าจะขโมยเขาเลยถึงจะมีค่าน้อยมันก็ไม่น่าขโมยเขาอะนะอันนี้อันไหนบาปมากกว่ากันครับ ถ้าว่าถ้าเอาในเรื่องลักษณะเดียวกันถ้ากิเลสมากในเรื่องนั้นๆถ้าวิปฏิสาดมากก็บาปมากอยู่แล้วถ้าวิาปฏิสาดมากก็บาปมากแต่คือในขณะเดียวกันเนี่ยนี่คือเหตุภายในนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราลักของบางคนเราไม่คิดมากแต่อาจจะมีโทษมากเช่นของสเงเนี่ยสมมตินะบาปมากแต่ไม่คิดอะไรเลย <button? S 1> อย่างเงี้ยยังไงก็บาปมากอย่แล้วคิดไม่คิดก็บาปมากท่านจึงแยกว่าสมมุติว่ารักของใครก่อนลักของใคร ทีนี้ในการรักอันเดียวกันเนี่ยกิเลสอันไหนเกิดมากกว่าบางทีเราไปรักของเพื่อนนี่คิดมากจังเลยนะแต่ว่าไปรักของผ้ารหารอย่างเงี้ยกลับไม่เคยคิดเลยอย่างเงี้ยรักของผ้ารหานก็บาปมากกว่าราอในขณะที่เรารักก็ถือว่าเป็นของเราไปแล้วขณะที่เราถือเอาเคลื่อนจากฐานเนี่ยนะการรักเนี่ยนะแค่เคลื่อนจากฐานนี่ถือว่าถือว่าผิดแล้วนะสมมติวาเราเห็นดินสอก็วางไว้ใช่ไหม เรารู้ว่าของมีเจ้าของเรายกขึ้นเนี่ยนะพ้เนี่ยปลายเส้นผมเนี่ยเอาไปได้ไม่ได้ไม่เป็นเกณฑนะ์เคลื่อนจากฐานเนี่ยถือว่าเป็นอาทินนาทานแล้วเอาไปสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามแค่เคลื่อนจากฐานเนี่ยเท่าปลายเส้นผมเนี่ยนะคือสมมติว่ายกขึ้นเนี่ยพ้นเนี่ยปลายเส้นผมเนี่ยถือว่าขาดแล้วร่วงกรรมบทไปแล้วคือถึงจะลักเอาไปให้ใครก็ตามเถอะในขณะที่รักก็ขณะหนึ่งขณะที่ให้ก็ขณะหนึ่งคนละขณะกันคละขณะกันเจริญพร ถามว่าของที่รักขโมยมาเนี่ยเอาไปทำบุญได้บุญไหมได้ไหมได้แต่ว่าบุญนั้นไม่มีผลมาก <c oughs> เมื่อเทียบกับของบริสุทธิ์นะนในของสิ่งเดียวกันเนี่ยนะถ้าของบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ของที่บริสุทธิ์มีมีอันนี้สองมากมีผลมากเพราะฉะนั้นเ้าจึงบอกว่าบุญที่มีผลมากอันนี้สองมากก็คือหนึ่งผู้ให้มีศีลของนั้นมาโดยธรรมสามผู้รับก็มีศีล อองสามนี้จึงเป็นผู้ให้ที่มีผลมากเมีย น, นิสงมากถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยสมมติว่าขออันนี้มีราคาเกินกว่าห้ามาศตามพระวินัยบัญญัติเนี่ยนะยกเนี่ยเคลื่อนจากฐานเท่านั้นก็ประราชิกแล้วเคลื่อนจากฐานก็ประราชิกแล้วเอาไปได้ไม่ได้ไม่ใช่เกณฑ์ใช้เคลื่อนจากฐานเนี่ยปรราชิกกับว่าเหมือนคนคอขาดแล้วเนี่ยยังไงก็คอขาดแล้วกุดแล้ว ท่านอกุศลนั้นที่เราทำไปแล้วนะถึงมาเสียใจหรือไม่เสียใจก็ตามอกุศล น, น, นั้นก็เป็นอันนั้นต่แต่ถ้าหากบอกใครที่ทำแล้วเสียใจนี่เขาเรียกว่ามีวิปติสารนั้นมีความเบียดร้อนใจอ่าคนที่วิปติสารนี่ยเขาบอกว่าวิปติสารนี่จะเกิดกับคนดีเท่านั้นพอวิปติสารปล๊บก็ให้ตั้งใจสํารวมเอาใหม่นะพลาดแล้วก็แล้วไปคือมันพลาดไปแล้ว่ะทำานายได้ทั้นให้ตั้งใจเอาใหม่ทั้นศีเนี่ยจึงเกิดเพราะการเนื่องการสมาทานใช่ไหม การสำรวมระวัง ค, ค่ากับภาพเป็นอบัตอย่างนั้นแหละบอกว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าต้องอบัตเชื่อนี้ไปกล่าวกับพระพิสุอีกรูปหนึ่งพิสุอรูปหนึ่งก็บอกว่าท่านเห็นอบัตนั้นหรือภาพผมเห็นเออดีแล้วความให้ท่านสํารวมระวังต่อไปดีแล้วข้าพเจ้าจะสํารวมระวังด้วยดีต่อไปดะนั้นการสรังวรสํารวมระวังเนี่ยเป็นความเจริญแต่ว่าถ้ารู้แล้วยังขืนทํานี่ก็เรียกว่าเป็นอััชชีเขาเรียกว่าไม่มีความละอายแต่ถ้าหากว่า ล่วงไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคิดทําคืนนี่เป็นลัชชีเป็นผู้มีความละอานมีเฮเรโอตัปปะคือของที่ตกไว้นั่นนะมันแล้วแต่จะคิดอ่ะแล้วแต่เจตนาถ้าเจตนาจะถือเอาอ่ะก็เป็นอธินนาทานนะนะคือเจตนาถือเอาว่าของเนี่ยมีเจ้าของหวงแหนแน่นอนเจ้าของเข้ามาคืนเ้าต้องเอาแน่นอนเสร็จแล้วเราคิดจะเอาเขาบอกว่าในวินัยเนี่ยก็มีกล่าวไว้นะ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 ถ้าไม่เก็บเนี่ยเป็นอบัตแต่ถ้าเป็นนอกวัดเนี่ยถ้าเก็บด้วยไถ่ยจิตนาเป็นต้นเนี่ยก็เป็นปราชิกของพระเนี่ยถ้ามีค่าห้ามาตกปั๊บเนี่ยเก็บขึ้นจากพื้นดินก็ถือว่าเป็นเป็นปราชิกละท่านนวินัยท่านจึงบอกว่าจะหยิบของคนอื่นเนี่ให้สำเนียกใส่ใจว่าเหมือนกับจะจับงูเห่าอย่างนั้นเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องลักษณะนี้นะพระที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยนะพอมาศึกษาพระวินัยตอนหลังเนี่ยจะวิ ป, ปัสสนามากจะเดือดร้อนใจเอ้เราเคยไปคิด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 เป็นของที่ยากมากถ้ากรรมฐานยากแล้วเนี่ยถ้าสมถกรรมฐานยากแล้ววิปัสสนากรรมฐานการที่จะรณาเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นก็เป็นเรื่องที่ยากกว่านั้นอีกมีความยากละเอียดลึกซึ้งตามลําดับชั้นนั้นไปทีนี้ในอาทินาทานนั้นเชื่อว่ามีโทษน้อยในเพราะของผู้อื่นเลวไปลักของที่มีราคาน้อยก็มีโทษน้อยอย่างที่ว่าไปแล้วทีนี้กล่าวว่าถ้าหากว่าไปรัก หือไปทําชั่วในสํานักพระขี่นาศกถึงขั้นอธินาธานก็มีโทษมากไปลักของพระอารหันต์ไปต้นเนี่ยก็ถือว่าบาปมากคือคําว่าลักเนี่ยนะบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ลักในลักษณะเอาไปใช้อะไรไปรักเช่นไปทําลายให้มันเสียหายไปเนี่ยนะอันนี้ก็ชื่อว่าสงเคราะห์ประเภทอธินาธานเหมือนกันนะเช่นไปทําลายไปให้มันเสียหายไปใ ห, ให้พ้นพ้นจากเจ้าของไป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 เรียกว่ารักด้วยความพยายามอันนั้นนะตรงนี้เนี่ยไอ้คําว่ารักมาเนี่ยนะมันเป็นสํานวนเฉยๆแค่เคลื่อนจากฐานนะเพร า, ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องรักๆนั้นอ่ะในวินัยปิฎกทุติยป ร, ราชิกกล่าวไว้ละเอียดมากอันหนึ่งภิกษุใดถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นส่วนโจรกรรมจากบ้านก็ดีจากป่าก็ดีอันพระราชาจับโจรได้แล้วฆ่าเสียบ้างจําขังไว้บ้างในประเทศเสียบ้างด้วยตรับโทษว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็น ขโมยเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนหลงเพราะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานใดพิสูจนถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานนั้นแม้พิสูจนนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาสไม่ได้มีมีโทษอห้ามาศกนี้วินิฉัยก็ประมาณไม่เกินสองรอยบาททาตัวไม่กี่ตังค์แล้วพลาดผิดพลาดคอหลุดแนละ้วทีนี้ต่อไปนะว่าประโยคมีหกอย่างคือประโยคแห่งการรักห่ะนะ ก็เหมือนกับปาณาติบาตอาจจะลักเองหรือว่าใช้ให้ผู้อื่นลักเป็นต้นก็ได้ซึ่งก็ถือว่ามีโทษทั้งนั้นแหละทีนี้บรรดาการรักบางอย่างก็รักได้ด้วยการร่ายมนใช่ไหมก็เรียกว่าคล้ายๆกับสะกดจิตแบบเนี้ยนะไปสะกดจิตให้เขาควักสตังมาให้เราเองอย่างเงี้ยอันนั้นก็ชื่อว่าเป็นการรักเหมือนกันนั่นก็ถือว่ารักด้วยวิชาการบันดาลมาซึ่งของของผู้อื่น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 สประสา ย, ยาวาหานก็คือลักด้วยการข่มขู่คูเอาอะคู่เอาก็ถือว่าเป็นอาทินอาทามเหมือนกันคู่หรือการโชวปริเอกปาวาหานลักตามที่กําหนดไว้แล้วก็สี่ปฏิัฉนาวาหานลักด้วยกิริยาที่ปกปิดแล้วก็ห้ากุสาวาหานลักด้วยการสับเปลี่ยนฉลักอันวิธีการลักเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสังเกตดูนะทํากิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งแทบจะเป็นการลักเลยให้เอาองค์ข้างบนเนี่ยไปจับ ในการจับเข้าของคนอื่นเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะในกิริยาเหล่านี้เอาข้อห้าข้างบนเนี่ยอ่างเช่นสับเปลี่ยนเนี่ยสับเปลี่ยนทํำไมใช่ไหมสมมุติถ้าหากว่ามีนาฬิกาอยู่สองอันนาฬิกาอันหนึ่งในราคาสิบบาทนาฬิกาอีกอันหนึ่งราคายี่สิบาทอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากเราก็มาสับเปลี่ยนกันลักษณะนั้นก็เป็นลักษณะของอัธินนาทานอย่างหนึ่งเหมือนกันตรงนี้ไม่กล่าวละเอียดนะเพราะว่าในวินัยปิฎก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 ขณะที่ขโมยบางทีก็สุกนะบางคนเนี่ยรักด้วยความสุขใจรักด้วยหน้าโลภะนะรักจนชำนาญเนี่ยนะยิ้มเฉยเลยนะรักด้วยแบบเรียกว่าสีหน้าไม่เปลี่ยนความรู้สึกไม่เปลี่ยนเลยอะ่ะอาทินนาทานที่คนค่อนข้างทําบ่อยๆมากบางคนเนี่ยรักก็เฉยได้อะบางคนเนี่ยรักเสร็จแล้วก็ทุกข์ใจสูงๆต่ๆําๆตุกตับทุกตับนะทุกข์นะไม่เคยโหสมัยสมัยเด็กๆอะ่ะไปรักอ้อย รู้ว่มีคนเศ้าอยู่อ่ะเรื่องนี้จะเอาไปยังไงนะจะให้เจา้เ า, จาของเขาไม่เห็นนี่ะโอหไปหักได้ลำสองลาเจ้าของเอมาจับได้เนี่ยโอ้หแทบร้องไห้เลยแทบจะแฝดก่นดินหนีเลยนะไม่เคยมีความทุกข์ใดเท่านั้นเลยอ่ะโอ้ทุกข์จริงๆเจ้าของเอามาบอกวิ่งเราวิ่งใหญ่เลยนะโอ้ยจำได้ทุกวันนี้จำแ ล, ล้ยังรู้สึกเหนื่อยเลยอ่ะสิบกว่าปีเออสมัยเด็กๆอะ่ะโอ้โหนานยยังยังเรียนหนังสือยังอยู่เรียนประถมอยู่เลย แล้วชวนไปก็ไปลักอ้อยแล้วอ้อยนี่มันอ้อยเขาเรียกว่าอ้อยสวนป่าเป็นอ้อยไม่ไม่ใช่อ้อยแบบมันหวานอะไรนะคบไปจะเข้าเนี่ยขนาดนั้นก็ไปลักโหถูกจับเนี่ยทุกข์ที่สุดในโลกเลยนะไอขนาดที่ไปหักเนี่ยใจก็สูงสูงต่ําๆำตุงตุงต่ำต่ำโอ้ยทุกข์จริงๆนั่นก็เรียกว่าลักโดยทุกขเวทนาบางทีเนี่ยเคยลักตะตังแม่เหมือนกันโอ้ยแม่มาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ใจตรงตุงต่ำต่ำตุ้งตุ้งต่ำต่ำน่ะ บาทสองบาทแค่นั้นน่ยไม่ได้เยอะอะไรหรอกแต่ว่าใหญ่โตแล้วเกิดบางคนก็ถ้าไม่ไม่ไม่เคยทําเรียกว่าไม่ใช่นักหยิบฉวยมืออาชีพนะจะทําแล้วก็ความทุกข์จะเกิดในขณะนั้นแต่ถ้ามืออาชีพนะทำโดยสายตายิ้มแย้มแจ่มสายเนี่ยหน้าเฉยนั่นแหละตีหน้าตายนั่นแหละอันเวทนาเนี่ยสามอย่างในขณะที่รักขโมยเนี่ยแล้วก็โดยมูลอธินาทานเนี่ยมีมูลสองด้วยอํานาจแห่งโทสะและ โมหะหรือด้วยอำนาจแห่งโลภะและโมหะก็คือแสดงว่าการรักนั้นเนี่ยโมหะมูลจิตไม่รักสังเกตจากสำนวนตรงนี้แล้วโมหะมูลจิตไม่ขโมยก็คือท่านบอกว่ามีมูลสองใช่ไหมในขณะที่เป็นโทสะกับโมหะในขณะที่เป็นโลภะกับโมหะวิจิกิจช้าอยู่เนี่ยขณะวิจิกิจช้าคิดจะเอาของของคนอื่นเนี่ยคงยา ก, กนะเนอะ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 ปานาติบาตอธินนาทานการเมสุมิจฉาจาร์กรรมเป็นกายกรรมแต่ล่วงทางกายทวารก็ได้เช่นปานาติบาตใช่ไหมฆ่าเนี่ยฆ่าด้วยตัวเองก็ได้ใช้ผู้อื่นฆ่าก็ได้เรียกว่าวจีทวารตัวกรรมเป็นกายกรรมแต่ล่วงทางวจีทวารทีนี้โดยผลของกรรมอ่ะโดยผลผลก็ให้เกิดในอบายและให้ผลที่ไม่น่าปรารถ น, นานานาช น, นิด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 ตรมนั้นอันบุคคลกระทาแล้วไม่ดีเลยเวลาจะทําอะไรก็ให้คิดสักนิดหนึ่งอ่ะ น, นะถ้าจะให้ผลเนี่ยจะให้ผลอย่างไรถ้าให้ผลเป็นทุกข์เอาไหมอย่างเงี้ยท่า น, นเราจะได้เลือกจะได้คัดทําได้แต่ถ้าไม่เลือกไม่คัดนะเดี๋ยวก็น้ําตาโชคโชคอยู่นั่นแหละบางคนเนี่ยรถเสียหายใช่ไหมมีรถรถเสียหายก็น้นําตาไหลพลาบทุกข์มาก มีบ้านบ้านเสียหายไฟไหม้เนี่ยสมมติว่าไฟไหม้เพิบเนี่ยนะส่วนใหญ่เจ้าของบ้านเนี่ยนะบางคนเนี่ยเขแทบล้มทั้งยืนเนี่ยนะสลบไปเลยส่วนใหญ่จะเสียใจมากหรือว่าเจ้าของรถรถชนกันปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่จะทําใจไม่ได้เขาเฉียวหน่อยปั๊บเนี่ยเขาก็ทำใจไม่ได้นอะเพราะฉะนั้นผลของกรรมอ่ะส่วนใหญ่จะให้ผลเนี่ยหน้าชุ่มด้วยน้ําตาทําแล้วไม่ดีบุคคลทํากรรมใดแล้วย่อมไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง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 ชายคนหนึ่งอนะเขาเข้าไปไปไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งนะทีนี้เอกเขาเนี่ยเขาฐานะไม่ดีก็ไปจีบผู้หญิงที่มีฐานะมากหน่อยอะ่ะแต่ก็เขาไปมาดคนมีฐานะอนะจนถึงกาคบกันนานเสร็จแล้วก็ไปสู่ขอเพอสู่ขอสินสอดเนี่ยเป็นแสนอะ่ะทีนี้ตัวเองจริงๆก็ไม่มีอะ่ะไปตกปากรับปากรับคาอะ่ะทําไงอะ่ะล้นธนาคารเสร็จแล้วก็ถูกจับได้ พอถ้าถูกจับได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะไปอ้างกับศาลได้ไหมผมจะต้องแต่งงานนะถผมไม่โป้นแล้วผมจะได้แต่งหลือเนี้ยผมรักเข้ามากอย่างเงี้ยถามารักศาลยอมไหมจําคุกไปยี่สิบปีงี้มาทั้นผลของอาทินาทานนะถ้ามันชั่วแล้วนะเราจะเอาเหตุผลอย่างไรมาอ้างกัช่างเถอะมันก็คือบาปอากุศลท่านคนในยุคทุกวันเนี้ยส่วนหนึ่งทําชั่วแล้วก็หาเหตุผลต่างๆมาปลุกปลอบใจตัวเองเพื่อที่จะได้ทําบาปต่อไป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 พอมันให้ผลปั๊บนะคร่ำครวญเอ๊ะมาเดี๋ยวทำเวรทํากรรมกรรมอะไรมาให้ผลหนักนะส่วนใหญ่เนี่ยกรรมมันส่วนหนึ่งมันจะให้ผลแล้วลืมเช่นอ่าเราเอาขนุนมาสักเมล็ดหนึ่งไยเอามาปลูกอ่ะรดน้ำพรวนดินเช่าเย็นเช่าเย็นเมื่อไหร่จะออกลูกก็พิงอ่ะนะเร่งอยู่นั้นก็ไม่ออกก็พิงลืมไปสามสี่ปีห้าปีผ่านไปมันออกลูกเออขนุนนี่มันออกลูกเหมือนกันนะมาไงเนี่ยบางทีปลูกก็จะลืมเลยอ่ะพอไปดูอีกทีอ้าวได้ลูกไปแล้ว ชั้นในพวกกรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันอนันกรรมที่ทําแล้วให้ผลทันทีภายในเจ็ดวันนั้นน่ะก็คือกรรมประเภททํากับผ้ารหันการให้ทางกับผ้ารหันที่ออกจากนิโรธสมาบัติน่ะนะอันนั้นจะให้ผลภายในไม่เกินเจ็ดวันหรือว่าอริยมรรคสมาธิเนี่ยก็ให้ผลในขณะนั้นเลยส่วนกรรมที่เหลือเนี่ยนะก็ใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินี้อะ่ะ ดวงที่เจ็ดให้ผลในชาติหน้าสองถึงหกให้ผลในชาติที่ชาติที่สามเป็นต้นไปทีนี้เราคิดดูนะเราเนี่ยอยากจะร้องเรียกให้มันให้ผลเร็วเลยใช่ไหม ต, ตอนทําดีบ้างเหรอร้องเรียกมันให้ผลเ ร, เร็วหน่อยนะตอนทําดีนะแต่ถ้าหากว่ามันให้ผลอย่างนั้นนะดีกับไม่ดีไหนมากกว่าแล้วจะจะให้มันให้ผลเร็วเอาไหมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนี่ยนะค่อยๆตามกฎของมันนั่นแหละกนดีแล้ว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 บอกที่ไหนพ่อว่าโอซอกเขาโน้นหรอไงพ่อพาไปดูหน่อยพ่อตายแล้วผมจะได้ไปถูกพ่อก็พาไปเลยตรงนี้ลูกพ่อตายแล้วก็ถ้าจะเผาหรือฝังก็เอาตรงนี้นะก็ลงมาพูตเจ้าก็มาดักรอเผามันไปไหนมาพ่อไปบอกก็เล่าให้ฟังอ่ะนะไปที่ไม่เคยมีใครเผาใครฝังอยู่ตรงนั้นพระ อ, องค์ก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยศพท่านศพเดียวเนี่ยนะแปดหมื่นสี่พันครั้งแล้วอะ่ะ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 ถ้าหากว่างดเว้นอะอธินาทานาปฏิวิรโตเนี่ยนะสมาทานศีลงดเว้นจากอธินาทานส่วนอื่นๆก็คล้ายๆกันกันกบปาธิบาตนั่นแหละทีนี้มาดูอ น, นิสงส์ของการรักษาศีลข้อสองนะถ้าผู้ที่สมาทานศีลข้อ น, นี้ดีจะให้ผลอย่างไรก็คือข้อหนึ่งนะมห า, นาธนธานยตาความเป็นผู้มีทรัพย์และเข้าเปลือกมากก็คือทาให้ เป็นคนมีทรัพย์อ่ะนะใครอยากรวยก็ศีลประเภทนี้ก็รักษาดีๆหน่อยสองอนันตะโภคตาความเป็นผู้มีโภคะเป็นอนเนกอ น, นันตก็คือมีเยอะอ่ะแล้วก็สามธิรโภคาตาเป็นผู้มีโภคะยั่งยืนอยากให้ทรัพย์มั่นคงขาววอนหน่อยก็ศีลข้อนี้ก็ดีๆกันแล้วกันสี่อิชิตานังโภคานังขิ ป, ปะปฏิลาโพการได้พวกทรัพย์ตามที่ต้องการอย่างฉับพลัน ถ้ามีบุญจริงๆเนี่ยนะจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้ามีบุญระดับพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยบอกว่าต้องการใช้ทรัพย์กลางน้ําเนี่ยนะเสนาบดีฝ่ายขุนคลังเนี่ยล้วงเข้าไปในน้ําเนี่ยดึงซับมาให้ใช้ได้เลย mm hmm. ถ้ามีบุญจริงๆอ่ะไม่ว่าจะทซั์ในแผ่นดินทซั์ในน้ํำรัพย์ในอากาศเนี่ยดึงมาใช้ได้หมดอ่ะถ้ามีบุญจริงๆอันถ้าหากว่าคนที่บุญประเภทนี้ดีก็สามารถที่จะใช้ซับได้ง่ายแสดงว่าคนยุคนี้มีบุญมากนะ ใชไมเสื้อผ้าก็สอยเอาแล้วอ่ะคนยุคนี้จะว่าไปก็มีบุญเยอะนะแต่ว่าดูท่าจะรักษาบุญได้ไม่ค่อยนานใช่ไหมน้อมเอาผลของบุญไปทําบาปสัส่วนหนึ่งเลยอ่ะก็น่าหน้าหน้ า, นาท้องฟาเนี่ยนะคละ้ายๆกับว่าปลูกต้นไม้ผลมันออกมาดีแล้วเสร็จก็เก็บผลไม้ด้วยหักกิ่งหักอะไรไปด้วยนะงั้นคนส่วนหนึ่งเนี่ยนะยุคนี้เนี่ยก็ผลแห่งกรรมดีก็ให้ผลเนี่ยสบาย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 ลูกจังไรก็ไม่พลานเหมืนกันถ้าหากว่าศีลข้อนี้ดีนะแต่ถ้าศีลข้อนี้ไม่ดีอะ่ะเ<ม>ชื่ อ, อขนาดเอาไปซุกเอาไว้เนี่ยพูดยังตามหาเจอเอีกเลยซ่อนไว้ตรงไหนพวกรู้หมดอะ่ะเขาบอกว่าไอหีบนะพวกหีบพวกอะไรนะสมมุติว่าเรามีสตังสักหลายๆเยอะๆหน่อยก็เอาไปไขกุญแจใส่ในหีบใส่ในตู้เซฟอย่างดีเลยนะเขาบอกว่าทําอย่างนั้นเนี่ยมันป้องกันโจรกระจกเข้ามั้งกัน แต่ระดับมาหาโจนเนี่ยมายกหีบอันนั้นไปเลยโจมีหลายระดับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่ในดินเนี่ยยังมีพวกล้วงกระเป๋าล้วงอะไรเลยเ <c oughs> ขาบอกเครื่องบินเนี่ยบนเครื่องบินก็สบายใจหน่อยใช่ไหมจะได้มีคนระดับเดียวกันอะ่ะ <c> เ <oughs> ขาบอกว่าตอนนี้บนเครื่องบินก็ถูกลักเหมือนกันบนเครื่องบินเนี่ก็ถูกมอมยามเหมือนกันมันถ้าหากว่าผลแห่งกรรมประเภทนี้มันให้ผลนะไปที่ไหนก็ตามเนี่ย พวกทรัพย์สินพวกนี้ก็มีแต่เสียหายอย่างเดียวไม่น่าเสียมันก็ต้องเสียนะอันกรรมประเภทอาทินนาทานเนี่ยจะทําให้เสียทรัพย์มากคนเนี่ยพอเสียทรัพย์อย่างเดียวไม่พอส่วนใหญ่จะเสียอย่างอื่นด้วยเสียอะไรเสียใจผลของกรรมเก่าเสียทรัพย์ไม่พอเสียใจอีกนะสาสองอีกโทษของวัตตะนะเห็นโทษรึเปล่ารับกรรมเก่าทํากรรมใหม่รับกรรมเก่าทําใหม่อย่น่นอนเนาะไม่จบไม่สิ้นสักทีนึ่ง ต่อไปนะถ้าหากว่ารักษาศีนข้อนี้ดีอุลาระโพคตาเป็นผู้มีโพอโอลานเรียกว่ามีอะไรก็มีแต่ของใหญ่ๆหญ่นะแล้วก็ต่อไปตัดฐะเชธกะพาโวความเป็นหัวหน้าในที่นั้นๆเกวเป็นใหญ่เป็นโตได้นะต่อไปก็นัตถีภาวสะสอาชานานตตาความเป็นผู้ไม่รู้จักคำว่าไม่มีเกิดมาเนี่ยถามหาอะไรเนี่ยมีหมดเลยนะแต่แถวแถวเขต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 ทีนี้ก็ไปให้ทานกับพระปเจกแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าไอ้คาว่าไม่มีเนี่ยอย่าได้ยินอีกต่อไปรู้สึกว่าเกิดมาเนี่ยคําว่าไม่มีเนี่ยฟังจนน้าเบื่อนะข้าวมีไหมหมดแล้วอย่าเงี้ยไม่มีอย่างเงี้ยคําประเภทนี้มันแซงกันนะได้ยินบ่อยๆเข้าเนี่ยอันก็เลยอคําว่าไม่มีเนี่ยอย่าได้ยินอีกเลยก็บอกว่าชาติสุดท้ายของท่านมาเกิดเป็นพระอนุรุทธะนะใครเคยกินขนมไม่มีนะมื่องก็มีครั้งหนึ่งเนะี่ยพอมาเกิดเป็นเจ้าอนุรุทธะเนี่ยนะเป็นคนที่ รู้อย่างเดียวว่าข้าวสุกเนี่ยเกิดในในจานข้าวสุกเนี่ยเกิดในจานทองคําด้วยนะเป็นกษัตริย์อ่ะข้าวสุกเกิดในจานทองคําเหมือนกันเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยรู้ไม่จริงข้าวสุกมันต้องเกิดในหม้อสิีอคนหนึ่งบอกรู้ไม่จริงอ่ะข้าวสุกมันก็ต้องเกิดในช้างเหมือนกัน่าใยช้างมาก็คือเวลาจะหงุงสมัยก่อนนี่เขาเอามาตาใช่ไหมไปเปิดช้างมาเอามากรอง ม, มาตำก่อนแต่อนรุทาเนี่ยพิเศษกับเพื่อนเนี่ยโอข้าวสุกเกิดในถาดทองคําะ หิวเมื่อหร่ก็เปิดได้กินเลยใช่อหมมีบุญมากทีนี้มีส่วนหนึ่งเขาชอบเล่นขคลบ ก, กันเป็นการเล่นการพนันชนิดหนึ่งบ้างกันเล่นกับเพื่อนๆนอะนะทีนี้เจ้าอนุท ธ, ธาเนี่ยเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เล่นมีแต่เสียเสียเขาใช้ขนมเล่นเอาขนมกันใครชนะก็ได้ขนมไปก็เล่นไปกินกันไปนั่นแหละทีนี้เล่นวันนั้นเนี่ยเล่นแพ้บ่อยมากสองสามครั้งก็ใช้ให้คนใช้เนี่ยไปเอาขนมที่วางอ่ะ ทีนี้ครั้งที่สามที่สี่ก็บอกว่าแม่ก็บอกขนมไม่มีคนใช้ก็ไปบอกขนมไม่มีเออเอาขนมไม่มี่ม <c oughs> าอพราะเกิดมาไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มีเลยนะเอาขนมไม่มี่มาแม่ก็อยากจะสอนลูกไอ้ไม่มีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะก็ล้างถาบอย่างดีเลยสะอาดเสร็จแล้วก็เอาถาดทองคําอีกใบหนึ่งมาปิดนะ่ะส่งไปให้ลูกเนี่ย ไ, ไ ม, ม่มีแปลว่าอย่างนี้นะมันว่างๆอ่ะทีนี้ก็บอกว่าเดือดร้อนหนึงเทวดาอีกนะ เทวดาเนี่ยต้องมาใส่ของทิพย์ลงไปอ่ะถ้าไม่ใส่ไปเนี่ยหัวแตกเนี่ยกระวามีโทษมากคนมีบุญเดือดร้อนไม่ช่วยเหลื อ, อมีโทษเทวดาก็ต้องเอาขนมทิพย์ไปเสร็จแล้วก็หูเปิดเนี่ยหอมทั้งเมืองเลยนะโอ้อร่อยจริงๆเลยแม่งสงสายแม่รักเราเราไม่เคยเอาขนมชนิดนี้มาให้เรากินเลยอ่ะพอเย็นก็กลับไปหาแม่แม่แ ม, ม่รักหนูเลยว่างั้นแม่รักผมใช่ไหมว่างั้นทําไมลูกพูดอย่างนั้นอ่ะก็แม่ไม่เคยทําขนมแบบนี้ให้ลูกกินสักทีเลยก็มั แม่นี่งงก็ขนมยังไงวะเนี่ยก็ถามคนใช้บอกว่า mm. หิวไปพอเปิดมาก็มีแต่ขนมเลย mm. ทีนี้บอกว่าแม่ mm. ผมไม่กินขนมอย่างอื่นเลยจะกินแต่ขนมชนิดนี้อย่างเงี้ย mm. จะทานแต่ขนมไม่มีอ่ะแล mm. ้ามีบุญแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเนาะมันจะมีหมดแหละแต่ถ้าไม่มีบุญเนี่ยโอ้ยคำว่าไม่มีเนี่ยได้ยินถ้าจน mm. เป็นคำปกติเลยนะ mm. ต่อไปนะเก้าสุขวิหารตาความเป็นผู้อยู่อย่างสบาย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 อย่างเช่นให้ทานกับที่สู่รูปใดรูปหนึ่งเจาะจงพอท่านเหล่านั้นเปลี่ยนไปก็จะเป็นจะตาให้ได้ร้องให้มึงคนก็ถึงกับเปลี่ยนศาสน า, ศาเนี่ยนับถือพระหรือนับถือพระศาสน า, าก็ไม่รู้นนะยังงงกันยิ่งข่าวคราวตอนหลังๆมาเนี่ยพระเสียหายกันหลายรูปอ่ะนะพวกที่ทําบุญแบบปาติปุกกลิกทานก็ทําใจกันไม่ได้เสียใจกันเพราะนั้นเวลาให้ทานเนี่ยเราควรทําใจให้ถูกว่าเราทําอาวุญไม่ได้ทําเอาอย่างอื่น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 ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคองค์ก่อนน่ะเวลาให้ทานเนี่ยนะจะให้ฉาดจริงๆไม่ได้นึกเสียใจเลยอ่ะที่ที่เศรษฐีคนนี้ก็ไปให้ทานสร้างกุฏิเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าเป็นกุฏิมีมูลค่ามากเป็นโกดนั่นแหละเป็นสิบสิ บ, สบล้านอันหลังนึงทีนี้เศรษฐีนี่มีศัตรูคนหนึ่งศัตรูก็มาเผากุฏิทั้งทั้ ง, ท, งที่กุฏิหลังนี้เนี่ยเศรษฐีเนี่ยรักมากเพราะเป็นกุฏิที่สร้างถวายพระพุทธเจ้าเสียจแล้วพอไฟไหม้เนี่ยครับ ถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะร้องไห้เลยใช่ไหมโอ้เสียหายมากเศรษฐีเนี่ยตบมือดีใจเลยนะบอกทำไมอะ่ะเขาบอกอาบุญที่ทำไป ม, มันก็เสร็จไปแล้วใช่ไหมกุติเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลกุติเป็นอภิญากตา <c oughs> ใช่ไหมตัวกุติเองเนี่ยเป็นเอวินิโพครูปเท่านั้นเองนหะไม่ใช่กุศลอกุศลอะไรหรอกมันแล้วแต่จิตนะโจรเนี่ยคิดจะเผาเป็นอกุศลเศรษฐีคิดจะสร้างเป็น กุศลมันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าอวัตถุที่ทําให้ทานไปเป็นต้นนะ่ะสิ่งนั้นคืออับพยาการตะรำตัวนั้นไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปถ้าหากว่าให้แล้วไม่เดือดร้อนใจในภายหลังนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญพระเวสสันดรเนี่ยนะขอพรข้อหนึ่งเลยนะให้ทานแล้วไม่พึงเดือดร้อนใจในภายหลังการรักษาใจในในการหลังทำไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุด บุญนั้นจะมีผลมากหรือไม่มีผลมากก็อยู่ที่การรักษาใจหลังจากการการให้ไปแล้วอปราปริยะเจตนาเนี่ยสำคัญมากแต่ว่ากรรมนั้นจะเป็นยานสามประยุทธ์หรือวิประยุทธ์ก็ในขณะที่เป็นมุจนาเจตนาเจตนาที่กำลังให้ถ้าให้ขณะที่ให้ขณะที่ทำถ้าเป็นกุศลญยานสามประยุทธ์ผลก็เป็นยานสามประยุทธ์แต่กรรมนั้นจะมีผลมากหรือไม่มีมากก็แล้วแต่ อัปราระเจตนาก็คือการรักษาใจเมื่อทําไปแล้วแล้วการรักษาใจเนี่ยนะใจใครก็ใจใครรักษาเอากันแล้วกันถ้าคนฉลาดก็รักษาใจใช่ไหมแต่คนไม่ฉลาดก็รักษากุฏิกุฏ <c oughs> ิมันจะไปรักษาได้ยังไงไฟก็ไหม้แล้วใช่ไหมน้ําก็ท่วมคือถ้ามีศรัทธานะท่องได้แน่นอนคือถ้ามีศรัทธาที่จะท่องนะผมว่ามาเชื่อว่าใครก็ท่องได้เพราะอะไรลูกเรายังจําชื่อได้อะ่ะ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 ทำไมเหตุการณ์บางอย่างเราตกใจและเรามาเล่าได้เพราะในขณะนั้นมีสหชาตาธิปติโทรศัท์เมียที่ปดีไหมเมียที่ประดีคือหนึ่งฉันทะวิริยะและจิตตะอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็สามารถที่จิตในขณะนั้นก็สามารถที่จะจําได้สองอารมณ์นั้นเป็นอารมณนาทิปติอารมณ์ที่หนักเครียกว่าที่น่าปรารถนาที่น่าฝักใยนี้ก็จะเป็นเหตุให้จําได้เพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกฝังสองอย่างเนี่ยนะหนึ่ง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 ยกมือขึ้นนี่ทำไม่ได้แนย่ยกมือจะยกไม่ไหวเห น, น่นะถ้าไม่เชื่อนะวันนี้ก็คงใช้เวลาแท่ถ้านี้นที่นี่เลยไปหาสินอีกข้อหนึ่งนึงก่อนเนาะการเมสุมมชฌาจาร์สินข้อนี้เนี่ยมีความสำคัญมากต่อไปนะการเมสุได้แก่เมทุนสมาจาร์การประพฤติ ท, ที่น่าตำหนินะ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 ถึงไม่มีศีลแต่ข่มขืนก็มีโทษมากเชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะคนทั้งสองมีฉันท่าร่วมกันถ้าทั้งคู่เต็มใจก็ไม่ใช่ไม่บาปนะาบาปน้อยหน่อยนั่นเอง <c oughs> เมื่อคนทั้งสองมีฉันท่าร่วมกันการเมสุมิชชาจานชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะกิเลสและความพยายามอ่อนชื่อว่ามีโทษมากเพราะกิเลสและความพยายามแรงกล้าแล้วแต่กําลังของกิเลสในขณะนั้นนั่นะ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 สุดท้ายนี้ไม่น่าปรารถนาเลยนิระยะนิระยะแปลว่าไม่เจริญไทยๆใช้คําว่าเข้าใจดีอะเนาะก็คือนรกเป็นที่สีอ่อะนะไม่สนุกเลยเนะี่ยนึถึงพระนร น, นท่านว่านะโอ้ยข้าพเจ้าทํากรรมในสมัยนั้นเหมือนกับคนไม่รู้จักตายก็าว่างเพลินสนุกหน้าดูเลยนะเหมือนกับตายไม่เป็นอ่ะเวลามันให้ผลเนี่ยกรรมประเภทนี้มาถูกตอเนี่ยมันสนุกที่ไหนอ่ะเนาะ <c oughs> กรรมชั่วไม่ทําเสียเลยดีกว่า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 วัตถุที่ไม่ควรเกี่ยวข้องถ้าผู้ชายก็ไม่ควรเกี่ยวข้องกับหญิงยี่สิบประเภทหญิงสิบสองประเภทก็ไม่ควรเกี่ยวข้องกับชายอื่นและก็สองตัสมิงสวนณจิตตังมีจิตคิดจะเสพในอคนัมภิญาวัตถุนั้นและก็สามเสวนปโยโคพยายามเสพสี่มัคเณมะคะปฏิปฏิอธิวาสนังการยังมักให้ถึงมักอันนี้ไม่ใช่มักกับปัจจัยนะมักอันนี้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 ใครสมาทานศีลข้อนี้เจ๋งๆเนี่ยหวังผลได้เลยเนาะหนึ่งวิคตับปจัจจทิกตาความเป็นผู้ปราศจากค่าศึกก็ใช่อยู่แล้วอเนาะคนที่ไปแอบยุ่งหลังครัวชาวบ้านเขามันยังไงศัตรูก็ต้องเยอะอยู่แล้วอะ่ะใครชอบบ้างอ่ะเนาะลูกใครใครก็รักลูกเมียใครใครก็หวงแหนอ่ะเนาะที น, นี้คนอื่นที่ไปคิดเป็นอย่างอื่นอะ่ะไปทําอย่างอื่นกับสิ่งที่เขาหวงแหนเนี่ะมันก็ต้องประกาศศึกกันหน่อยใช่ไหม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 สนนะามอณฑรณวัฏถัตชาธนาทีนังลาพิตาความเป็นผู้มีปกติได้ของต่างๆเช่นข้าวน้ำผ้าและวัตถุเครื่องปกปิดก็คือได้ของใช้เยอะถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีก็ข้าวของเครื่องใช้ก็มีเยอะหน่อยสี่สุขสุปณะตาหลับสบายผิดศีลข้อนี้ก็นอนไม่หลับอย่างที่ว่าไปแล้วก็ห้าสุขปฏิพุทธชนาตาตื่นขึ้นมาก็สบายหก อะายะพยะวิโมกข์โหการพ้นจากภัยในอบายโอ้หมันคาถาปิดนรกอย่างดีเลยนะปฏิบัติตามนี้ได้เนี่สบายเลยนรกไม่ได้แอมนระกต่อไปนะอิทีภาวะนปุงสกะภาวานังอภัพปตาความไม่ควรแก่การเกิดเป็นหญิงและเป็นกระเทยนี้ถ้าเป็นชายอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะได้ไปเป็นกะเทยสบายเลย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 แต่รักษาศีลข้อนี้ดีไม่ระแวงบางคนนี่ระแวงนะผว้าอยู่ตลอดเลยก็คือเคยไปทําให้คนอื่นผวาไว้นะแ ต, ตัวเองก็ผวาวบ้างต่อไปก็อโปโสดุสกตาความเป็นผู้มีความขนขวายน้อยคือไม่ต้องลําบากอะไรมากนะักต่อไปก็สุขาวิหารตาความเป็นผู้อยู่อย่างสบายอยู่อย่างเป็นสุขแล้วก็อะปุตโตพยตาเป็นผู้ไม่มีภัยจากที่ไหนๆไม่ต้องหวั่นภัยเลย แล้วก็ปิยวิปปโยคาภาวะความเป็นผู้ไม่มีการพลัดพรากจากของรักเพราะว่าเราก็ต้องนึกนะว่าศีลประเภทนี้ถ้าผู้ใดไปล่วงละเมิดก็ทําให้คนนั้นนั้นก็พลัดพรากจากของที่เขารักอนะสมมุติว่าปัญหาการแตกแยกส่วนหนึ่งก็คือมักเป็นบุคคลที่ที่สามเข้าไปครอบครัวก็แตกแยกอันคนที่ทําเหตุประเภทนี้ไว้เวลากรรมประเภทนี้ให้ผลก็ต้องแตกแยกเป็นต้นศีลข้อนี้รักษาให้ดี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 เ น, นื่องจากบุตรที่ขโมยของบิดามารดานมีโทษมากเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าถ้าจะเอาของได้กัน้อยก็เอาเถอะนะเอาบอกทีหลังก็ได้ถ้าลืมไปก็คงไม่เป็นไรอย่างนี้ได้ป่ะครับผมครับคือถ้าคิดลักน่ะนะก็เหมือนกับสมมุตินะปาณาติบาศกับพ่อแม่บาปมากไหมใช่ไหมอธินนาทานกับพ่อแม่จะไม่ให้บาปเลยเหรแต่ถ้าสําคัญว่าคือสําคัญว่าท่านไม่หวงแหนน่ะนะถ้าเราสําคัญอย่างนั้นก็ไม่บาป ใช่ไหมก็เอาองค่ามาจับสิใช่ไหมเรารู้ว่าพ่อแม่ห่วงแห็นไหมเราจิตคิดจะรักของท่านไหมอะไรไหมก็เอาองค์พวกนั้นมาจับใช่ไหมแต่เราคิดว่าเออเรามีส่วนอะ่ะถ้าคิดว่าเรามีส่วนก็ก็ชื่อว่าไม่ชื่อว่าเป็นอธินาทานยังไงยิ่งยิ่งอาจจะมีโทษใช่ไหเหมือนกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ลูก็เออหนีไปเถอะเหมือนกับปานาติบาตใช่ไหมคือขอให้คิดในสิ่งที่ไม่ดีกั บ, กบท่านอ่ะนะก็มีโทษการคิดดีๆกับ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 ในทานกุศลอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยคือเราบอกเขาก็ไม่เขาก็าไม่รับไม่รับรู้แล้วเงี้ยเอาไปบริจาคแทนเขาอ๋อนี่เราก็ไม่ได้คิดเป็นอาทินาทาน น, าน่าจะเป็นกุศลไดเ้เป็นเป็นจริงปนก็คือเหมือนกับทรัพย์สินของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมซึ่งท่านก็พูดไลายไม่ได้แล้วะเราก็ไปทําบุญแทนท่านอ่ะนะะทําบุญแล้วก็ยกให้ท่านะนะั่นแหละอันนี้ก็ไม่ไม่ชื่อว่าเป็นลักษณะของอาทินาทานอะไร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 ขณะสายก็ผ่านไปขณะบ่ายขณะค่ายามกลางคืนเราก็ปล่วันเวลาให้ล่วงเลยไปจากวินาทีก็เป็นนาทีจากนาทีก็เป็นไล่ไลนาทีจากไล่ไล่นาทีก็เป็นชั่วโมงจากไล่ไล่ชั่วโมงก็เป็นกลางคืนและกลางวันจากกลางคืนกลางวันก็เป็นสัปดาห์จากไล่ไล่สัปดาห์ก็เป็นเดือนจากเดือนก็เป็นฤดูสามฤดูก็นับเป็นหนึ่ง ในรอบสิบปีเขาเรียกว่าทศวรรษนี่เราก็เปลี่ยนผ่านไปในทศวรรษเนี่ยนะหลายๆทศวรรษนี่ก็ล่วงเลยเป็นวัยชีวิตของหลายท่านก็ผ่านปฐมวัยมาแล้วก็เข้าสู่มัชชิมวัยของอรรมานี่เข้าสู่มัชชิมวัยแต่หลายท่านเข้าสู่ปัชิมวัยวัยสุดท้ายอันส่วนใหญ่ขณะวันเวลาเราก็ผ่านให้ล่วงเลยไป คือขณะวันเวลาที่ล่วงเลยไปนั้นเรานึกว่าไม่สูญเสียถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องกุศลอกุศลเนี่ยเราดูเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตคุ้มแล้วละ่ะสำหรับชาตินี้ถือว่าหลายท่านบอกเ อ, อ้คุ้มค่าละคุ้มค่าหรือขาดทนนี่ก็ไม่รู้เพราะว่าเราเดินทางมาเนี่ยนะบุญบาปมีไหมมีมันก็มีทั้งร่องรอยแห่งบุญและตราแห่งบาป ที่ติดตามตัวเราไปเก็บเล็กผสมน้อยถ้าถ้าเรามองชีวิตของเรากระชาติเนี่ยนะประมวลชีวิตมาตั้งแต่อายุน้อยๆจนมาถึงทุกวันเนี่ยสะสมมาก็ไม่ใช่น้อยแล้วส่วนใหญ่สิ่งที่สะสมนี่ก็เราเองไม่ปรารถนาผลของมันเลยก็เหมือนกับพวกพืชปลูกผลไ ม, มอ้อ่นะชาวสวนเนี่ยนะไอ้ที่ปลูกปลูกผ่านมาเนี่ยไม่อยากให้มันออกผลเลยอ่ะแต่ละพันุ์แต่ละพันธุ์ที่ลงลงไปใช่ไหม ลงอะไรบ้างที่ปลูกลงไปเนี่ยพันุแต่ละอย่างนะมีหนามทั้งนั้นเลยลูกก็กินไม่ได้คันอีกต่างหากเช่นต้นน้ําเกลี้ยงทางอีสานแค่มีต้นไม้ต้นน้ําเกลียงมีลักษณะคล้ายมะม่วงคนแค่เดินผ่านเฉยๆนะถ้าคนแพ้เนี่ยนะจะออกเป็นตุ่มหมดเกือบเต็มตัวเลยจะมีน้ําน้ําเหลืองไหลๆเลยเครียกว่าต้นน้ําเกลี้ยงคนที่แพ้จะเป็นอย่างนั้นหรือว่า บางคนเนี่ยพระองค์หนึ่งท่านไม่ได้ใส่รองเท้าท่านก็เดินตามท้องนาทำอะไรเนี่ยไปเหยียบไอ้ต้นน้ําเกลี้ยงเข้ามันก็บาดพอมันบาดเนี่ยเป็นแผลเป็นน้องก็เป็นอย่างนั้นฉั้นคนส่วนใหญ่ที่เพาะปลูกบุญเพาะปลูกบาป ท, ทางไหนบ้างโยมทางกายทางวาจาและทางใจท่างการเกิดมานับคําพูดได้ไหมยเยอะเนาะ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 แต่ถ้าหากว่าเจตนาในชวนะเลยเนี่ยนะสําหรับผู้ที่ให้เฉพาะชาติเดียวเท่านั้นคือชาตินี้เท่านั้นคือบุคคล น, นั้นต้องเป็นพระอาหา ร, รหันต์พระอรหันต์เนี่ยชาวนะของท่านเนี่ยนะหลังจากจุติไปแล้วเนี่ยชวนะหรือเจตนาเหล่านั้นจะไม่ให้ผลอีกต่อไปชาวนะเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีผลแล้วแต่ว่าตราบใดที่ยังมีรูปนามขันห้าชาวนะในอดีต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 แล้วอีกบางคนเนี่ยนะคือถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็อีกประมาณเจ็ดชาติอากุศลวิบากสามารถที่จะให้ผลได้อีกเจ็ดชาติแต่ถ้าเป็นพระสกอาทาคามีก็ชาติสองชาติถ้าเป็นพระนาคามีเนี่ยอกุศลวิบากจะให้ผลได้น้อยเต็มทีเพราะท่านไปเกิดในพรมชั้นสุดท้าวาดส่วนปุตุชนทั้งหลายไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรรับรองแม่แต่อย่างเดียวว่าเราจะสุขไปอีกสักกี่วัน จะมีให้อิ่มไปอีกกี่มือ้อเราก็ไม่รู้จะมีให้เห็นไปอีกกี่ครั้งรู้ไหมจะได้ใช้ตาของเราไปอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีจะใช้หูไปอีกกี่ครั้งคิดว่าจะได้ยินเสียงไปอีกกี่ครั้งนะคุณบุญชูหูไม่ค่อยดีอนะ่ะเนาะเล่นงานเรื่อยอ่ะเนี่ยเป็นโทษของวัตตักรมนเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้หาความมั่นคงถาวรไม่ได้แม้แต่อย่างเดียว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 ไม่ควรประมาทในทวารหูที่เราได้ยินไม่ควรประมาทในทวารจมูกที่เรารู้กลิ่นไม่ควรประมาทในทวารลิ้นที่เรารู้รสไม่ควรประมาทในทวารกายที่รับกระทบโพธิภพไม่ควรประมาทในทวารใจที่คิดนึกเถ้าไม่ประมาทนี่เป็นอย่างไรอย่างไรเชื่อว่าไม่ประมาททางตาอย่างไรเชื่อว่าไม่ประมาททางหูเป็นต้น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 เทวทษสูตรดูเนาะข้อความในมัชฌิมนิกายอุปริปันาตข้อห้าร้อยี่ว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีกรุงสาวัติสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรเรียบที่สูทั้งหลายว่าดูความพิสูทั้งหลายพิสูตเหล่านั้นก็ทูลรับพระดารัสแล้วช่วงอ่านต่อไปนะ จะอ่านแบบคร้าเ ค, าเคากับอัตถกถาด้วยเพราะฉะนั้นเอ๊ะทำไมท่านอ่านอ่านยังไงเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนะอาจะไม่อ่านตามพยัญชนะทั้งหมดก็คือแสดงว่าอ่านแบบอธิบายเพราะว่าในอัตถกถาเนี่ยมีคําอธิบายอยู่ด้วยทีนี้จะเปิดสลับไปสลับมานั้นให้โยมเปิดตามเนี่ยเป็นการชักช้าซึ่งเราสา ม, มารถที่จะไปอ่านทบทวนได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือน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 เราย่อมมองเห็นมูสักกำลังจุติจุติแปลว่าตายแล้วกำลังอุบัติแปลว่าปฏิสนธิที่เลวก็คือพบที่ไม่ดีะนะประณีตก็คือพบที่ดีมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์สา ม, มงามกับไม่งามนั่นเองได้ดีตกยากด้วยที่พรจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์อันพระองค์เนี่ยมองเห็นเหมือนกับ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 อันส่วนหนึ่งก็มาจากผลของบุญเนี่ยเนาะพราะฉนที่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือเป็นร่องรอยแห่งบุญเป็นตราแห่งบุญแม้แต่เราเองก็เป็นตราของบุญเอาอีกไหมจากย้อนรอยหรือเปล่าก็ให้รู้ว่าหน้าภูมิใจเหมือนกันเนาะ เ, เรานี่ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากนะเป็นผลของบุญเน่ะแสดงว่าชาติที่แล้วทํากรรมดีไว้แน่เราก็ไม่ได้บาปบริสุทธิ์อะไรเนาะทํากรรมดี เอ้หลายท่านก็ตระกูลสูงด้วยก็แสดงว่าบุญประเภทอ่อนน้อมด้วยบางคนก็ฐานะดีก็แสดงว่าเป็นผู้มากในทานบางคนก็มีผิวพรรณดีเป็นต้นก็แสดงว่าไม่ค่อยโกรธแสดงว่าทำกรรมมาตั้งหลายอย่างที่ดีๆสัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตความชั่วทางกายวาจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเป็นมิจฉาทิฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอานาจมิจฉาทิฐิ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 สัตว์ผู้กาลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายธาุจริตวัจีทุจริตมโนทุจริตติเ ต, ต, ตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิกรรมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือพวกอกิริยาทิฏฐิปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปนั่นแหละเมื่อตายไปแล้วก็เข้าถึงอบายทุคติวินิบาดนรกก็มีอันนี้พระองค์เอาสัพพัญยุตยานของพระองค์นะมาตรวจสอบตรวจเช็กด้วยและพระผู้มีพระภาคนั้นทรงได้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 ข้าแต่พระองค์บุรุษผู้นี้ไม่ปฏิบัติชอบในมารดาไม่ปฏิบัติชอบในสมัมเนไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์คือคําว่าสมเนพราหมณ์นั้นเป็นนิมิตของผู้มีศีลมีธรรมนั่นเองผู้ประพฤตีผู้ปฏิบัติชอบว่า ง, งั้นไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลขอพระองค์จงลงอาทยาแก่บุรุษนั้นเถิดก็คือเขาชั่วสมควรที่จะลงโทษว่า ง, งั้นทีนี้คําว่านายนเรียบานเนี่ย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 องก็ตัดต่อไปว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายพยายมจะปลอบโยนเอาอกเอาใจไตาถามถึงเทวทูต ท, ที่หนึ่งกะสัต์นั้นว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูต ท, ที่หนึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นก็ทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าข้าเทวทูตก็คือเป็นทูตของเทวดานั่นแหละคขาบอกงั้นพยายมก็ถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญ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 ควรที่เราจะทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจก็คือเรายังเกิดนะมีความดีอะไรที่จะต้องทําอีกมั่งหรือว่าตอนเห็นเด็กเกิดเนี่ยไม่คิดอย่างนี้โอ้ได้หลานแล้วคิดตรงเข้ากัหมดเลยว่ะไม่ได้นึกถึงเราเลยนะไม่เหงาแล้วต่อไปเราได้ลูกไป้หลานแล้วสัตว์นั้นก็ทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้านะมัวแต่เพลินนะ่ะประมาทก็คือเพลิดเพลินในตามาคุณห้านั่นแหละ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 เพราะเหตุนั้นกุมารหนุ่มนั้นจึงชื่อว่าเทวทูตเด็กเขาก็เตือนเราอ่ะนะคล้ายๆก็บอกเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็คล้ายๆท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านะจะต้องเกิดอีกนะเมื่อท่านจะต้องเกิดเนี่ยท่านเตรียมสเสบียงอะไรมาหรือยังอย่างนั้นท่านทําคุณงามความดีทําบุญกุศลอะไรบ้างหรือยังนี่ก็เทวทูตที่หนึ่งเตือนแต่ว่าสัตว์นรกเหล่านี้ก็จําไม่ได้เห็นแต่ก็คิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดไรไม่ออกสักอย่างเลยนะ ก็เลยทําแต่ความชั่วไปทีนี้เทวทูตที่สองว่างง้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายพยายมนั้นครั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่าถามถึงเทวทูตที่หนึ่งกษัตริย์นั้นแล้วจึงปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่าถามเทวทูตที่สองว่าดูก่อนพ่อมาหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่สองปรากฏในหมู่มนุษย์หรือเห็นเทวทูตที่สองไหมสัตว์นั้นก็ทูลอย่างนี้ว่าข้าพระเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าข้า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 แต่ว่าอีกไม่นานเดี๋ยวท่านก็จะเป็นเหมือนเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทําความดีไว้ก่อนแต่ชะลานั้นจะมาถึงก่อนด้วยประการชนีดเหตุนั้นสัตว์แก่เท่านั้นจึงชื่อว่าเป็นเทวทูตเขาเตือนเราเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราหรอกเพี่งแตเตือนเราว่าอย่าประมาทนะก็มีโยมรู้จักโยคนนึงอายุประมาณเก้าสิบพอประมาณเก้าสิบไปแล้วเนี่ยถ้าให้ทานอาหารนะ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 ผิวหนังก็เปลี่ยนไปซ้ายตาก็เปลี่ยนไปหูก็เปลี่ยนไปทางธคมใช้คําว่าอินทรีย์เนี่ยถึงความชราอินทรีย์รูปภาษาทรูปจากขู่ภาษาท่าก็เสื่อมไปโสตตาภาษาทะาคานาภาษาทา่ชิวหาภาษาท่ากายาภาษาทะก็เสื่อมไปเมื่อภาษาทรูปเสื่อมไปจิตซึ่งอาศัยวัตถุรูปซึ่งเก่าคําค้ามันก็ไม่ค่อยมีคุณภาพเขาบอกว่า จิตนี้เป็นนามนธรรมแต่ถ้าหากว่ารูปไม่ดีนะจิตก็ไม่ผ่องใสด้วยก็เหมือนกับแสงแห่งไฟแสงแห่งประทิปตะเกียงก็เป็นตะเกียงที่ซ่อมซ่อน้ำมันก็สกปรกเลเอะเทอะไส้ก็เป็นไส้ที่ไม่สะอาดเวลาจุดแล้วก็ความสว่างนั้นก็ไม่สว่างดีฉันได้ร่างกายของสัตว์ทั้งหลายถ้าหากว่าประสาธรูปแต่ละอย่างสูญเสียไปสภาพจิตหรือมโนวิญญาณก็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 ควรที่เราจะทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นก็ทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าฆ่ามัวประมาทเสียเจ้าฆ่าไม่ได้คิดเลยอย่างนั้นมีหญ้ามียายกระเหมือนกัน แ, แ, แต่ก็ไมไ่เคยคิดอย่างนี้เลยอย่างไีนะของเราอย่าไปคืออย่าให้มันไปสายขนาดนั้นเลยนะไปเจอพญายมแล้วเพึ่งนึกคําตอบนี้ได้อย่าไปถึงขนาดนั้นเลยรีบคิดเอาไว้ตั้งแต่วันนี้เถอะพญายมกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมาหาจำเริญ ท่านไม่ได้ทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียเหล่านายนิริยาบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วมันท่านประมาทขนาดไหนเขาก็จะลงโทษตามสมควรแก่การกระทําของท่านนั่นแหละก็บาปรกรรมนี้นั่นแหลไม่ใช่มารดาทําให้ท่านไม่ใช่บิดาทําให้ไม่ใช่พี่น้องชายไม่ใช่พี่น้องหญิงไม่ใช่มิตรอมาตญาติสาโลหิตไม่ใช่สมณะพราหมณ์ทําให้ท่านแล้วก็เทวดาก็ไม่ได้มาทําให้ด้วยนะ จะไปโทษเทวดาไม่ได้อันบาปทั้งหมดท่านนั่นแหละตัวท่านนะ่ะทําเองเข้าไว้เพราะฉะนั้นท่านจากเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นอันเทวทูตที่สองเนี่ยวันนี้โยมเดวิมมาจางเกตสุดาเล่าให้ฟังไม่ไม่ไม่แนวนี้เลยอ่ะคนละอย่างเนาะบอกว่าความคิดแบบลวกๆอย่างหนึ่งความคิดแบบทางธรรมก็อย่างหนึ่งเอาเอาไว้เผื่อทั้งสองทางเลยเนาะประโยชน์โลกนี้ก็ไม่เสียประโยชน์โลกหน้าก็ไม่ไม่หายนะแล้วก็ ไม่ประมาทประโยชน์อย่างยิ่งคือนิพานด้วยเนาะดูการพิสูจนทั้งหลายพยายมนั้นครั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจใตาถามถึงเทวทูตที่สองกษัตริย์นั้นแล้วจึงปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่าถามถึงเทวทูตที่สามว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่สามปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นก็ทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าข่าสัตว์นี้ก็ไม่ฉลาดเลยเนาะ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 ควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจก็บอกว่าไม่อาจเจ้าข่ามัวประมาทเสียที่จริงคนเจ็บป่วยนั้นเขาก็เป็นเทวทูตเขาก็คอยตักเตือนเราว่าสัตว์ผู้เจ็บไข้เนี่ยกล่าวอย่างนี้โดยเนื้อความว่าผู้เจริญพวกท่านจงดูแม้เราก็เป็นผู้ไม่มีโรคเหมือนท่านเรานั้นบัดนี้ถูกพยาธิความเจ็บไข้ครอบงา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 ท่านจงดูท่านจงทําความดีไว้ก่อนแต่พยาที่จะไม่มาถึงรีบทําคุณงามความดีไว้นะไม่ใช่ป่วยแล้วค่อยคิดได้อ่ะยอมรับคน ท, ที่ที่รู้จักกันนะเต็มทีแล้วอ่ะเจอพาแล้วก็โอ้ยไม่รู้จะทําอะไรได้อ่ะนะล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็จะไปแสดงธรรมให้คนอายุมากแล้วฟังว่างั้นใกล้จะตายแล้วก็บอกว่าถามเขาก่อนว่าเขาเคยฟังธรรมไหมเขาตั้งแต่เกิดมาก็บอกไม่เคยเลยอ่ะ เราเนี่ยโอ้ไม่นิมนต์เราก็ดีแล้วไม่รู้จะไปสวดคาถาบทไหนก็ไม่รู้พูดไม่ออกแน่เพราะถ้าหากว่าเขาไม่มีจิตใจฝักฝ่ายด้านนี้ไว้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าพระจะไปเตือนสติได้อย่างไรอย่างในน้อยที่สุดให้เขาสมาทานศีลบางคนไม่เห็นคุณค่าของศีลอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียว่ไม่รู้จะไปให้เขาสมาทานได้อย่างไรวันวา น, นาสลดสังเวชใจแล้วก็คนที่เป็นลักษณะนี้ก็ไม่ใช่คนสองคนด้วยเนาะแทบทั่วโลกเป็นลักษณะนั้น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 เงาพวกเนี้นะส่วนใหญ่ถามว่าพอใจในสภาพแบบนั้นไหมถ้าไม่พอใจในสภาพแบบนั้นอันนั้นก็เป็นลักษณะของโทสะอย่างหนึ่งเหมือนกันเงาหง่อยเหมือนกับคิดถึงใครสักคนแล้วไม่ได้เจอเลยอะไรเงี้ยนะเครียดอะไรเกันนั้นกิเลสผู้เพศนั้นเป็นสายโทสะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษควรเจริญไหมไมควรเจริญนักษาทุกต่อไปอย่าไปปล่ยความคิดแบบนั้นให้มันเกิดเนะี่ย ถ้าเราศึกษาพระธรรมเข้าใจจริงๆนะเราจะไม่มีเวลาว่างเลยไม่มีเวลาเหงาด้วยรู้สึกว่าเวลา24ชั่วโมงมันจะน้อยไปที่จะนังคารพูดพฤหัสศุกเสาวถอิตโอ้วนว น, วนมันเร็วจังไม่รู้ใหม่ๆแรกๆเล ย, เ, ยเวลานี่มันช้าตอนหลัง เ, เวลานี่มันเร็วแล้วเกิดจะทําไ้นั่นเอ้าเวลานี่เข้ามาใหม่แล้วสลับ24ชั่วโมงเนี่ยดูจะน้อยไปเหมือนกัน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 ถึงของนั้นจะมีมากขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่ได้ทำให้บุญมากอะไรแต่ว่าของน้อยก็ไม่ได้ทำให้บุญลดน้อยแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นบุญจริงๆก็อยู่ที่สภาพของของจิตซึ่งมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่คือไม่มีดวงใดที่เกิดพร้อมกันทั้งสามสิบแปดดวงแต่ก็พูดแบบรวมๆ ว, ว่ามหากุุลนั้น่ะมีเจตสิกประกอบ สาสิบแปดวงมันมีการยักย้ายถ่ายเทตามสมควรแต่ว่ากุศลดวงหนึ่งไม่เกินสามสิบหกดวงแต่หมายถึงในโสดาปัติมรึกนะสามสิบหกดวงแต่ถ้าจิตธรรมดานี่จะต่ำกว่านั้นไปวีรรตีกับอปปมัญญาเนี่ยเกิดเป็นครั้งคราวปัญญาก็เกิดเป็นครั้งคราวเพราะฉะนั้นเจตสิก ค, คือวีรรตีสามอปปมัญญาสองปัญญาหนึ่งเนี่ยนะเจตสิกหกดวงนี้ไม่ได้เกิดแน่นอน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 เกิดเป็นครั้งคราวไม่แน่นอนอันส่วนทั่วไปนั้นที่เหลือก็จะเกิดแต่ถ้าหากว่ากุศลนั้นเป็นอุเบกขาปีติก็ไม่ไม่เกิดปีติก็ไม่เกิดมันก็ค่อยๆหักไปตามนั้นไปแต่ถ้าพูดแบบรวมๆก็สามสิบแป ด, ดวงเรียนเรื่องเทวทูตก็อย่าลืม ม, มาพิธามแล้ล่ะมีฉัยไปมาอิ้มเป็นยังไงกันแน่นะถ้าหากว่าเราสงเคราะห์ทั้งพระพิธามทั้งพระสูตรลงมาไม่ได้ ศึกษาพระธรรมก็ก็ไม่เป็นไรนะศึกษาต่อไปไม่เลิกสักความหนึ่งก็ได้นะเนาะเพราะว่าบาประกรรมนี้ไม่มีใครทําแทนกันได้เนาะบุญก็ไม่มีใครทําแทนกันเพราะฉะนั้นทําอย่างไ ร, รกุศ ล, ลจิตจริงจะเกิดนั้นคนที่สามารถทําให้จิตเป็นกุศลได้คนนั้นแหละเรียกว่าคนฉลาดหรือเป็นคนที่ไม่ไม่ประมาทพระองค์บอกว่าคนที่ประมาทเหมือนกับคนตายแล้วอย่าให้ศพมันเดินไปเดินมาเปล่ า, าๆนะั่นวันน่ะ ดูก่อนพิสูนทั้งหลายพยยมครั้นปลอบโยน e เอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่สามกะสัต์นั้นแลจึงปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่สีว่าดูก่อนพ่อมหาจาเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่สี่ปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นก็ทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าค่ะพยยมก็ถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นพราชาทั้งหลาย ในหมู่มนุษย์จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงกรรมกรต่างชนิดบ้างหรือเขาลงกรรมกรอย่างไรเช่นโบยด้วยแฝ่เคยเห็นคนถูกเครียดไหมไม่เคยเห็นเคยได้ถูกเครียดอย่างนี้ว่าทำไมเด็กๆในวันไหนไม่ถูกเครียดในโหพิเศษแล้วเกิดเป็นพ่อเป็นแม่นะมีลูกแบบนี้เนะี่ยโหกุ้มใจน่าดูขนาดนะถูกโบยด้วยแฝ่บ้างถูกเครียดด้วยหวายบ้างแล้วก็ถูกตีด้วยตะบองฟันบ้าง ถ้าหากว่าบางประเทศเนี่ยเขาเอาขนาดนี้เลยคุณหมอยุพินเอาเอาสมอมาถวายวันก่อนก็บอกว่าสมอลูกนี้นะถ้าเป็นโบราณนะไข่เนี่ยไปเก็บลูกหนึ่งเนี่ยถูกเคียนห้าครั้งกขาบอกงั้นถูกตีห้าทีสมอลูกนัก่นแหละามีต้ น, ต, นต้นอายุประมาณร้อยปีแล้วในในเชียงใหม่เราเนี่ยแต่ต้นตรงไหนเนี่ยไม่ได้ถามแต่เป็นสมอที่กรอบก็ไม่น่าแนละ้วลูกอ้าหาักเคี่ยนห้าครั้งอะ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ก็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 หรือว่าหม้อเคี่ยวน้ําส้มหม้อเคี่ยวน้ําส้มนี่ก็คือพวกนี้ก็ประเภทนะ่ะเจาะกระโหลกอ่ะนะขอสังก็คือกระดูกขัดมนะันอ่ะเอากระดูกมาขัดให้มันเหมือนสังอะ่ะปากราหูปากราหูก็คือเอาเหล็กแดงๆเนี่ยยัดเข้าไปในปากแบบเป็นๆนั่นแหละมาลายไฟมาลายไฟก็คือเอาผ้ามาชุบอะ่ะชุบน้ํามันแล้วก็จุดเหมือนฮนุมานะ่ะ ใครฟังรามเกียรติ์บ้างรามาเกียรติ์ฮนุมานบอกว่าถ้าอยากฆ่าข้าพเจ้านะให้ท่านเอาผ้ามาพันพันตัวข้าพเจ้าชุบน้ํามันแล้วจุดไฟเผาเลยฮนุมานเขาแนะนําอย่างนั้นเสร็จแล้วฮนุมานเนี่ยแกล้งใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปเผากรุลงลังกาแต่นี้เนี่ยเอาน้ํามันมาชุบตัวแต่แล้วก็เผาอย่างไงเขาเรียกว่ามาไลาไฟส่วนครบมือนั้นก็คือเอาผ้ามาพันแขนผ้าพันแขนเสร็จแล้วก็จุดให้มันสว่างตลอด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 กรรมเนี่ยก็สมควรกับการกระทําบางทีก็แปลงแสบแปลงแสบก็คือเอาแปลงแปลงทองแดงแปลงลวดเนี่ยนะมาขัดอ่ะขัดไปทิง้งโขวักหนึงเข้าไปเนอะเลือดในไหลาอาบเลยเนะไม่อยากนึกกันนะหรือกลางเวียนกลางเวียนนี่ก็คือวนลิ่มกลางเวียนก็คือไงเอาให้นอนคว่ำลงใช่ไหมนอนตะแคงเสร็จแล้วเอาเหล็ก ย, วยาวๆนี่มาตอกลงไปแล้วก็ให้หมุนเหมือนนาฬิกา นั่นเขาเรียกว่ากลางเวียนส่วนต่างฟางต่างฟางนั้นท่านอธิบายว่าเป็นการอันนี้นึกคาอธิบายไม่ออกเลยส่วนไอ้ข้อยี่สมเนี่ยชัดนะ น, นะราดด้วยน้ํามันเดือดเวลาทอดอะไรสักอย่างหนึ่งนะน้ํามันมากระเด็นมาถูกก็หยดสองหยดนี่ก็แสบแต่ทีนี้ถ้าหากว่าน้ํามันเดือดเนี่ยนะแล้วมาตักอาบเหมือนน้เนี่จะว่าไงรถไปตรงไหนพองตรงนั้นเลยนะเนาะหรือว่าให้สุนัขทึ้ง ก็คือทับให้สุนัขเนี่ยมันกินสัต์เป็นๆ เ, เนี่ยนะเสร็จแล้วเอาตัวแบบตัวใหญ่ๆพันตัวใหญ่ๆเลยก็ให้มันกินทั้งคนเนี่ยหรือว่าให้นอนหงายบนหลาวทั้งที่เป็นๆที่จริงก็ตัวอย่างนะก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนนะเ้ามีเอาไม้เสตดาหรือว่าไม้ตะเคียนอันนึงเนี่ยมาลับแล้วก็เสียบถาวรหนนะักเหมือนกับเสียบมแมลงปองนะั่นอ่ะทิ้งไว้ไม่ตายนะโอ้โหบางคนนี่ยอยู่ได้เป็นครึ่งเดือนอ่ะ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 ไม่ได้ลงที่ต้นไม้แต่ที่เคี่ยนหรือฆ่าตัดเป็นต้นไม่ใช่ตัดต้นไม้ย่อมลงในสัตว์อย่างพวกท่านนี่แหละด้วยประการชนี้พวกท่านจงทําความดีก่อนที่เราจะลงโทษมันรีบทําบุญทํากุศลไว้เถอะเพราะผลกรรมประเภทเนี้ไม่ใช่ว่าจะพนน้นนะอย่างอย่างบางประเทศเนี่ยโหถูกทุบถู ก, ถ ก, ถ ก, ต, ถ ก, ถกตีถูกเคี่ยนถูกเตะถูกต่อยถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะแบบคนที่เที่ยวงานประเภทคล้ายคลกับงานวัดอย่างเงี้งยเวลาไปเที่ยวเนี่ยนะโหถูกรุมสะกรรมเนี่ยโยม คนละไม้คนละมือคนละตบคนละตับเข้าไปเนี่ยหน่วมไปทั้งตัวแหละปางตายนี่แหละโขาเนี่ยเกือบตายเลยก็มีแต่ทีนี้ทุกวันเนี่ยนะไม่ต้องให้ใครมาซ้อมเนี่ยมันก์สายมันซ้อมเองอะ่ะอันนั้นนานโครมไปเนี่ยหน้าบิดปากเบี้ยวจมูกแหว่งเลยแหละไม่ต้องใครลงโทษแล้วพราะฉนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าปรารถนานะแต่สัตว์ส่วนใหญ่พอเห็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรา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 พยายมก็ถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจําเริญท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายที่ตายแล้ววันหนึ่งหรือสองวันหรือสามวันขึ้นพองเขียวช้ามีน้ําเหลืองเยิ้มในหมู่มนุษย์เห็นปะ่ะวันที่โรงงานลําไยระเบิดตติมกันมานะเก็บเนื้อได้ดหลายก็สอบนะยองกันเราว่ามาแย่งเนื้อกันั้งตัวจดีอหรือป่าแ <c oughs> <c oughs> ย่งศบอ่ะีเคยเห็นไหมแบบนั้นอะ่ะเห็นนีทุกวันนเนอะแต่ก็ไม่ใช่เราอะ่ะ <c oughs> เลยไม่คิดอะไรใช่ไหม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 จึงบังเกิดบนสวสรรค์แต่เมื่อระลึกถึงตามธรรมดาของตนไม่ได้จึงถามเทวทูต ท, ทั้งห้าในเทวทูตทั้งห้านั้นบางคนระลึกได้ด้วยเทวทูตที่หนึ่งได้เหตสังเวทอย่างใดอย่างหนึ่งทาบุญนะนะบางคนระลึกได้ด้วยเทวทูตที่สองเป็นต้นคือบางคนที่สองที่สามที่สี่หรือที่ห้าส่วนผู้ใด ย, ย่อมระลึกไม่ได้ด้วยเทวทูตทั้งห้าพยายมให้ผู้นั้นระลึกได้เองได้ยินว่าอมตคนหนึ่งบูชามหาเจดีย์ด้วย หม้อดอกมะลิแล้วก็ได้ให้ส่วนบุญแก่พยายมทำบุญเสร็จก็อุทิศให้พยายมด้วยนายนเรียบาลก็นําอำมาตผู้เกิดในนรกเพราะอากุศลกรรมไปหาพยาลมเมื่ออมาตนั้นระลึกไม่ได้ด้วยเทวทษตทั้งห้าพยาลมก็ตรวจดูเองเห็นแล้วให้ระลึกว่าท่านบูชามาหาเจดีย์ด้วยหม้อดอกมะลิแล้วแผ่ส่วนบุญให้เราไม่ใช่หรือเขาระลึกได้ในเวลานั้นแล้วก็ไปสู่เทวโลก แต่ว่าพยายมแม้ตรวจดูเองก็ไม่เห็นดํริว่าสัตว์ผู้นี้จักเสวยทุกใหญ่จึงนิ่งเสียคือเห็นแล้วนี่ตกนรกแง่เลยเนะยช่วยไม่ได้ละคล้ายสามเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะช่วยเลยอ่ะเยียวยาไม่ได้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะให้สัตว์นั้นกระทำเหตุชื่อว่าการจองจำห้าประการจองจำห้าประการก็คือตรึงตะปูเหล็กแดงที่มือข้างที่หนึ่งก็คือ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 ไปเดินในทรายที่มันร้อนๆเนี่ยโอเท้านี่สุกเลยเนียพอระยะหนึ่งเนี่ยมันพองข้างในหมดเลยเดินเนี่ยเหมือนกับคนมีแผลเดินอ่ะเต็มเท้างั้นนีจ๊ทีนี้สัตว์นรกนี่ก็เหมือนกันอนะของเราเนี่ยมันเล็กน้อยแบบงั้นแต่ในนรกเนี่ยมันเรียกว่าไม่ได้อยู่กันึกภาพไม่ออกกันเนาะงานนิรยบาลจะให้สัตว์นั้นอ่ะปีนขึ้นปีนลงซึ่งภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่มีไฟติดทั่วลุกโพลงโชดช่วง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 บางทีก็ถูกต้มนั่นกับเป็นๆนั่นแหละเป็นมนุษย์เป็นๆเนี่ก็เอาเขต้มเหมือนกันนะแต่นี้ว่าบางคนเนี่ยอยู่ในโลกที่มันแคบๆไม่ได้มองรอบกว้างๆบางทีกบเขียดก็เหมือนกันเนี่ยบางทีเขาก็ต้มแบบเป็นๆนั่นแหละนั้นถ้าไปเกิดเป็นกบเป็นเขียดนี่ก็ลําบากเหมือนกันอันนี้ที่ว่าไปนี่มันยังไม่เท่าไหร่นะทตนี้มาดูมหานรกดูก่อนพี่สุทั้งหลายเหล่านายนรยาบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกก็มหานรกนั้น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 แล้วก็จดฝาด้านทิศประจิมทะลุฝานั้นไปข้างหน้าร้อยยอไฟนี่มันพุ่งจากทิศหนึ่งไปอีกทิศหนึ่งเหมือนกับไฟที่เขาตัดแก๊สอย่างนั้นอ่ะแม้ในทิศที่เหลือก็ในนี้แหละด้วยประการชนิดโดยส่วนยาวและส่วนกว้างโดยที่สุดของเปลวไฟมีประมาณสา8ร้อยสิบแปดยแต่โดยรอบๆมีประมาณเก้าร้อยห้าสิบสี่ยโดยรอบกับอุสทานนรกประมาณหมื่นยอดทีนี้มันยังมีนรกบริวารรอบข้างไปอีก แต่ว่าเขาเรียกว่าชั้นแกนกลางของนรกเขาบอกว่าบทว่าอุพตังตาที่สเมวะโหตินี้ความว่าไม่สามารถจะยกเท้าที่เหยียบจนถึงกระดูกให้มั่นคงได้ก็ในบทนี้มีอธิบายดังนี้ว่าถูกเผาไหม้ทั้งข้างบนข้างล่างด้วยประการชนิดในเวลาเหยียบปรากฏถูกเปลเวไฟเผาไหม้ในเวลายกขึ้นก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวอย่างนี้บทว่าพระโหสัมปัตโตก็อยู่อย่างนี้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 ท่านเรียกว่าระหว่างรห า, งหาเคลื่อนก็คือมันไม่มีระหว่างนั่นเองในนรกนั้นไม่มีระหว่างของเปลวไฟของสัตว์หรือของทุกหาช่องว่างของความทุกข์ไม่มีเลยและหาช่องว่างว่าสัตว์เนี่ยไม่ได้มันเอะอะัดเยีด ย, ด, ยดอยู่ในนั้นเหรอนาะโอ้มันก็อายุยืนยาวขนาดนั้นมันก็ตายไปทีละคนสองคนไปเรื่อยมันก็ไปเ อ, อ, เอนะอะเนาะเพราะฉะนั้นนรกนั้นจึงชื่อว่าอาเวจี เปลวไฟนั้นตั้งขึ้นแต่ด้านทิศตะวันออกของนรกนั้นก็พุ่งไปร้อยโยอดทะลุฟา้าข้างหนา้าร้อยโยอดแม้ในที่ที่เหลือก็ในยะเดียวกันโอ้มาได้ตรงนี้ได้เจอหลวงพ่อเราด้วยนะหลวงพ่อเทวทัตอยู่ตรงนี้แหละบอกว่าพระเทวทัตเนี่เกิดในถ้ำกลางเปลวไฟทั้งหกเหล่านี้เทวทัตมีอัตรภาพประมาณร้อยโยอดโอ้ตัวใหญ่มากเท้าทั้งสองเนี่ยเข้าไปสู่แผ่นดินนะโลหะแต่ว่าเป็นแผ่นเหล็กนะ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 แล้าออกจากฝาด้านทิศประจินคือตะวันออกก็ทะลุหัวใจผ่าด้านทิศประจิมนะเหล็กข้างทิศตะวันออกก็ทะลุมาทางทิศ ต, ตะวันตกแล้วออกจากฝาด้านทิศอุดรคือทิศเหนือเนี่ยนะทะลุซี่โครงไปจดุดฝาด้านทิศทักษิณคือทิศใต้พระเทวทัตนี้เป็นเช่นนั้นเพราะผลกรรมที่ว่าพระเทวทัตหมกไม่อยู่เพราะผิดในพระตถาคตผู้ไม่หวั่นไหวไปไ ป, ไปทํากับพระอรหันต์เข้า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 ก็บอกว่าเหมือนดีบุกอย่างนั้นแหละในที่นี้เราไปนับไม่ได้ว่าสัตว์เนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนับไปเถอนนับไม่ไหวเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเมื่อเดินยืนนั่งหรือนอนก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่มันก็ยัดเยียดอยู่ในนั้นแต่ไม่กระทบกระเทือนกันนะมันโอ้โหมันก็เหมือนกับคนไม่มีร่างนั่นแนะมันก็เดินทะลุ ก, กันได้แต่ก็อย่าคิดว่าสนุกนะความร้อนเนี่ยทุกขุมขนเนะี่ยเชื่อว่าเวจี v G, พระสัตว์ทั้งหลายยัดเยียดกันอย่างนี้ แล้วว่าในส่วนกายทวารจิตสหรคตด้วยอุเบกขาหกดวงย่อมเกิดขึ้นดวงหนึ่งสหรคตด้วยทุกขก็คือทางกายทวารเนีนึกถึงวิธีว่าปัญจทาาวาราวชนะจะเกิดก่อนปัญจทาาวาราวชนะเสร็จแล้วก็ทุกขากายาวิญญาณสัมปติชนะสันติระนาโวทพนะชวนะแล้วก็ตถารมณนะเขาบอกว่าปัญจทวาราวชนะคืออุเบกขาใช่ไหมสัมปติชนะอุเบกขาสันติระนาก็อุเบกขา มโนทวาราวัชนะหรือโวธฏพนธะก็อุเบกขาเวทนาส่วนในทุกขากายย่าวิญญาณเป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวไออุเบกขาเวทนาหกเหมือนไม่มีเลยเหลือแต่ทุกขบริสุทธิ์เลยนะเจ็บล้วนๆเลยก็บอกว่าไ อ, ไอเวทนาที่เหลือเหมือนเหมือนกับไม่มีอย่างนั้นมาเพราะฉะนั้นในอเวจีนรกเนี่ยเต็มไปด้วยทุกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นในในวิถีจิตทั้งหมดเนี่ยนะรับแต่ความร้อนอย่างเดียวเั้นจิตโทสะนี่ค่อนข้างมาก แล้วก็อยู่ในนรกเหล่านั้นถ้าอ่านอ่านพระไตรปิฎกนะถ้าเราใช้อัตระฐาเป็นก็จะดูสลับไปสลับมาแบบนี้ทีนี้ถ้าหากว่าตรงไหนยากๆก็ดูดีกาเพิ่มอีกจะมีคำพีอีกชั้นหนึ่งเรียกดีกาโดยกานพิสูน์ทั้งหลายเรานายนิรยาบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกก็มหานรกนั้นแหละมีสีม่มุมสี่ประตูแบ่งไว้โดยส่วนเท่ากาันมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็ก เพื้นของนรกใหญ่นะั้นล้วนแล้วด้วยเหล็กลุกโพลงแผ่ไปตลอดร้อยโยศดรอบด้านประดิษฐานอยู่ทุกเมื่อมั่นคงไม่หวั่นไหวเลยนะมันน่าจะพังมาได้ก็ดีนะบางแห่งค้ายๆกับว่าไอลาวาเนี่ยมันก็ไหลผ่านมาแถวนั้นนะดูกานพิสูนทั้งหลายและมหานรกนั้นมีเปลวไฟเนี่ย พ, พุ่งจาก ฝ, า ด, า, ดฝาด้านหน้าจดฝาด้านหลังพุ่งจากฝาด้านหลังจดฝาด้านหน้าไฟเนี่ยมันพุ่งเลย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 เสกขึ้นมาใหม่เนยราเมศโผล่ขึ้นมาเพิ่บรับกรรมต่อใหม่และในขณะที่สัตว์นั้นใกล้จะถึงประตูประตูนั้นจะปิดลงคือวิ่งไปเนี่ยนะจะให้ไปทันประตูเปิดใช่ไหมวิ่งไปถึงประตูมันปิดแบบคล้ายๆรีโมทอย่างเี้ยนะเหมือนกับประตูเคยเคยเข้านะในห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่เนี่ยนะพอเดินผ่าน ป, ประตูปั๊บเนี่ยมันจะเปิดให้ใช่ไหมไอ้นี่ไอ้ประตูนี้มันก็ประตูหลอกเหมือนกันพอวิ่งไปถึงปับ๊บไปเหยียบตรงนั้นปับ๊บมันก็ปิดแง่ เ, เรียบร้อยเลยออกไม่ได้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 แต่ว่ามหานรกนั้นแลมีนรกเต็มไปด้วยคูดใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านคายออกมาเนี่ยส้วมเต็มทลักแถวนั้นนีงนะสัตว์นั้นก็จะตกไปในนรกคูดนั้นและในนรกคูดนั้นแลมีหมูสัตว์เนี่ยปากดังเข็มคอยเชือดเฉือนผิวก็บอกว่าปากเหมือนเข็มเลยว่าตัวก็เน้องๆ้ช้างแล้วแหละแล้วก็เชื้อเฉือนหนังแล้วก็เชือนนเฉือนเนื้อเชื้อเฉือนเอ็นเชื้อเฉือนกระดูกแล้วกินเยื่อในกระดูก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 สัตว์นั้นจะตกลงไปในนรกเท่าเรึงนั้นสัตว์นั้นย่อมสเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ใน น, นรกเท่าเรึงนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปรกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูความพิสูจทั้งหลายและในนรกเท่าเรึงนั้นยังมีป่าไม้ยิ้วใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านผ่านนรกนั้นไปอีกก็จะมีป่าป่าไม้นึกว่าจะเย็นอนะ่ะเนาะเป็นแต่เป็นต้นยิ้วต้นเนี่ยสูงชลูดขึ้นไปโยอหนึ่งมีหนามยาวสิบหกองคุลี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 นายนิยาบานควรเออที่น่าสงสารเราบ้างะนะนายนิยาบานเนี่ยนะไม่สงสารเหมือนกับคนผ่าปลานั่นแหละขณะที่ผ่าปลาในีท้องปลาเนี่ยสงสารมันไ้ยไม่ฉันใดอะนะก็พอกันนั่นแหละดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรานายนิยาบานจะกล่าวกับษัตรว์นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจําเริญเจ้าต้องการอะไรสัตว์นั้นจะบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าระหายเจ้าข่าระหายก็คือกระหายนั่นเอง เหล่านานิกาบาจึงเอาตะขอเหล็กร้อนมีไฟติดทั่วลุกโพรงโชคช่วงเปิดปากออกแล้วก็เอาน้ําทองแดงร้อนมีไฟเนี่ยติดทั่วลุกโพรงโชคช่วงกรอเข้าไปในปากน้ําทองแดงนั้นจะไม่ริมฝีปากบ้างปากบ้างคอบ้า ง, างท้องบ้างของสัตว์นั้นพาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางส่วนเบื้องล่าง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 อย่างเช่นเหมือนกับชาติก่อนที่จะมาเป็นพระเตมีใบ น, นั่นก็เพิ่งพ้นมาจากนรกแล้วก็ชาติที่ในอดีตอดีต อ, อ่ะเหมือนที่เราเรียนเรื่องในอปทานนะใช่ไหมนั่นก็ไปนรกมาเป็นพันๆปีอ่ะแล้วก็กลับมาอีกนั้นอกุศลก็ยังตามมาให้ผลแม้กระทั่งตอนที่เป็นพระผู้มีพระภาคแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ถือมั่นหลุดพ้นในธรรมะเป็นที่สิ้นชาติชราและมรณะได้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 นายนิยาบานไปอยู่ที่นั่นก็ตัวเองก็ไม่ได้สนุกอะไรไม่ใช่ว่านายนิยาบาลเนี่ยหนังเหนียวใช่ไหมนรกไม่ร้อนมันก็ร้อนเหมือนกันนี่นแหละแต่ว่าเป็นลักษณะแบบประเภทพวกคลุมทั้งหลายแหละนะ่นะอาจเขาอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำไมวีรติเจเจสิกถึงข้าวไม่สม่าเสมอเรียและเหตุใดที่ไม่ข้าวนะคะก็จะได้หาทางแก้ไขตรงนั้นเพราะไม่คิดวันนี้คิดถึงศีลกี่ครั้งแล้ว เออทานตั้งแต่เช้ามาคิดเรื่องศีลกี่ครั้งแล้ว <_ an> เขาบอกว่าถ้าต่อว่าไม่คิดเลยเออนั่นแหละศีลมันก็ไม่เข้าเหมือนกันน่ะไม่คิดถึงก็ไม่เข้าอะ่ะถามว่าทําไมไม่คิดอ้าวก็ทําไมอ่ะนี้ ก, ก็ไม่รู้จะถามใครแล้ว <_ an> ก็คือแง่าปารลบไงแง่าปารลบว่าปารลถึงศีลไงสมมติว่าปารลบว่าศีลก็คือหนึ่งสมาทานกับสามปฏตะปารลในหนึ่งก็คือเออเราได้ล่วงข้อไหนบ้างใช่ไหมปารลบในแง่นี้หรือว่าถ้าไม่ล่วงก็ เออรักษาต่อไปนะสมาทานให้มั่นคงอีกค่ะค่ะก็ตอกย้ำในในกุศลอันนี้บ่อยๆก็คืออย่างน้อยที่สุดให้เช้าเย็นก็อย่างนี้ตอนเช้ามาก็ปารพบน่อยก่อนนอนก็ปารพบอีกครั้งหนึ่งถ้าไหนร่วงละเมิดไปแล้วก็เอาใหม่สมาทานใหม่ก็คือถึงเสียใจไปก็มันก็ผ่านไปแล้วอ่ะอกุศลมันก็ดับไปแล้วอ่ะทัานไม่ควรที่จะไปพะวงในลักษณะให้เฝ้ามองแต่ทีนี้พยายามปารพบ่อยๆ คือปารลในลักษณะนี้บ่อยๆเราก็ได้เจริญกุศลธรรมส่วนอื่นๆถ้าหากว่าเราเจริญได้ดีก็ปารลบถึงความไม่ขาดไม่ดังไม่พร้อยไม่ทะลุในศีลของเราเศรษที่เหลือเราก็จะได้ปารลบกุศลส่วนอื่นๆ น, น, นะเช่นการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์หรือว่าพิจารณาธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งถ้าหากว่าผู้ที่ปารลอย่างนี้บ่อยๆนะจะทําให้ปารบลบกุศล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 อ่านแล้วมีความสุขก็จำสูตรนั่นแหละแล้วก็คิดถึงสูตรนั้นบ่อยๆถึงพระพุทธพจน์เหล่านั้นบ่อยๆอันชีวิตของเราขนาดนั้นก็เชื่อว่ามีสาระมีที่พึ่งแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะเราก็สาธุกระแสมีตั้งหลายอย่างนะกระแสไหนมีคำถามอีกไหมสังเกตดู ว, วันนี้นะครับไม่มีใครง่วงหรอก <laughs> มันร้อนนอะน่ากลัวที่สุดโดยเฉพาะกรรมกรนั่นแหละ ยี่สิบหกข้อนะคที่ไม่น่ากลัวก็มีอีกสองอันนั้นนะข้อหนึ่งกับข้อยี่สิบหกตรงนั้นน่ากลัวทำนั้นเลยถูกเคี่ยนนะ่ะไม่น่ากลัวก็ยังดีกว่าถูกตัดโ <c oughs> อหอะไรโอยถูกเคี่ยนก็คือฟังพระสูตรนี้นะครับคิดว่าคงจะต้องเตรียมตัวตอบคําถามให้แก่พยาโยมต่อไปนะครับคือถ้าหากว่าคนที่มีบุญมากนะไม่ต้องผ่านนำนักพยาโยมนะสมมุติถ้าหากว่าก่อนตายนะมีคตินิมิต ท, ที่ดีใช่ไหมกรรมกรรมนิมิตคตินิมิต ท, ที่ดีปั๊บเนี่ยนะ จุติ ป, ปตั๊บปฏิสนธิที่เทวโลกชั้นใดชั้นหนึ่งเลยไม่ต้องไปให้พญายมซักฟอกอะไรหรอกที่ซักฟอกนี่ก็คือไอ้บุญกับกรรมเนี่ยนะไอ้กรรมที่มันชัดๆก็ไม่ไม่ชัดอะ่ะไอ้บาปที่ใหญ่ใหญ่มันก็ไม่มีชัดๆัดอะไรบุญใหญ่ๆก็ไม่ได้ทําอะไรอกีกทีนี้พอไปอยู่อย่างนั้นปั๊บเนี่ยนะทีนี้ไอ้กรรมที่เป็นอปราคาปริยะเวทนียกรรมอะ่ะชาวนะดวงที่สองถึงดวงที่หกในอดีตนะมันรีบขนมาให้เลยอ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 ท่นคนที่รีบพ้นมาจากนั้นเลยนะสมมติว่าไปนรกปุ๊บพ้นมาเลยก็คือคนนั้นเนี่ยบุญค่อนข้างมากคือเขาก็ทำทั้งบุญทั้งบาปใช่ไหมพอบาปเนี่ยให้ผลไปอยู่ในนั้นก็อยู่ไม่นานก็พ้นมาคืนเสร็จก็สปีดหมายอะไเร่งเครื่องหนีแต่ทีนี้กรรมไปอบายก็ดูว่ากรรมไปอบายอะไรบ้างล่วงกรรมบกฏไหมกายกรรมสามมจีกรรมสี่มโนกรรมสามนั่นแหละกรรมที่ให้ไปสู่อบายไอ้ส่วนกรรมที่เหลือเนี่ยมันไม่ให้ผล น, นําเกิดแต่ให้ผลใน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 ก็คือท่อดื่มสุราเนี่ยไม่ผิดกฎหมายด้วยเนาะถือว่าเป็นความถูกต้องด้วยกินเลี้ยงที่ไหนถ้ามีการดื่มสุราและเมรยัยที่นั่นก็ถือว่าเป็นความถูกต้องแต่ถ้าไม่มีสุราและเมรัยเป็นต้นเนี่ก็ชื่อว่าไม่ค่อยถูกกันเนาะมันขาดไปทั้งอย่างหนึ่งเป็นค่านิยมซึ่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยอมรับไปแล้วแต่ว่าเวลามันให้ผลเนี่ยแมมั น, มนไม่สนุกเลย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 อหนึ100่งร้อยกว่าบาทวันหนึ่งสิบกว่าเม็ดพันกว่า บ, บาททีนี้วันหนึ่งเป็นสิบสิบเม็ดเนี่ยเม็ดละร้อยกว่าบาทเนี่ยโเวลาไม่มีอ่ะทําไงอะไม่มีนี่บางคนถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่เลยบางคนเนี่ยเส้นกว่าจะออกได้เนี่ยหุดหิดแล้แล้วก็ในยาบ้านเนี่ยส่วนใหญ่มันมีสารยาฆ่ า, มาแมลงเป็นของที่มีโทษทั้งนั้นเลยอ่ะส่วนหนึ่งก็บอกว่าน้ํายาที่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 สุราที่ทําด้วยขนมสุราที่ทําด้วยข้าวสุกสุราที่เติมด้วยสาเล่าสุราที่ประกอบด้วยเครื่องปรุงในตระกูลสุราทั้งหลายแหละแล้วก็ตระกูลของหมักดองในข้าาย่างของหมักดองก็เช่นเครื่องดองที่ทําด้วยดอกไม้เอาดอกไม้มาหมักทําเป็นของดองเนี่ยนะเครื่องดองที่ทําด้วยผลไม้เช่นองุ่นเนี่ยใช่ไหมองุ่นเนี่ยเขาเอามาหมักเขาทาด้วยน้ํำผึ้งก็มี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 เมระยะก็คือเมรายนั่นเองนี่ก็เอารายมาเป็นระยะเขาเลยถูกต้องกันเลยนะจะเพี้ยนเพื่อที่จะกินให้ได้ก็กินเป็นระยะระยะเป็นช่วงๆเราวางงั้นช่วงเขาา้เขาพัรษาก็ไม่กินออกพันษานี่ก็กินบางคนนี่อดได้นะเขา้าพรรษาเนี่ยสามเดือนเนี่ยเป๊ะเลยออกพัรษามานะเก้าเดือนนี่เมาตลอดเหมือนกันแต่ว่าในเมืองส่วนหนึ่งก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่กินเหล้าถ้าเป็นคนต่างจังหวัดตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ย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 เดิมสุราเป็นต้นเนี่ยนะขณะที่ทําเนี่ยโอ้สนุกจริงๆเพลินเนี่ยแต่เวลาผลของมันเนี่ยทุกกรรมบางอย่างขณะที่ทํานั้นเป็นทุกขแต่ให้ผลเป็นสุ ข, ขกรรมนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าขณะที่ทําเนี่ยทุกเลือเกินเขาบอกกันแต่ให้ผลเป็นความสุ ข, ขอในคำพีท่านเล่าถึงว่าพระ บ, บางองค์ซึ่งไม่ไม่เต็มใจบวชมากนะกน่ะนะคือเป็นคนที่เขาเล่าว่ากิเลสมีกําลัง โลพาโทสะโมหะมีกำลังมากแล้ไม่อยากบวชเท่าไหร่ทีนี้ก็ต้องจําใจบวชที่เรียกว่างั้นเห็นโทษก็เลยต้องสู้บวชไปอย่างนั้นน่ะเรียกว่าบวชทั้งน้ําตาประพฤติพรหมจรรย์ทั้งน้าตาเพราะว่ากิเลสมันได้กําลังอ่ะนะมันได้ช่องร้องไห้ไปแต่ก็ทนบวชไปอย่างนั้นน่ะอันนี้เรียกว่าขณะที่ทําเนี่ยเป็นทุกข์แต่ก็ให้ผลเป็นเป็นความสุข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 การดื่มน้ำเมาเพียงเล็กน้อยก็มีโทษน้อยการดื่มน้ำเมาเพียงครึ่งอรหะกะอลหะกะก็คือประมาณแล่งหนึ่งอะนะก็คือถ้าจิบมันก็มีโทษน้อยกว่ากงอะนะกงมีโทษน้อยกว่าแบนอะแบนก็มีโทษน้อยกว่ากลมอะกลมก็มีโทษน้อยกว่าหลายกลมอย่างเงี้ยโทษไปตามนั้นะก็โทษมากก็ตามแต่การดื่มเข้าไปเมื่อดื่มน้ำเมามากแล้วยังสามารถ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 ทัาตือจาคะและก็ปัญญาถ้าคนที่มีสติก็สา ม, มารถที่จะพอกพูนหรือว่ารักษาอริยทรา์เหล่านี้ไว้ได้ในขณะเดียวกันก็สแสวงหาทรย์เหล่านี้เพิ่มขึ้นมากขึ้นต่อไปนะว่าอั ป, ปเนสุกิจจกรณีเยสุสัพพฐานุปปติกะปฏิภาณวันตาตาความเป็นผู้มีปฏิพานเกิดขึ้นทุกสถานในเมื่อมีกิจและกรณียกิจเกิดขึ้น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 แต่ทั้งคืนในไหนหลับในนอนนะสะดุ้งอยู่ตลอดเลยแล้วก็อันนี้สองข้อนี้ทําให้เป็นผู้ไม่มีการแข่งดีไม่มีการแข่งดีแข่งดีก็ลักษาหน้าวุ้จะแค่ไหนเชียวนะคือคนเมาเนี่ยนะส่วนใหญ่จะแข่งดีมันจะเท่าไราเชียวแล้วต่อไปนะความเป็นผู้ไม่มีความริษยารักษาศีลข้ อ, าาขอนี้ดีก็ทําให้ไม่ริษยาจนเกินไปแล้วก็อมัชชิตาก็คือเป็นผู้ไม่ตณี รักษาศีล น, นี้ดีก็ทำให้ไมตนีแล้วก็สัจจะวาธิตาเป็นผู้มีปกติกล่าวคำสั่์แต่เมาแล้วโหนรับปากอะไรนักกไม่รู้ตื่นขึ้นมาไม่จำไม่ได้สักอย่างเะยอันผู้ที่รักษาศีลข้อดื่มสุราดีจะทำให้รักษาวาจาดีด้วยแล้วก็สิบสามอปิสุณะอภุษะอสัมพลาปะะวาธิตาความเป็นผู้มีปกติไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเพอเจอ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 ยู you นี่แปลว่ารู้ก็คือกระตันยูก็คือรู้ถึงสิ่งที่บุคคลอื่นเขากระทำไว้แล้วกับตนก็คือกระตันยูอ่ะนะไทยก็คุ้นกันดีอยู่แล้วอะกะตัยูต่อไปนะกระตะเวทีตาก็คือกระตะเวทีแปลว่ากระทาตอบนั่นเองกะตันยูกระตะเวทีก็คือสามารถที่จะทำตอบได้ต่อไปนะโพควัน ต, ตาความเป็นผู้มีโพคะ ก็คือเหมือนกับที่พระให้ศีลนะนะศีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสามบัฏาศีเลนีนผู้ติงยันติตัสมาสศีลังวิโสทายเยผู้ใดมีศีลศีเลนะสุขติงยันติตาแล้วก็ไปสู่สุขติสุขติก็คือมนุษย์กับเทวดาเป็นต้นศีเลนะโภคะสามบัฏารักษาศีลดีก็จะทําให้มีทรัพย์ศีเลนะนผู้ติงยันติเมื่อรักษาศีลดีก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย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 ผิดศีลข้อสามก็เป็นกายกรรมแล้วก็ดื่มสุราก็เป็นกายกรรมด้วยทีนี้ก็เลื่อนไปเป็นทางวัชิกรรมวัชิกรรมนี้บุญบาปทางปากนี้วันๆหนึ่งมามากมายมหาศาลเลยนะขยับลิ้นทีไรก็เป็นในเรื่องเลยนะได้บุญได้บาปอยู่ขนาดนั้นเลยวัชิกรรมนี้มีอยู่สี่อย่างด้วยกันหนึ่งคือนะมุสาวาตคือพูดเท็จสองปิสุณาวาจาสเสียษ สามพูดสวัสดคือพูดคำหยาบแล้วก็สสัมผัปลา ป, ป, ปากก็คือสมัยก่อนเขาแปลว่าสําราพพูดสําราพสมัยใหม่แปลว่าเพอเจอร์สำราพเรานึกไม่ออกมันเป็นยังไงนะบางทีในพระดารบิดกบางแห่งเขาแปลว่าสําราพ ก, ก็คือพูดเพอเจอร์พูดเพอเจอก็คือพูดเรื่องไม่มีประโยชน์ไม่อิงอัดไม่อิงทําไม่อิงวินยัยพวกคําพูดประเภทนี้แหละที่เรียกว่าพูดเพอเจอร์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 ของบุคคลอื่นโดยประสงค์จะ ก, กล่าวให้คลาดเคลื่อนชื่อว่ามุสาวาตคําพูดที่ประสงค์ให้ให้รู้ไม่ตามความเป็นจริงออีกนัยหนึ่งเรื่องอันไม่เป็นจริงไม่ใช่แท้ชื่อว่ามุสาคือเท็จดีมุสาก็คือเท็จการให้บุคคลรู้เรื่องไม่จริงไม่แท้นั้นโดยภาวะว่าจริงว่าแท้เรียกว่าวาทะมุสาวาตวาตวาทะตัวหลังก็คือคําพูดนั่นเองมุสาก็คือเท็จ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 เป็นอีกข้อหนึ่งแต่เขาเราียกว่าเป็นสัมปชาญมุสาวาททุกกฎเป็นอบัตทุกกฎที่เกิดจากมุสาวาทจากการไม่ไม่แสดงออกอันถ้ารักษาศีลดีเนี่ยศีลไม่ใช่ว่าไม่พูดอย่างเดียวเนะไม่พูดเท็จอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นลักษณะของผู้ที่พูดคําศัพท์คําจริงพูดคําศัพท์คําจริงนั่นเองพูดมีประโยชน์ทีนี้นถ้าหากว่ามุสาวาทไปแล้วอะ่ะมีโทษอย่างไรเชื่อว่ามีโทษน้อย เพราะประโยชน์ที่ผู้พูดทำลายประโยชน์นั้นน่ะ น, น้อยมีโทษมากเพราะทำลายประโยชน์มากคือพูดให้คนฟังเนี่ยเสียประโยชน์มากก็โทษมากอะ่ะพูดให้เขาเสียประโยชน์น้อยก็โทษน้อยอีกนัยหนึ่งมุสาวาทของครหัดทั้งหลายที่เป็นไปโดยนายเมียที่ว่าไม่มีดังนี้เพราะประสงค์จะไม่ให้วัตถุที่มีอยู่ของตนชื่อว่ามีโทษน้อยเวลาเขาไม่ยืมสตังอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีหรอกอันเนี้ยถามว่าจริงไหมจริงๆมันก็มีแต่ว่าไม่อยากให้อะ่ะ อันนี้ชื่อว่ามีโทษน้อยไม่ใช่ไม่มีโทษนะมุสาวาทที่ตนเป็นพยานกล่าวเพื่อทาลายประโยชน์ชื่อว่ามีโทษมากจะไหมคยกว่าให้เราไปยืนยันเป็นพยานเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งๆ้งที่มันไม่จริงอะ่ะแต่เราไปเป็นโจทย์เป็นพยานเป็นอะไรเขาเนี่ยลักษณะนี้มีโทษมากขนาดมีของไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยนะโกหกไปนี่ก็ก็ชื่อว่ามุสาวาท ด, ด้วย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 บางทีลูกค้านั้นเขาก็รู้ด้วยนะว่าไอ้ น, นี่มันแหกตาเนี่ยของก็ขายไม่ได้ด้วยศีนก็เสียอีกไอเสียคนไม่ซื้อของก็ไม่เท่าไรห ร, รอกแต่ว่ามุสาวาทที่พูดออกไปนั้นๆเนี่ยนะเสียทั้งโลกนี้ด้วยนะเครดิตในโลกนี้ก็เสียไปแล้วก็เสียในโลกหน้าด้วยไปที่ไหนก็จะถูกคนปั้นน้ําเป็นตัวให้ฟังเรื่อยอะทั้งที่ไม่จริงท่านหน่อยส่วนมุสาวาทของบรนประชิตคือนักบวชเนี่ยนะ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 พาไปบินนะ่ะมันไม่ได้อะหรือมันได้มันนิดเดียวอ่ะเขาบอกว่าท่านท่านไปบินธ้าบาดน้ํามันได้ไหมหรือบินธ้าบาดเนยได้ไหมอุ้ ย, ยในบ้านเนี่ยเหมือนกับน้ํามันจะท่วมหมู่บ้านหมดแล้วก็ได้ว่าพูดแบบขาๆเนี่ะนะสนุกสน ก, สนกไม่ได้อ่ะแต่ก็จะพูดให้มันขำๆไปอย่างนั้นแหละอันนี้เรียกว่าเป็นมุสาวาทที่มีโทษไม่มากนะแต่ไม่ใช่ไม่มีโทษนะ แต่มุสาวาทของบรรพชิตผู้กล่าวโดยนายเมียที่ว่าไม่เห็นเลยว่าเห็นดังนี้ชื่อว่ามีโทษมากไม่เห็นว่าเห็นไม่ได้ยินว่าได้ยินไม่ทราบว่าทราบไม่รู้ว่ารู้เนี่ยนะพวกเนี้มีโทษมากการทําชั่วในเพราะการทําลายสง์ให้แตกแยกกันด้วยมุสาวาทถึงขั้นมุสาวาทมีโทษมากก็คือการผิดศีลข้อทําสังฆเพศนั่นเองมุสาวาทเนี่ยบาปมากสังฆเพศเนี่ยมีโทษมากจริงๆ อันปากเนี่ยแล้วแต่จะใช้นะใช้ให้มันเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้ลินสามนิ้วเองนะกระดกตวัดไปตะหวัดมาเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้แต่ก็อย่าลืมว่าคําพูดเหล่านี้มีอะไรเป็นสมุทฐานมีจิตเป็นสมุทฐานนั่นเองไอ้ตัวบาปมันไม่ใช่คําพูดนั้นหรอกแต่สภาพจิตหรือเจตนาของผู้พูดนั่นแหละเป็นคําสัตย์คําจริงขนาดไหนด้วยถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องศีลข้อนี้ดีนะเราจะ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 คำพูดที่เป็นไปกับโลภะเนี่ยนะก็มีอยู่แปดวงเราก็มาจาแนกประเภทอีกโลภะประเภทไหนใช่ไหมโลภะประเภท อ, อ ส, สังขาริกหรือสังขาริกแล้วก็แยกแยะได้แล้วจะศึกษาเรื่องเรื่องวิปัสนาต่อไปก็ไม่ยากนะักถ้าเราเข้าใจเรื่องศึกษาเรื่องการใช้วาจาจริงๆเลยนะสติปัฏฐานหรือว่าการเจริญวิปัสนาญาตะปริญญาพิจารณาเรื่องเสียงจะไม่ยากจนเกินไป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 อันจะศึกษาเรื่องจิตตะชรูปไม่ยากเกินไปถ้าเราสังวรศีลข้อนี้บ่อยๆเวลาคุยกันปั๊บจะศึกษาเรื่องจิตตะชรูปเป็นต้นไปด้วยแล้วก็ยาตาปริญญาก็เกิดขึ้นในขณะที่สนทนากันนั่นแหละแต่ถ้าว่าไม่มีสติในการพิจารณาเรื่องการใช้คำพูดเลยนะเรื่องเสียงที่มีจิตเป็นสมุทฐานเนี่ยโอ้คงอีกนานจนกว่าจะพิจารณาดึงมาใช้ได้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 อารมปากนะค่าสํานวนว่าลมปากกระทบคําพูดที่พูดออกไปนั้นก็มีพุทธอารมณ์ด้วยบางคนนี่ก็พูดจะมีกลิ่นปากเลยไงเขาเรียกว่ามีคันธารลมด้วยแต่คําพูดเนี่ยมีสีด้วยนะถ้าเอาอะไรมาส่องดูนะถ้าถ้าพูดในช่วงที่มันมีไอ้น้ำอากาศเย็นๆมากนะพูดนี่จะมีสีออกมาด้วยพูดเนี่ยมีไอออกมาทั้นถ้าศึกษาอย่างนี้ต่อไปก็ไม่ยากเลยเนาะ ถ้าเข้าใจเรื่องความรู้เรื่องขนันท่าอริยตนะก็พิจารณาลงไปตรงนั้นต่อไปอีกก็สา ม, มารถที่จะวิจัยหรือเรื่องของอริยสัจ ต, ต่อไปได้ไม่ยากนะคำพูดที่เป็นไปกับโลภะนั้นก็ขณะที่พูดเป็นทุกขสัจนะแต่ว่าไอโลภะที่เกิดเป็นไปเพื่อเพื่ออะไรเพื่อพบต่อไปโลภะเพื่อเกิดในพบต่อไปอันนั้นเป็นสมุทัยสัจแต่ขณะที่พูด้ใช้ขณะนั้นเนี่ยเป็นเป็นทุกขสัจ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 คือถ้าเราพูดโกหกปั๊บเขาฟังรู้เรื่องเลยนะเขาเชื่อไม่เชื่อก็ตามก็เป็นมุสาวาทแหละแต่ถ้าเขาพูดแล้วเราจะโกหกเขาอแต่เขาฟังไม่ออกหรอกคือเราจะคิดจะปั้นน้ำให้เป็นตัวนะแต่เขาคิดตามเราไม่ถูกอันนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นมุสาวาทไม่ล่วงการมาบทส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่ามุสาวาทมีองค์ประกอบสามคืออภูตะวจรังพูดไม่จริง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 กล่าวให้คลาดเคลื่อนจากกายหรือจากวัตถุเนื่องด้วยกายหรือด้วยวาจาฉะนั้นแม้ประโยชน์ทั้งหลายคืออนัติกะประโยคอนัติกะก็คือสั่งนั่นเองนิสกิยะประโยคก็คือคว้างหรือถาวรประโยชน์ก็คื อ, ค อ, อ, คอมุสาวาตโดยการแต่งอะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นการโกหกตลอดไปนนลักษณะนี้นะเรียกว่าถาวรก็ย่อมสมควรในมุสาวาต น, นี้แต่เพราะไม่มีมาในอัตถกาถาทั้งหลายจึงควรพิจารณาก่อนแล้วถือเอา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 อาณาคามีมีอะไรเป็นปัจจัยโดยประตูสก่าทาคามีเนาะสก่าทาคามีมีอะไรเป็นปัจจัยโสดาบันโสดาบันมีอะไรเป็นปัจจัยเอาเอายานเอ า, ญาญยานยานไหนเป็นปัจจัยกับโสดาปฏิมักโคตรพูยานต่อไปนะว่าถ้าหากว่าบริกรรมเป็นต้นเนี่ยนะบริกรรมหรือว่าบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูมักตัวนี้นะในมักเข้าวิถีสมัยนูน้นเคยแจกแผ่นภาพภาพหนึ่งนะ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 จิตเนี่ยให้พูดเป็นชาติไว้แบ่งกลุ่มใหญ่ๆเข้าไว้ก่อนอกุศลอกุศลนิบาส ก, กิริยาอย่างนี้ก็ได้กุศลอกุศลอภยากตะอย่างนี้ก็ได้แล้วค่อยๆไล่ต่อไปมันจะเบาแต่กู้โแปสิบเก้าจิตมีแปดสิบเก้าหรือหนึ่งร้อยิเอดวงคือโหเนี่ยเหนักหน่อยเสร็จแล้วก็เวลาจะพูดถึงคําว่าจิตนะตัวเลขก็มาแล้วโ อ, โ อ, โ อ, โ อ, โอโ้โเหนื่อยแต่ถ้าตั้งอีกในหนึ่งก็ไม่ยากเกินไปเอากุศลอกุศลนิบากกิริยามามาจับวิถีก็เหมือนการปัญจทวารวิถีกับ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 อะไรคือศัสตรจะอะไรคืออินทรีย์อะไรคือปฏิจจะแล้วก็ความรู้อันนั้นเนี่ยขอให้มันอยู่ในกายเราเนาะขอให้สงเคราลงมาในในร่างกายของเราให้มองชีวิตของเราเป็นรูปนามขันห้าหรือพิจารณารูปนามขันห้าแต่ก็ไม่ใช่เลยเถิดจน ม, มีแต่ขันห้าเลยนะคุยกันไม่รู้เรื่อ ง, องก็ยุ่งเหมือนกั น, กนเหมือนกับที่คุณวิราวันพูดขำๆใช่ไหยสวัสดีคุณรูปนามขันห้าอย่างนี้วนะ่าก็คือ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 แล้วก็สิ่งที่เพอเจอร์นั้นปรับเอาพระธรรมมาเพอร์เจอร์นั้นเป็นสิ่งที่ที่น่าสงสารเหมือนกันนะเจตนาที่ทำให้แบบนั้นก็มีหลายแห่งอะ่ะก็มีแต่เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวก็มีแต่ประมาจิต้งหมดเลยนะจนคุยภาษาธรรมดาก็แทบไม่รู้เรื่องกันนั้นไอ้ปรมัติะฐานนั้นเป็นการสนธนาต่อเมื่ออาศัยกาละที่เหมาะสมเป็นต้นนะ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 อัญญตาวินซีก็เป็นอินรีย์ที่เป็นผลของการปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งอันพระองค์ก็เลยเรียงอินรียี่สิบสองซึ่งก็อินทรีย์ที่มีอยู่ในชีวิตของเรานะเว้นโลกุตระอินทรีสามที่เหลือที่เหลือมีหมดแหละเช่ <c oughs> จนจากขุนศีใครไม่มีม้างคนตาบอดนั่นไม่มีใช่ไหมโสตินรีย์เป็นต้นก็คนหูหนวกเท่านั้นแหละที่ไม่มีดังนั้นอินทรีย์เหล่านี้ถ้าไม่เรียนรู้ก็เป็นเป็นอะไรอวิชาก็เกิดขึ้นแทนนล้ว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 จเจริญความรู้เหล่านี้มากๆขึ้นอวิชาก็ไม่ได้ช่องเมื่ออวิชาไม่ได้ช่องอากุศลก็ไม่ได้ช่องด้วยการจเจริญกุศลก็มีแต่จ ะ, จะเจริญงอกงามไปเรื่อยๆก็ความในคถาธรรมบทกล่าวว่าผู้มักพูดคําไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกหรือแม้ผู้ใดทําแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้ามิได้ทําชนแม้ทั้งสองนั้นเป็นมนุษย์มีกรรมเลวทรามละไปในโลกอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกัน แปลว่าตายแล้วตกนรกทั้งคู่อ่ะคือคนที่พูดไม่จริงก็ตกนรกหรือว่าคนทำแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทำก็ตกนรกเหมือนกันก็บอกว่าเรื่องนี้อาศัยที่เดรถีเนี่ยเดยรธีกล่าวตู่พระพุทธเจ้านะว่าพระองค์นี้เป็นคนฆ่านางสุนทรีอะ่ะฆ่านางสุนทรีถ้าหากว่ารักษาศีลข้อมุสาวา ด, ดีรักษาศีลข้อวาจาดีนะมีผล ตรงนี้ยกมาสิบสามอย่างนะน่าสนใจนะถ้ารักษาสีลข้อนี้ดีนะรักษาศีลข้อวาจาดีหนึ่งวิปัสสันนินยตาความเป็นผู้มีอินทรีย์ผ่องใสาจากขุนสีก็ดีโสตินซีเป็นต้นก็ดีถ้ารักษาศีลข้อวาจาดีนะตาหูจมูกเลนกายใจผ่องใสแต่ถ้าหาว่าไปหลอกใครมาเนี่ยหนังตีมแหมยิ้มไม่ค่อยออกกันเนอะเดี๋ยวเขาจับได้วาดระแวงเป็นต้นนั้นอินทรีย์จึงไม่ค่อยผ่องใส ต่อไปสองวิสัตธรรมะมัทุระภาณิตาความเป็นผู้มีปกติพูดด้วยถ้อยคำสละสลวยและก็อ่อนหวานมัทุระก็คือพูดเหมือนน้ำผึ้งอะ่ะแปลว่าห ว, วานเน่ยต่อไปก็สมัสิตะสุทธนะทันตตาอันนี้ใครอยากมีฟันงามว่ารักษาศิ่นวันนี้เอาไปแล้วกันเป็นผู้มีฟันเรียบเสมอทั้งขาวและสะอาดันใช้วาจาดีเนี่ยมีผลต่อฟันด้วยนะ แต่แต่ก็บอกว่าไม่ต้องขนาดนั้นนะพูดไม่ดีบางทีก็ฟันฟันเสียหายเหมือนกันนะนั่นแหละพิรธธรรมเลยอ่ะอแต่ถ้าหากว่าทําไมฟันแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกรรันก็มาจากกรรมที่ที่แตกต่างกาันอั้นการใช้วาจานั้นมีผลในเรื่องฟันค่อนข้างมากเพรามาลงสายต้องระวังเรื่องนี้มากๆหน่อยต่อไปนะนาติถูลตาความเป็นผู้ไม่อ้วนจนเกินไปเ อ, อรักษาวาจาดีก็ไม่อ้วนมากนะ ต่อไปนะั้นนาติกีสตาความเป็นผู้ไม่ผอมจนเกินไปแล้วก็นาติทีฆตาไม่สูงจนเกินไปต่อไปนะความเป็นผู้มีสัมผัสเป็นสุเกี่ยว่าผิวไม่หยาบจนเกินไปนะต่อไปก็ความเป็นผู้มีกลิ่นปากหอมเหมือนดอกอุบลถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยบางคนนี่พูดและกลิ่นปากหอมเหมือนกับเขาว่าเด็กๆนะเด็กๆนะ เ, เ, เล็กๆ เ, เนี่ยกลิ่นปากกระหอมเขาว่างั้น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 ก็คือชวนในทางที่ไม่ดีอนะเพราะว่าไปชักชวนให้คนคนคิดไม่ดีถ้าส่วนใหญ่าบางครั้งการพูดไม่จริงเนี่ยเพื่อให้เกิดความสมคัคคีกันเช่นคนทะเลาะกันเขาถามว่าคนนั้นเขาว่าเราหรือเปล่านะบอกว่าไม่ไดจรินอะไรเงี่ยหรือเขาไม่ว่าอะไรเงี่ยนี่นจะถือว่าโกหกหรือเปล่าคือเราต้องมาแยกเป็นขณะดขนาดไปนะครับผมขณะ ด, ดีก็ขนาดหนึงขณะไม่ดีก็ขนาดหนึง่ง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 เพราะว่าวาจีกรรมมีตั้งสี่อย่างใช่หมหนึ่งเทจนะไม่ใช่โอ้โหรักษาฉันไม่พูดเทศแต่หยาบเนี่ยก็ไม่ไหวใช่ไหมไม่เทศหรอกแต่ว่าประยุแยงแตะแคงรูดให้เขาเขาแตกกันบางอย่างจริงแต่ว่าพูดแล้วเขาแตกแยกกันเรื่องพูดมีตั้งเยอะแยะโลกนี้ใช่ไหมใช่อย่างคําสอนพุทธเจา้าเนี่ยพระไตรปิกเนี่ยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันพูดไปเถอะไม่จบยังไงก็ไม่จบพุทธเจา้าพูดไว้เยอะแยะพูดตามอย่างเดียวเถอะ ไม่จบง่ายๆฉันมีเรื่องที่จะให้พูดตังเยอะแยะแต่ทีนี้ว่าเราเห็นโทษของเรื่องกรรมขนาดไหนด้วยสมมุติถ้าหากว่าอั น, นิี้สองข้อรักษาศีลตรงนี้ใช่ไหมมีประมาณสิบสี่ข้อเนี่ยถ้าหากว่าเรารักษาการใช้วาจามไม่ได้เนี่ยนะไอ้พวกนี้มันจะวิบัติให้ผลหมดเลยนะก็คือบอกว่าโอ้รักษาศีลข้อนี้ดีอันนี้สองแบบนี้แต่ถ้ารักษาไม่ได้นะอันนี้แปรสภาพมาให้หมดเลย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 ถ้าประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตะจาระคะปัญญาเป็นต้นใช่ไหมน้อมจิตไปเพื่อคุณธรรมใดๆก็ก็สําเร็จได้ดงั้นหนึ่งในเครื่องมือในการฝึกหัดจิตก็คือเรื่องศีลนั่นเองสังเวชนั้นเป็นโอตตปะซึ่งมีปัญญาเกิดร่วมด้วยถ้าสังเวชนั้นจะต้องเป็นไปกับปัญญางั้นปัญญานั้นจะต้องเป็นลักษณะของกรรมสักตาเป็นต้นนั่นเอง ไม่มีขนาดนั้นจะไม่หดหูจะไม่หดหูแต่ถ้าหดหูเนี่ยสายโทรศัคือหดหูนี่บางครั้งเนี่ยก็คือเป็นคําพูดที่อาจจะเป็นไฟกับสายทีนะก็ได้เพราะว่าหดหูบางแห่งก็หมายถึงถทีนะมิถะแต่ว่าคําว่าหดหูแบบไทยๆก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นโทรศัคือไม่ชอบใจอ่ะฟังแล้วงัยแต่นั้นก็เป็นโทรศนะัพท์ไงแต่ถ้าสังคมทั่วไปก็ยอมรับว่าเป็นความดี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 นี่ก็ขอกล่าวถึงเรื่องกรรมกรรมบทเนี่ย น, นะช่วงนี้ก็เรียนเรื่องของวจีกรรมวจีกรรมนั้นตัวกรรมจริงๆได้แก่เจตนาเจตนาที่ล่วงออกมาทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมคือเจตนานั้นล่วงมาทางกายและทางวาจาเรียกว่ากรรมส่วนถ้าทางมนโนกรรมนั้นองค์ธรรมมีมีสามอย่างใช่ไหม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 ส่วนภาวนาเป็นได้ทั้งกายวาจาและและใจล่วงได้สามทวาร น, นี่คือทางทางทวารกุศลจะเป็นลนนักษณะนี้ถ้าเป็นอกุศลอ่ะถ้าอากุศลอากุศลส่วนใหญ่ก็เอาอากุศลกรรมบทมามาเป็นตัวตั้งใช่ไหมอกุศลกรรมาบทแสดงออกมาเป็นกายกรรมสามวจีกรรมสี่แล้วก็มโนกรรมสาม กายกรรมสามได้แก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมแล้วก็วจีกรรมมีสี่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจอ้อมนโนกรรมมีสามได้แก่อภิชาพยาปาทะและมิชชาทิฐิทีนี้ถ้ากายกรรมเช่นข้อหนึ่งเลยปานาติบาตปานาติบาตรล่วงมากี่ทวารสองทวารคือกายกับ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 มีนะแต่ให้ผลหลังจากหลังจากเกิดมาแล้วเรียกว่าปาวติกาตเจตนาไม่ไร้ผลแน่คิดดีๆเข้าไวเ้เถอะคิดดีอย่างน้อยที่สุดสบายใจก่อนนะในดีกาพรหมชารสูตรเป็นคัมภีร์อันดับสามคือถ้าพรหมชาลสูตรเสร็จแล้วก็จะมีอัตถกาถาพรหมชาลสูตรแล้วก็คัมภีร์ชั้นที่สามเรียกว่าดีกาพรหมชาลสูตร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 มีโทษน้อยอันหนึ่งผู้สว a จานั้นชื่อว่ามีโทษน้อยและมีโทษมากเพราะความแตกต่างแห่งกิเลส ท, ที่อ่อนและแรงกล้าคือถ้าจะด่าใครสักคนหนึ่งนะถ้าจิตมันหยาบมากกว่าบาปมากจิตในขนาดนั้นหยาบน้อยก็บาปน้อยอันนั้นนี่คือภายในถ้าภายนอกแล้วแต่ว่าไปด่าใครไปด่าบางคนเนี่ยไม่ต้องรอชาติหน้านะเช่น ไปปรามาทผู้ที่มีฐานะสูงๆจริงๆเนี่ยถูกฟ้องเลยไม่กี่วันแค่นั้นนะเข้าคุกเลยอย่างเช่นว่าหลายคดีเขาคดีหมิ่นพระสังฆราชเนี่ยเนี่ยไม่ได้เลยนะหมิ่นพระบรมราชานุภาพก็ไม่ได้แตนถ้าคำพูดบางคำนะคำพูดห ย, ยาบๆเนี่ยใช้กับบางแห่งเนี่ยก็ผลยังไม่ค่อยทันตาเท่าไหร่นนะักแต่บางแห่งอนะ่พูดปั๊บเนี่ยแค่นั้นแหละทันทีเลยแหละ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 ตลกตลกอันนี้เป็นอบัตเหมือนกันนะแต่เป็นอบัตทุพภาสิทธิูแปลว่าชั่วทุพภาสิตก็คือถือว่าเป็นคําพูดชั่วสมมติเขาขา ว, ขาวพูดกระทบผิวนั่นแหละพูดขำๆไปงั้นนั่นก็เป็นเป็นทุพภาสิทธ์ด้วยเหมือนกันพูดเรียนชื่อเล่นๆอะ่ะพูดล้อเลียนพูดอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยพระทำไม่ได้นะโดยวินัยเนี่ยเป็นอบัติทุพภาสิตธโทษฐานพูดชั่วอบัตที่เป็นเพราะพูดชั่วในองค์สามนั้นท่านมุ่งหมาย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 เชื่อว่ามีโทษหนะ้เพราะอาเสวนะมาอ า, าเสวนะก็คือเสพหรือพูดมากอะ่ะการอบรมการทําให้มากชื่อว่าอ า, าเสวนะอีกอย่างหนึ่งสัมผัสปราปะนั้นอันสัมผัสราปีบุคคลให้เป็นไปแล้วเพื่อให้ผู้ใดถือเอาเมื่อผู้นั้นไม่ถือเอาชื่อว่ามีโทษน้อยเมื่อผู้นั้นถือเอาชื่อว่ามีโทษมากนะพูดสักคนเชื่อเลยอย่างเงี้ยเรื่องไม่จริงหรอกพูดคำๆไปคนเอาตามเลยแล้วขณะ น, นี้ก็มีโทษมาก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 รามเกียรตหรือเรื่องมหาภารตะนะเอาเรื่องพวกนั้นมาเล่าเป็นพุง่งเป็นแควเป็นตุเป็นตะพวกนั้นแหละเป็นเพอร์เจอร์ทั้งนั้นแหละแล้วก็การพูดเรื่องเห็นปานนั้นเมื่อผู้อื่นยังไม่ถือเอาเรื่องนั้นอยู่กรรมบทก็ยังไม่ขาดเมื่อเขาถือเอาเท่านั้นจึงขาดเขาฟังเชื่อเลยนะเป็นตุเป็นตะเล่านิทานทุกคนเชื่อเลยอันนี้ก็เป็นเพอร์เจอร์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในดีกาสัมมาทิฏฐิสูท่านกล่าวว่าก็สัมผัสตาลาปะทุกอย่างย่อมสําเร็จด้วยองสอง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 ก็คือคําพู้ที่ปารพว่าในอดีตการมีพระผู้มีพระภาคพานามว่ากัสปะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคพานามว่ากสปะมีอุปถากชื่อว่าพระเจ้ากิกิกหรืออีกสำนวนหนึ่งบอกพระเจ้ากิงกิเหรือปารพอนาคตก็คือมีพระผู้มีพระภาคจะมาตรัสรู้คือพระพระเสียริยะเมตรัยนมีมีพระราชาที่เป็นอุปถาก็คือพระเจ้าสังขะพระเจ้าสังขะ เหมเอือนอำเภอแตมาอยู่เป๊ยะเลยแต่นั่นเป็นคนนะนะแล้วก็ถ้าปรารปัจจุบันก็พระราชาเนี่ยสมมติว่าพูดถึงในหลวงอะ่ะการพูดถึงในหลวงตอนนี้พระองค์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยก็จะฉลองครบรอบแล้วก็พูดลักษณะนี้เรียกว่าคําพูดที่ปรารพัจจุบันแต่ปรารพในส่วนที่ดีๆนะคือถ้าคําพูดเป็นไปในส่วนที่ดีๆลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะของเป็นไปกับกุศลแต่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ย หาประโยชน์ชาตินี้ก็ไม่ได้ประโยชน์ชาติหน้าก็ไม่ได้ถ้าลักษณะ น, น, นี้ก็เป็นเป็นไปกับอกุศลสัส่วนใหญ่ถ้าพูดอกุศลมากๆแล้วอย่าไปร้องเรียกหาผลบุญมากนะบอกเอ๊ยไม่ได้ทําบาปเลยแต่วันหนึ่งบุญไม่ได้หยุดเหมือนกันเคยคิดไหมเอ้ยถ้าไม่ได้ศึกษาคําสอนนะเราไม่ไม่ไม่อยากคิดเลยว่าเอ้ที่เราพูดนี่มันมีโทษอ่ะใช่ไหม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 มันก็จะวนอยู่อย่างเนี้ยกระแสะของสังสารวัตก็จะเป็นไปในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นมรรคปัจจัยมรรคปัตโย و. ชีวิตก็เป็นไปอยู่างนี้ยดําเนินตามทางเพราะว่าพวกทิฏฐิเนี่ยมันเป็นทางถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นทางไปสู่อบายอย่างเช่นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมีคติสองคือเดรฉานกับนรกมีคติสองอย่างสําหรับมิจฉาทิฏฐิบุคคลสมมุติถ้าหากว่า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 แค่เห็นว่างามใช่ใช่ทีนี้จนกว่าว่าเขาก็น้อมมาเพื่อตนด้วยคําว่าโอ้หนอวัตถุนี้พึงเป็นของเราน้อมเข้ามาหาตัวเองด้วยอํานาจจิตที่เป็นอกุศลนั่นแหละเป็นอภิชาอันอภิชานั้นก็คือโลภะเจตสิกนั่นเองถ้ามันมีกําลังแรงเนี่ยก็ถึงกับเรื่องกรรมบทได้ส่วนเรื่องของโลภะนั้นโดยละเอียดละเอียด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 สภาวะธรรมที่ยังประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขให้พินาฏไปชื่อว่าพยาบาทแสดงว่าไม่ปรารถนาความสุขความเกือ้อกูลให้แก่สัตอื่นนะนะพยาบาทนั้นมีความมุ่งร้ายเพื่อให้ผู้อื่นพินาฏเป็นลักษณะเคยไหมคล้ายกับคิดแช่งชักหักกระดูกกันนะออลักษณะนี้แหละเป็นพยาบาทมีโทษน้อยและมีโทษมากก็เหมือนกับพุทสวัจารพุทสวาจ า, า, จานี้แค่คำด่าเฉยๆใช่ไหม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 คำสํารากบางอย่างออกมาเนี่ยนะพุ่งออกมาเลยเปรียบเทียบกับสัตว์ดิรัชานเป็นต้นอันนั้นเป็นลักษณะของพระรัวาจาแต่เขาบอกว่ารถเครื่องปาดหน้าปัา๊บเนี่ยนะเชิญให้ไปจุติปฏิสนธิ ท, ทันทีเลยในขณะนั้นเป็นลักษณะของพยาบาทที่ล่วงมาทางวัจจีการรมอันคนเนี่ยทํากรรมประเภทนี้ไม่ใช่น้อ ย, อยเลยถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนนั้นอ่ะบางทีเนี่ยเห็นเป็นความถูกต้องด้วยซ้ำแต่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 ถือผิดไปมิฉาทิฏฐินั้นมีความเห็นวิปริตเป็นลักษณะโดยในเมียที่ว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลมิฉาทิฏฐินั้นชื่อว่ามีโทษน้อยและมีโทษมากก็เหมือนกับสัมผัสปลาปะคือเหมือนกับเพอเจอร์นั่นแหละถ้าใครซ่องเสพความคิดที่เรียกว่าทิฏฐิความเห็นอันนี้มากๆก็มีโทษมากถ้าหากว่าซ่องเสพความคิดเหล่านั้นน้อยก็โทษน้อยหน่อย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 ทำให้เห็นความเด่นชาติของพระพุทธศาสนาด้วยในพระสูตรนี้ในติถศูตรอังคุตรนิกายติกานิบาตพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายลัทธิเดรถีสามอย่างนี้ซึ่งบันดิตทั้งหลายซักไซไล่เลียงสืบไปคือถามเท่าไรเท่าไห ร, ไหร่ก็คงยืนตัวอยู่ในหลักอกิริยาอากิริยาก็คือปฏิเสธการกระทำนั่นเอง ลัทธิของเดรัธีสามเนี่ยคืออะไรดูก่อนที่สูทั้งหลายมีสมณะพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือว่าไม่ทุกขไม่สุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้รับเพราะกรรมที่ทำไว้แล้วในปางก่อนทั้งสิ้นเป็นเหตุสุขทุกอุเบขาสุขเวทนามีกี่ดวงสุขเวทนามีหกสิสองดวงเนาะ อเก่งมากทุกขเวทนามีสามเดือนทุกขเวทนามีสามเดืออุเบขาเวทนามีห้าสิบห้าเดืออย่าถามต่อกันแล้วกันใช้ได้เพราะในสุขทุกสามอย่างนี้เนี่ยนะรัะทีเดรธีเขาเข้าใจว่าได้รับเพราะกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนทั้งสิ้นเป็นเหตุทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบขาเวทนาเนี่ยเกิดจากกรรมกรรมเก่า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 เหมือนข้าวอย่างเงี้ยแอปเปิลเนี่ยเหมือนแอปเปิลพลาสติกอย่างเงี้ยเหมือนแอปเปิลเลยอย่างเงี้ยอะไรก็ตามถ้ามันเหมือนนะไม่ใช่ความเห็นอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะเหมือนใช่เลยก็แสดงว่าไม่ใช่นะฮะงนั้นพระองค์ก็เลยบอกว่าเราก็กล่าวกับเขาว่าถ้ากันนั้นคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และคนเสพกามก็จะต้องเป็นเพราะกรรมเก่าที่ทําไว้ในปางก่อนเออคนไปลักเล็กขโมยนอยทั้งฆ่าทั้งผิดศีลผิดธรรนี่ก็เพราะกรรมเก่าใช่ไหม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 ไม่ได้ทําให้เข้าใจชีวิตอะไรมากขึ้นนะก็เป็นลักษณะของทิ่ทีที่ปฏิเสธการกระทํากิริยานี่แปลว่าการกระทํอาอกิริยาก็คือการไม่กระทํานั่นเองทีนี้เราลองไปดูอัตกถาบ้างนะคําว่ากรรมเก่าก็คือมาจากบาลีว่าปุปพหะกะตะเหตุเพราะกรรมที่ตนทำไว้แล้วในชาติก่อนเป็นเหตุก็คือลัฐที่ที่ที่เข้าใจว่า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 เช่นบุคคลจะให้ทานด้วยโสมนัสเวทนาก็คือหนึ่งอาศัยความบริบูรณ์แห่งทยทานความบริบูรณ์แห่งผู้รับแล้วก็สมบูรณ์ด้วยศรัทธาใช่เวลาจะให้ทานก็เลยเกิดโสมนัสปราบเรื่จมใจอันนี้ก็เป็นเหตุของกุศลเวทนาที่เป็นสุขแต่ถ้าหากว่าอุเบกขาเวทนาเช่นของที่จะให้ก็ไม่บริบูรณ์อย่างี้ใช่ม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 พอปัญจทวาราวัชนาเกิดขึ้นจากขูวิญญาณก็เกิดเวทนาที่เกิดร่วมกับจากขูวิญญาณเป็นผลของกรรมเก่าสัมปติชนะจิตก็เป็นผลของกรรมเก่าณนะโดยนานาักขัตนิกับกรรมปัจจัยสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตก็เป็นผลของกรรมเก่าอันนี้โดยนานาักขัตหนิกกรรมปัจจัยแต่อารมณ์ของ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 ใช่กรรมเจตนาทุกดวงเป็นกรรมะปัจจัยแต่เป็นสหชาตกรรมปัจจัยทีนี้บอกพระ อ, องค์ตรัสไว้โรคแปดอย่างด้วยกันโรคเนี่ยมีแปดอย่างก็คืออาพาธต่างๆนะอาพาธบางอย่างมีน้ำดีเป็นสมุทฐานก็คือน้ำดีเนี่ยช่วยเรื่องอะไรช่วยย่อยใช่ไหมถ้าน้ำดีมีปัญหาย่อยได้ไหม ไม่ได้พะานน้ำดีที่ที่มีปัญหานะ่ะไม่สามารถทำกิจทำหน้าที่ของน้าดีได้สมบูรณ์แบบก็เป็นเหตุให้ป่วยไข่อย่างหนึ่งเหมือนกันอาพาธบางอย่างมีเสมหะเป็นสมุดฐานสเสลดจมากอาหารไม่ย่อยเป็นต้นก็เป็นถือว่าน้าดีเป็นสมุดฐานต่อไปสามอาพาธบางอย่างมีลมเป็นสมุดฐานแล้วก็อาพาธที่เกิดจากทั้งโรคดีเสมหะโรคลมเนี่ยมาประชมกันก็ทาให้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 ในโรคทั้งแปดอย่างนั้นมิช้าที่ทีกะบุคคลปฏิเสธโรคเจ็ดอย่างข้างต้นแล้วยอมรับแต่เฉพาะโรคชนิดที่แปดเท่านั้นอันนี้ก็เลยทงเหมือนกันันน้นเดี๋ยวศึกษาพระพุทธศาสน า, ษ า, ษ า, ษาเห็นคนป่วยหมดโอ้ยเกิดจักกรรมหมดเลย <c ười> กลายเป็นตู่คำสอนเพราะพระองค์กล่าวว่าโรคภัยไข้เจ็บมีสมุทฐานแปดอย่างนี้ยกให้กรรมหมดไม่ได้เนะ้อ <c ười> แต่ว่าพวกลักทธิกรรมเก่าเนี่ยนะโยนให้กรรมตะบัน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 ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลในพบปัจจุบันอันนะชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมสองอุปชาเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลในพบผัดไปชาวนะดวงที่เจ็ดให้ผลในชาติหน้าแล้วก็สามอัปรารปริยะอัปรารปริยายะเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลในพบต่อๆไปก็คือ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 ชาตินี้นะคนส่วนหนึ่งอ่ะที่ไม่ทํากรรมก็คือกรรมหนักๆเท่านั้นแหละใช่ไหมเล็กน้อยใครไม่เคยฆ่าสาัตว์บ้างยกมือขึ้นนีไหมไม่เคยฆ่าตัวเดียวเลยอ่ะถ้าอย่างนี้ยมีเนระอไม่เคยหยิบของคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วนะข้อสามอาจจะมีอ่ะนะข้อสามอาจจะมีคนทําได้ข้อสี่อ่ไม่เคยหลอกใครเลยเหรอมีไหมพูดโกหกมันพีไม่จริงหรอกหายากเต็มทีนะหาทํายายากมากเลยข้อสี่อ่ะ ไม่เคยด่าใครเลยมีไหมนะ่ตั้งกับเด็กมาเลยอ่ะจั้น่ตั้งกับเด็กมาเลยอย่าไปว่าไอ้ตอนเอ้ใช่อตอนนั้นนั่งฟังทำเนี่ยไม่เคยเลยอะ่ะมราจะเอาแบบเหมือนพระองค์รีมานใช่ไหมดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดในอาริยชาติเนี่ยคิดจะฆ่าไม่มีเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยตอนบวชแล้วตอนบวชไม่บวชนะแล้วโซเซียดอะ่ะเคยพูดว่าร้ายคนอื่นไหมแล้วเพรสเจอร์อ่ะพูดน้อยไม่เคย โลภะเนี่ยโทสะเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เคยทั้งนั้นแะแต่ทีนี้เพราะความไม่เข้าใจนี่แหละมันก็เลยยกให้กรรมเก่าไปมดุดนี้ต่อไปนะในกองวิบากสามชนิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้คือทิฏฐธรรมะเวทียวิบากวิบากของกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันอุปชาเวทียวิบากวิบากของกรรมที่ให้ผลในภพถัดไป อัปราปริยาเวทนิยวิบากวิบากของกรรมที่ให้ผลในภพต่อๆไปมิจฉาทิฏฐิกับบุคคลปฏิเสธวิบากสองอย่างข้างต้นยอมรับเฉพาะอัปราปริยาวิบากอย่างเดียวเท่านั้นกรรมที่ให้ผลในชาตินี้ก็ไม่เอากรรมที่ให้ผลชาติหน้าก็ไม่เอาเอาประเภทที่สามยอมรับอย่างเดียวอันลัดที่เรื่องกรรมนั้นถ้าศึกษาไม่ดีพอนะก็ทําให้เป็นมิจฉาทิฏฐิได้ศึกษาพระธรรมนี้แหละ เห็นตังหลายคนแนละ้วบางทีพูดมาเห็นถูกเลยแยกไม่ได้ของมาเนี่ยใหม่ๆเนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องคนอื่นหรอกมาอ่านสูตรนี้มันจะเป็นอย่างนั้น เ, เวทนามก็เกิดจากกรรมเหรอเอ๊ะว่าสูตรผิดหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นอย่างนั้นเลยเราแยกไม่ได้ใช่ไหมน่าสงสารกันเนีต่อไปนะว่ากองแห่งเจตนานเนี่ยมีสี่ชนิดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้คือกุศลเจตนาหนึง่ง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 เดวงโลกุตราวิบากสี่ดวงรวมเป็นสามสิบหกดวงโอ้เหมือนท่องมาเปียเลยต่อไปกิริยากิริยาจิตมีกี่ดวงกิริยาจิตทั้งหมดยี่สิบดวงก็คืออเหตุตุกากิริยาสามดวงมหากิริยาอีกแปดดวงมหากตะกิริยาอีกเก้าดวงนะยี่สิบอากุศลอากุศลเจตนามีกี่ดวงสิบสองดวง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 ของมาเนี่ยถ้าว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยว่ายากกันนะน้องว่าเป็นภาษาพระพุทธเจ้าได้นีต mm ุปัตยโยรัมนณปัตยโยทิปติปัตยโยเนี้ยสบายหน่อยเพราะฉันถ้าหากว่ารัตทิบางอย่างนะถ้าเข้าใจผิดก็จะเป็นลักษณะนั้นหรือบางคนที่ปัดความรับผิดชอบก็ยกให้ปัจจัยไปเลยก็มีคือปัจจัยมีทั้งหลายอย่างใช่ไหมเสร็จแล้วโอ้ปัจจัยมียี่สีอย่างคุณจะเอาปัจจัยไหนล่ะตอบไม่ได้นั่นแหละใครคําว่าแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัย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 อาโปธาต์มากเป็นไงไม่ปวกเปียกเลยหลายเยิ้มเลยแหละอาโปธาต์เนี่ยหลายเยิ้มเลยแหละถ้าเตโชธาต์มากร้อนทองเลยเหมือนกับคนเป็นลมพิษอะเคยไหมมันร้อนมันพองแบบนั้นเลยคือเตโชธาต์มันมากถ้าวาโยธาต์มากมันเกรง็งมันเกร็งตัวนะมันเกรง่งลักษณะนั้นเขาเรียกว่าวาโยธาต์มากธาตุลมมาก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 เป็นเพื่อนกันมาเนี่ยนะหนึ่งอสงไขยแสนกับซิปึกกันมาตลอดเลยไปไหนทราบจากกันน้อยมากเพรนกล่าวถึงคนคนเดียวก็เท่ากับสองละจิตเจตสิกก็ลักษณะเดียวกันพยโยคาวจรแม้เมื่อกำหนดกรรามาฐานด้วยอำนาจาธาตุกโดยย่อก็ย่อมกำหนดอย่างนี้รูปสี่เหล่านี้คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตจัดเป็น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 ขันไ<บ>รเวทนาขันสัญญาที่เกิดร่วมกับวิญญาณขันนั้นชื่อว่าสัญญาข Allison, ันภาษาและเจตนาที่เกิดร่วมกับวิญญาณขันนั้นชื่อว่าสังขารขันขันทั้งสี่ดังว่ามานี้ชื่อว่าอรูปประขันอันหนึ่งมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ชื่อว่ารูปประขันบรรดารูปและอรูปประขันนั้นอรูปประขันสี่เป็นนาม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 แล้วก็ที่เป็นอะโปธาต์คืออะไรโปธาต์มีสิบสองน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำมันข้นน้ำมันเลี้ยวน้ำไข่ข้อน้ำมดูดพวกเนี้ยเรียกว่าอาโปธาต์เตโชธาต์มีสี่อย่างคือเตโชธาต์ที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นหน้าหนาว น, นี่จะเห็นชัดนะเตโชธาต์มันอุ่นนะถ้ามันไม่ค่อยอุ่นนี่ก็ชัอยู่ไม่สนุกแล้วนะเตโชธาต์ที่ทําให้ร่างกายแกช ะ, ะาเอฟกการนี้จํามันนี้แม่หนหม บ อ, อกว่าถ้าเตโชธาตไม่ทํากิจนะั้นไม่เท่านะเตโชธาตนี้แท้เลยนะตัวที่ทําให้เท่าล่วงการทานไว้นะ่นะแล้วก็เตโชธาตที่ทําให้ช่วยย่อยอาหารเนี่ยนะถือว่าเตโชธาตมีความสําคัญมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขณะไข่อะ่ะป่วยไขย้นี่จึงมีสี่อย่างวายโยธามีหกส่วนหกส่วนก็คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องตามลงในท้อมในลําไส้แล้วก็อะไรอีก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 แปดสิบดคูณี่ท่ากับสารอยยี่สิบสี่โอ้แม่นเนาะเท่ากับนามสามร้อยยี่สิบสี่รูปหกสิบหกโอ้กำหนดเอาเถอะเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือรูปกับนามเท่านั้นแล้วก็รูปกับนามทั้งหมดเนี่นะรูปประทับหกสิบหกนั้นประมวลมาแล้วก็เหลือแค่สองอย่างใช่ไหมคือนามกับรูปไม่มีสัตว์ชีวะนอกไปจากธรรมะสองอย่างนั้น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 นะกลับไปหน้าสองรอยแปดสิหกคืออีกครั้งหนึ่งเนาะจะได้ดูคําอธิบายในอัตกถาคําว่าจากคุ้งผัสาะยตนางความว่าจากสู่ชื่อว่าอายตนะเพราะความหมายว่าเป็นบ่อเกิดอาบ่อเกิดนี่หมายความว่ายังไงโดยอัฐาว่าเป็นสมุทฐานแห่งผัสสะเจดที่เกิดพร้อมกับวิญญาเจ็ดเหล่านี้คือจากคูวัตถุเนี่ยนะทำให้เกิดจากคูวิญญาณสองสามปฏิชนจิตสองสันติรณจิต สเปรียบเหมือนทองคําเป็นต้นเป็นบอกเกิดของทองคําเป็นต้นจากคู่นี้เป็นที่อาศัยเกิดของจากคู่วิญญาณเป็นต้นนั่นเองส่วนทางหูล่ะหูก็คือโสตวิญญาณกี่ดวงสองดวงสัมปติชนะสองสันติรณะนะสาทางจมูกกี่ดวงเจ็ ด, ดวงเหมือนกันนั่นแหละคือขานวิญญาณสองสัมปติชนะสองสันติรณะนะสาม มโนภาษายตนางเพิ่งทราบว่าวิบากภาษยี่สิบสองวิบากยีสบสองคืออะไรบ้างกรรมฐานนี้มาด้วยอำนาจภาษายตนาหกดังว่ามานี้ยี่สิบสองก็คือมหาวิบากเท่าไหร่แปดมหากาาวิบากอีกเก้าแล้วก็สัมปติชนะสองสันติรนะสามรวมเป็นสิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดบวกห้าเท่ากับ ยี่สิคือสัมปติชนะสองสันติรณะสามหาวิบาก8ดมหักะตาวิบาก9กรรมฐานนี้มาด้วยภาษาหนะภาษายตนาหกรรมฐานนั้นควรกล่าวทั้งโดยย่อและโดยพิสดารว่าโดยย่อก่อนก็ในอยตนะหกนี้อยตนะห้าข้อแรกเชื่อว่าอุปาทายรูปตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอุปาทายรูปเมื่อเห็นยตนะห้านั้นแล้วก็เป็นอันเห็นอุปาทายรูปที่เหลือด้วย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 ใจของบุคคลนั้นย่อมเคล้ารูปเสียงกลิ่นรสโพธพะธรรมรมไอ้คำว่าเคลา้าตรงนี้หมายถึงนึกน่วงหรือว่าส่งใจเที่ยวไปเที่ยวไปอย่างใกล้ชิดเคล้าเคลึงนึกน่วงนั่นเองเคล้าเคลืงหรือนึกน่วงหรือน่วงนึกอะ่ะน่วงนึกถึงรูปใช่ไหมใครเคยคิดถึงรูปไหมอ่าน่วงนึกถึงรูปน่วงนึกถึงเสียงอ่าสมมติถ้าน่วงนึกถึงรูปเป็นยังไงเช่น นึกถึงหน้าเพื่อนอย่างนี้ใช่อ่านึกถึงคําพูดของเพื่อนนึกถึงไปได้กลิ่นน้ําหอมอะไรสักอย่างหนึ่งก็นึกถึงกลิ่นไปทานอาหารที่ไหนมาโอ้อร่อยอร่อยนึกถึงรสนึกถึงโพธาภะนะแล้วก็นึกถึงธรรมรมเรื่องราวบัญญัติต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นพอนวงนึกอย่างนั้นแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัตพอนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโรพธพภะบางอย่างก็ยิ้มแป้เลยใช่ไหม ใครนึกแล้วไม่เคยยิ้มบ้างแสดงว่าน่าดูเงี้นเนาะแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งโทมนัตหนึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาหนึ่งเวทนามีเท่าไหร่ตรงนี้มีเวทนาสามคือโสมนัตโทมนัตและอุเบกขาอ่านึกถึงรูปแล้วเป็นโสมนัตนึกถึงรูปแล้วเป็นโทมนัตนึกถึงรูปแล้วอุเบกขาใช่ไหมได้เท่าไหรล่ละ สามสามคูณอารมณ์หกเท่ากับสิบแปดโหัวบโมรวบพังครบทสิบแปดพอดีเลยใช่ไหมถ้านึกถึงรูปแล้วโสมนัสเป็นอย่างไรอันนนึกถึงรูปที่เราชอบอ่ะนะพักเดียวเดี๋ยวก็โสมนัสละนึกถึงรูปที่เราชอบทำให้เกิดโสมนัสถ้านึกถึงรูปที่ที่ไม่เป็นที่ชอบอ่ะนะนึกถึงรูปที่เราไม่ชอบเป็นโทมานัสเนี่ยทุกข์ละถ้านึกถึงบางรูปแล้ว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 ขณะที่เรานั่งรถขับรถอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยสีเนี่ยมาละสามอย่างนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งดีใจบ้างเสียใจบ้างเฉยบ้างนึกถึงเสียงเหมือนกันเสียงบางคําเนี่ยนึกแล้วยิ้มเลยาเสียงบางคํานึกแล้วเฉยเสียงบางคํานึกแล้วเสียใจมากเกลิ่นรถโพธิภะธรรมรมณ์ก็ก็เหมือนกันอย่างเรื่องบางเรื่องนึกแล้วยิ้มเลยเรื่องบางเรื่องนึกแล้วทุกเรื่องบางเรื่องนึกแล้วก็เฉยอันนี้เขาเรียกว่ามโนปวิจาร์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 ทุกทุกคสมุทัยทุกคาิโร่ทุกขาเนโร่ท่คามินีปฏิปทานี้สําหรับบุคคลผู้สเสวยเวทนานั่นแหละใครรู้ไหมก็บัญญัติอริยาศาสตร์ลงในผู้รู้อะนะผู้สเสวยเวทนาก็คือผู้รู้นั่นเองก็คือถามว่าอริยาศาสตรที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละแต่มันไม่ครบสี่สิมีแค่สองมีอะไรบ้างทุกคาสมุทัย <laughs> เราก็สัจจาเหมือนกันนะ แต่ตัดจะบางอย่างไม่เพึ่งตาดธนาบางงั้นทุกควรปริญญาสามเออทุกคืออะไรบ้างอ่ะพลิกไปอีกหน้านึงก็ทุกขาริยสัตร์เป็นอย่างไรชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แก่นี่ทุกหรือเปล่าเนาะมรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปฏิเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขา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 สัมปโยโคทุกโโห่ความประจกบ wallet, ะจกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์เปียหิวิปโยโคทุกโโห่ความพระภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักกับพระภาคจากของรักเอาันไหนไม่ดีทั้งคู่เลยเนาะแต่ว่าประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักนะก็ทุกข์พอสมควรนะแต่เขาบอกว่าการพระภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นความทรมานเขาบอกงั้นเมื่อวานถามผู้การให้ทรมานนี่หมายถึงว่าไง ทรมานมาจากศัพท์ไหนเอา้าเรียนอภิธรรมได้หนิสองข้อลงนี่ทรมานธุระเอาซาอูเป็นรอเรือนะะฉนั้นก็มาจากทุกบวกมานะแปลว่าอะไรแปลว่าใจสาอูเป็นซาโอ ก, ก็เป็นโทมานัส น, น์ทรมานก็คือโทมนัต เ, เวทนาเกิดร่วมกับโทสะคำนวนไทยๆก็เป็นความทรมานเขาว่าไสรุปแล้วทุกทั้งคู่นั่นแหละ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 ตันหาเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพ่เพราะพ่อเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโซกกะปริเทวะทุกขะโทมนัน้อุปาญาตเป็นนั้นว่ากองทุกทั้งมวล น, นั้นเกิดขึ้นแล้วด้วยประการเช่นนี้ก็บอกว่าเอวเมตัสะเกวรสะทุกขขันธัสสะสมุทะโยโหติเขาว่ากันเกวรสะหรือเกวลัง ก็บอกว่าเกวัลังเนี่ยนะแปลว่าลว้วนๆทุกขษะอะไรลว้วนๆนอาไว้กองทุกลว้วนๆเลยนะทุกบริสุทธ์เลยอะ่ะไม่มีอะไรอย่างอื่นแทรกแซงเจือปนมาเลยอะ่ะนะครัว่าเกวรัสสะทุกขขั้นทัสสาวักรส牟ทโยโหติมันสมูทยัทยรือว่าทุกมันเกิดขึ้นแบบนี้แลเพรันถามว่าสมูทัยของสังขารได้แก่อะไรสมูทัยได้แก่สังขารได้แก่อะไรกัอวิชา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 อุปาทานก็ดับพระอุปาทานดับภพบก็ดับพราะภพดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกปริเทวทุขโทมานัสอุปายาตก็ดับกองทุกข์ทั้งมวล น, นั้นก็ดับไปด้วยประการอย่างนี้อะแค่ไหนก็ดับไปด้วยประการชนี้แค่ไหนอรหัตผลเอาแบบสูงสุดเลยนะเราฟังยังไงกน็นึกไม่ออกเลยเนาะแสดงว่าศึกษาไปอีกเถอะ นี่ภิกษุทั้งหลายเราเรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธาครมมินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอย่างไรอริยมรตมีองค์แปดนี้เท่านั้นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นะคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอ่าถ้าหากว่าอริยมรตเนี่ยนะขอให้รู้เธอว่าในองค์มรตแปดนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวเท่านั้นเอง แต่ถ้าสมาทิฏฐิทั้งหมดเคยได้ยินมีเท่าไหร่สมาทิฏฐิมีเท่าไหร่มีห้าหนึ่งกรรมสักตาสมาทิฏฐิสองสองอะไรมิปัสสนาสมาธิฏฐิสามฌานฌานสมาธิฏฐิสี่มัคคสมาธิฏฐิห้าผลสัมมาธิฏฐินะผลตรงนี้เอาอะไรรู้ไหมถ้าทุกขนิโรธคาไมินีปฏิปทาริยสัตว์ได้แก่มัคคสัมาธิฏฐิถ้าเฉพาะตรงนี้นะ แต่ว่ามัคคสมาทิทฐิจะต้องอาศัยกรรมสกตาสัมมาทิฐิวิปัสนาสา ม, มาทิทีินั่นแหละเป็นปัจจัยให้ปัญญาก็มีปัญญาเป็นปัจจัยนะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสาัมมาสติสัมมาสมาธินี่พิสูจทั้งหลายเราเรียกว่าทุกข ني โรธคามินีปฏิปทาอริยสัต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 สัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาพันสัมมาทิฏฐิตรงนี้เนี่ยมีหลายระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็คือหนึ่งกรัรมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิสองวิปัสนาสามฌานสัมมาธิฏฐิต่อไปมัคสัมมาทิฏฐิ ในพระสูตรเนี่ยหมายเอามาักแต่ว่าจริงๆแล้วส ม, มาธิฏฐิเนี่ยนะถ้ากรรมสกตาส ม, มาธิฐิดีสัมมาสังกปะคิดก็ดีด้วยคําพูดก็จะสอดคล้องกับกรรมสกตาเป็นต้นก็จะวนมานี้เพื่อส ม, มาทิฐิชั้นสูงขึ้นมาอีกเพื่อที่จะมาเข้าสู่ระบบวิปัสสนาสมาธิฐิวิปัสน ส, มมปสนาส ม, มาธิฐิก็จะวนไปอย่างนี้เรื่อยๆอลักษณะวนแบบนี้นะ ระดับกรรมมัสการตาสมาทิที่ก็ระดับหนึ่งก็วนแบบนี้ระดับหนึ่งสองวิปัสสนาก็วนแบบนี้ระดับหนึ่งแล้วก็ไปจนถึงมรกระดับวิปัสสนาเนี่ยนะยานออกเป็นเท่าไหร่ดูไหมวิปัสสนาญาณทั้งหมดนะวิปาาัสสนาญาณถ้าเรียบเรียงไปแล้วเนี่ยตั้งแต่นามรูปประเฉทฐญาณจนถึงปัจเจกขณะญาณทั้งหมดมีสิบหกสิบหกชั้นเนี่ยจะวนลนนักษณะนี้แต่ถ้าเป็นอริยมรกนะถ้าเป็นอริยมรกรเลย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 ปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็นธรรมะนะวันนี้ก็คงใช้เวลากัาเท่านี้อันนี้ก็ขอกล่าวถึงเรื่องกรรมการศึกษาพระธรรมะที่ไหนเรากุศลเจริญแล้วก็อยู่มากหน่อยที่ไหนเราคิดว่าเราจะเจริญงอกงามในธรรมะได้ล้วก็เอาที่นั่นก็ว่า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 ควพิจารณานั้นถ้าหากว่าผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกจะเห็นว่าพระสมัยพุทธกาลนั้นจะจาริกค่อนข้างมากจาริกเพราะงองก็เลยแสดงโทษของการเดินทางมากเกินไปหนึ่งแล้วก็แสดงโทษของการอยู่กับที่อย่างหนึ่งก็คืออเดินทางเกินไปก็ไม่ดี อ, อยู่ติดกับที่มากเกินไปก็ไม่ดีอันหาความพอดีให้พบกันแล้วกันถามว่าความพอดีที่ว่านี่คืออะไรก็คือการเจริญงอกงามในกุศลธรรม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 ทางของเราก็คือโรคมันไม่ค่อยกำเริบมากก็ถือว่าใช้ได้แล้โรคไม่กำเริบแล้วก็ยานี่ได้รับมากขึ้นมากขึ้นเจริญ ง, งอกงามในกุศลธรรมมากขึ้นก็แสดงว่านั่นแหละคือกิจของเราอันถ้าหากว่าเราไม่บำเพ็ญกิจอันนั้นเข้าไม่เจริญกุศลอันนี้เราก็เรียกว่าเจอเจอผู้ศาสนาแต่เราได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน้อยมากพอเราล่วงรับดับชีวิตตายจากชาตินี้ไปแล้วไปโหยหวนหาพระพุทธเจ้ส า, สาที่ไหนอีก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 เราจะสำคัญผิดสำคัญถูกสำคัญมันยังไงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันนั่นแหละธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเองั้นถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจอันนี้ขึ้นก็รีบเจริญกุศลกุศลเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายันถ้าหากว่าเราไม่สามารถเจริญกุศลได้เนี่ยเราก็คงเป็นคนที่น่าสงสารเหมือนกันในบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายาวันนี้ก็ขอกล่าวถึงพระสูตรในมัชชิมนิกายมูลปัญธา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 อริยสัจมีสี่อย่างกุศลธรรมทุกชนิดสงเคราะห์ลงในอริยสัจสี่อริยสัจสี่นี้มีสี่อย่างสี่อย่างคือทุกขอริยสัจหนึ่งทุกขะสมุทัยอริยสัจหนึ่งทุกขนิโรธอริยสัจหนึ่งทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจหนึ่งอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการถ้าหากว่าผู้ที่เจริญกุศลธรรม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 เตโชธาต์วาโยธาต์คิดว่าเอามาแค่สี่อย่างที่จริงโรคทั้งหมดมียี่สแปดยี่สิบแปดนั้นกล่าวมาแค่สี่อย่างเขินต้นแล้วเนี่ยกุศลธรรมทั้งหมดอยู่ที่อริยาาสัจสี่ใช่ไหมอริยาาสัจคือทุกสท์สมุทัยนิโรธมรรคในอริยาาสัจสี่นี้สามข้อยังไม่พูดถึงพูดถึงเฉพาะทุกขาริยาาสัจอย่างเดียวทุกขาริยาาสัจก็ยังแบ่งออกเป็นขันห้า ในขันห้านั้นน่ะเอาแค่รูปประคันมาอย่างเดียวนะรูปประคันมียี่สแปดก็ไม่เอาหมดเอาแค่มหาภูตรูปอย่างเดียวดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ปัทวีธาตุเป็นฉนะิดธาตุดินเนี่ยเป็นอย่างไรคือปัทวีธาตุที่เป็นไปภายในก็มีปัทวีธาตุที่เป็นไปภายนอกก็มีปัทวีาทากกธวาตุมีสองอย่างคือทั้งภายในในก็คือในไหนในร่างกายของเรานั่นแหละ ภายนอกก็คือนอกร่างกายของเราก็ปัทวีธาติที่เป็นไปภายในเนี่ยเป็นฉไหนะก็คืออุปาทิน agara รูปอันเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของแค่นแข็งเป็นของหยาบอะไรที่มันแค้นแข็งอะไรที่มันหยาบซึ่งมีอยู่ภายในตนอ่ะที่มีอยู่ภายในร่างกายนั่นแหละเรียกว่าปัทวีธาตุภายในประกอบไปด้วยผอม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 กินข้าวสุก ข, ขนมสดมาเรื่อยๆก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆเค่อยโตาค่อยโตตันหาและที่ถินเนี่ยเข้ายึดเลยเนะ เ, ร า, เ, ร, าเนราของเราเป็นอัตาของเราจริงเขาก็มาตามหน้าที่ของเขาทีนี้ภาษาริบรท่านก็อุปมาว่าสมัยที่ปฐวีธาตุที่เป็นไปภายนอกกำเริบย่อมจะมีได้แลในสมัยนั้นปฐวีธาตุอันเป็นไปในภายนอก จะเป็นของอันตรธานไปก็เชื่อว่าความที่แห่งปฐวีธาตุอันเป็นไปในภายนอกซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นเป็นของไม่เที่ยงจับปรากฏได้ความเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดาจับปรากฏได้ความเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดาจับปรากฏได้ความเป็นของแ ป, ปรปวนไปเป็นธรรมดาจับปรากฏได้ ขนาดว่าแผ่นดินซึ่งมันใหญ่โตมากมายก็ยังเป็นของที่มีความเส้นมีความเสื่อมเป็นของที่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจะเห็นภูเขาทั้งลูกในสมัยนี้เดี๋ยวก็ระเบิดเต้นหมดแล้ใช่ไหมฮะมาทําถนนตึกกรามบ้านช่องซึ่งมันใหญ่โตมันก็ยังแตกก็ยังทําลายยังแตกสลายพระเจดีย์บางทีพระเจดีย์ใหญ่ๆก็ยังแตกทําลายยังแตกสลาย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 คงทนไม่มีความมั่นคงอะไรแล้วนะภาษาร้ายกัไอ้ของภายในเนี่ยเนาะเบาบางจะตายไปน่าอาจัจ น, นะการมีชีวิตยอยู่ได้ไม่น่าอยู่ได้แต่ก็อยู่ได้เนาะหล่อเลี้ยงอยู่ได้เนี่ยเป็นของที่น่าอัศจรรย์แต่ก็ชั่วคราวเป็นของชั่วคราวเพราะว่ากรรมม่ชื้อโส่วนหนึ่งก็แล้วแต่กรรมถ้ากรรมเขาไม่อุปธรรมกรรมเขาหมดปัจจัยกายนี้ก็ต้องแตกทําลายไปเป็นธรรมดา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 เป็นลักษณะนี้ของเขาอ่ะซึ่งเป็นของที่อยู่ชั่วคราวเป็นของที่อยู่ได้ไม่นานแตกด้วยอํานาจนิจจา ว, วิปลาอนะนะสําคัญว่าเหมือนกับถาวรเหมือนกับมันมั่นคงทงั้งๆที่ความเสื่อมสิ้นสลายไปของของร่างกายของคนอื่นก็มองให้เห็นตั้งมากมายใช่ไหมคนตายให้เห็นก็เห็นเกือบทุกวันไปงานศพเนี่ยก็บ่อยๆแต่ก็ไม่ใช่ตกเราสักที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 เพราะเป็นปัจจัยแก่อะไรชาติชาติก็อะไรตามมาชร า, าก็ตามมาชร า, ามอะไรตามไม่อีกตายแล้ว เ, เกิดมันจะไปยากอะไรนะของมันเร็วเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้พระองค์ตรัดว่าเหมือนความฝันเหมือนข อ, ของขอยืมเข้ามามันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้ความยึดถือด้วยสามมาตัญหามาณนะทิฐิในปฐวีธาตุนั้นจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลย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 เจ็บใจนี้ก็เป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็เกิดจากโสตสัมผัสภิกษุแม้นั้นแลย่อมเห็นโสตสัมผัสนั้นนะเป็นของไม่เที่ยงเพราะภาษามีอะไรเป็นปจัจจัยภาษะก็เกิดจากสลายตนะถ้าตรงๆสลายตนะก็คืออิจตนะภายในกับอิจตนะภายนอกทําให้เกิดจิตใช่ไหมหูเสียงโสตวิญญาณความประชุมสามอย่างเรียกว่าภาษา เพาะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาแต่เสียงนั้นเป็นเสียงที่ไม่น่าปรารถนาเป็นเสียงเสียงด่ามาแบบเนี้เพราะฉะนั้นภาษาก็ภาษาเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะภาษาเนี่ยมันเกิดอาศัยระหว่างหูกับเสียงกับโสตวิญญาณอันถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหมดไปภาษาก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีเสียงภาษาก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีจิตได้ยินภาษาก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีหู ภาษาก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นภาษาจึงไม่เที่ยงอาศัยปัจจัยใช่ไหมถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่ไ ม, ไม่มีแล้วก็เหมือนกับเสียงกลองนะไหถ้าไม่เคาะมันก็ไม่ดังอไอ้การกระทบที่มันเคาะนี่ก็อาศัยการกระทบกันนั่นเองเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาที่เกิดจากภาษาเนี่ยนะเวทนานั้นก็เป็นของไม่เที่ยงถ้าไม่มีภาษาก็ไม่มีเวทนา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 กำหนดนี่คนทั่วไปนี่คิดเหมือนแต่เบรคใช่ไหมเออเสียงนั้นัอ่อนังน่ ง, งกำหนดดูสิกำหนดดูสิมันก็จะอยู่แค่นั้นแหะซึ่งมันไม่ใช่ลนนักษณะนั้นะคำว่ากำหนดนั้นอะยาตาปริญญาเนี่ยเป็นการรู้รอบรอบรู้วิจัยสิ่งเหล่านั้นตามตามความเป็นจริงทั้งหมดเลยวิจัยแมก้กระทั่งเสียงเกิดจากสมุทฐานเท่าไหร่สองใช่ไหมเสียงเกิดจากจิตกับอุตโตแล้วอุตโมีกี่ชนิดอะ เสียงรถเสียงเรือเสียงพัดลมเสียงตู้เย็นโทรทัศน์ทีวีโอ้เสียงมากมายแล้วเสียงคนอ่ะที่เรียกว่ามีจิตเป็นสมุทฐานและจิตมีกี่ดวงอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเออสักแต่ว่าเสียงไอสักแต่ว่าเสียงเนี่ยในคาถานั้นจะบอกว่าดูก่อนพา hiya เธอพึงทำศึกษาว่าได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอ่ะเพราะเนี่ยศึกษาก่อนนะศึกษาก็เป็นชื่อของสิกขาสาม เพันพวกนี้จะต้องศึกษาเรียนรู้พิจารณาอย่างอย่างดีอย่างละเอียดแล้วก็พิจารณาหูด้วยพิจารณาโสตวิญญาณด้วยพิจารณาภาษะเวทนาด้วยเพราะฉะนั้นจิตก็ไม่ยึดถือในถ้าหากว่ามีการพิจารณาทางหูก็เป็นลนนักษณะนี้หากว่าชนเหล่าอื่นจะพยายามทําร้ายพิษสูนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร้ไม่น่าชอบใจทางกายเนี่ย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 ที่เป็นไปด้วยการประหัดประหารด้วยท่อนไม้บ้างเป็นที่เป็นไปด้วยการประหัดประหารด้วยสาตราบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมการถูกกระทบกระทั่งกระทบกระเทียบภายนอกเนี่ยที่มากระทบกายเพราะว่าโภทภารลมเนี่ยนะก็คือพวกโภทภารลมบางอย่างก็มาจากมือโภทภารลมบางอย่างก็เป็นไม้โภทภารลมบางอย่างก็เป็นมีดอย่างเงี้ยมันก็ธรรมดาก้อนดินท่อนไม้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้นึกถึง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 เพียนเพียนทำอะไรเพียนที่จะพอกพูนกุศลอันนี้มากๆสติอันเราเข้าไปตั้งไว้แล้วจักเป็นคุณชาติไม่หลงลืมสติเนี่ยสามารถวินิจฉัยดีชั่วได้ใช่ไในขณะนั้นแตนะ่ถ้าปล่อยให้โทสะเกิดนี่เสียหายแน่ใช่ไมนรกแน่แนอนเลยนรกเนี่ยไม่ได้เกิดจากคนอื่นแช่งแต่เกิดจากอกุศลและมันเป็นเหตุให้ไปสู่อบายสติเนี่ยจะไม่ประมาทใช่ไหม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 มิปัสสนาก็ยังไม่ดำเนินไม่แล่นต่อไปเพ็กสูนั้นย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นโอ้ขณาระดมความรู้ตามระลึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้ากว่าแล้วนึกถึงคุณของพระธรรมกว่าวแล้วนึกถึงพระสงฆ์ไแล้วถูกเขาด่าพระพุทธเจ้าเอามาสลับกันไงถูกด่าทีก็ถูกสลับมาทิง้งเพ็กสูนั้นก็สลดใจว่าโอ้ไม่เป็นลาบของเราหนอะลาบไม่มีแก่เราหนอะ เราได้ไม่ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีแกเราแล้วหนอโอ้ยเรานี่ไม่ได้ดีแล้วขนาดอยู่ในศาสนาเนี่ยนะขนาดอยู่ในโรงพยาบาลไข้ยังขึ้นเอาขึ้นเอาเนี่ยนะอยู่นอกโรงพยาบาลจะขนาดไหนขนาดเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงมีพระธรรมคำสอนเป็นเครื่องปฏิบัติมีพระสงค์เป็นเยี่ยงยางในการประพฤติปฏิบัติเราก็ยังไม่ได้ดีอะ่ะ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 อาคุศรก็ให้เกิดในอบายทุคติวินิบาตานรกนั่นแหละโอ้ยเราเนี่ยขนาดเจอเจอพระศาสนาเจอพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกับได้ยาแล้วก็ยังป่วยอยู่นั่นแหละโอ้ยหน้าท้องสาร น, นะใครมันจะหน้าทองสารถ้าเราอ่ะเนาะเห็นโทษเด้อเนี่ยตนต่อแห่งความทุกข์อยู่นี่แหละที่สูนั้นย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นฉันนั้นเหมือนกันแหลสลดใจเธอสังเวชใจเธอโอ้ยเจริญกรุณาตัวเองมากๆกันนะ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 คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันพิสูนนั้นทําให้มากแล้วเรียกว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตามคําสอนแล้วเรียกว่ายิ้มได้เลยถ้าโอ้เนี่ยในบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนเราก็หนึ่งในคนนั้นแหละเพิ่มใจภูมิใจในตัวเองได้เป็นเราเนี่ยไม่ไม่กำพร้าแล้วเรามีสารณะเรามีที่พึ่งพระเจ้าบอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลา ย, งลายจงมีตนเป็นเกาะ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 พิจารณาพวกกายพวกอันนั้นเป็นต้นอะ่ะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปลนาตาด้วยตามหลักมิปัตนนาด้วยเจริญพุทธคุณด้วยหายาทาด้วยะนะอะไรหลายอย่างเอาให้เรียกว่าเบนประเด็นออกไปก็เหมือนกับรถมันจะชนใช่ไหมหักพวงมาลัยหลบเท่าน่อยก็ชนน้อยนหน่อยอปวดมันก็ปวดอะไรยังไงมันก็ปวดแต่ถ้าไปปารบถึงเรื่องอื่นนะความปวดมันก็ลดลงสมมุตินะ่ขนาขณะบางคนเนี่ยเขามีความภูมิใจบางอย่างอยู่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 โอกาสที่ท่านได้นึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าโอกาสที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนพระสูตรตรงนี้เหมือนกันนะไม่ได้ให้นึกโอ้โหเจ็บเหลือเกินนะแหมไม่น่าทํากับเราอย่างนี้เลยเราไม่ให้นึกถึงอันนี้ให้นึกถึงคําสอนให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าอย่างคนสมัยก่อนเนี่ย <ms> เขาภูมิใจมากเขามีความสุขมากที่เขาได้นับถือพระพุทธเจ้าที่เขาได้ปฏิบัติตามคําสอน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 มีปฐวีสีมีมนสิกาถ้ามนสิกาเมื่อไหร่กายาวิญญาณจริงจะเกิดถ้าไม่มนสิกาไม่เกิดหรอกแค้นขาดถ้าไม่คิดมันก็ไม่ปวดใช่ไหมถ้าคนตัดความคิดได้ก็ไม่ปวดแล้วเรียกว่าทําเวทนาให้เป็นอโภโรหาริทําให้เหมือนไม่มีอ่ะก็คือไม่ไม่สนใจวิธีการไม่สนใจก็คือนึกถึงสิ่งที่เขาสบายใจที่สุดอมีมีคนคนหนึ่งอ น, นะเป็นฝรั่งเขาไปถอนฟัน เขาบอกว่าหมอเนี่ยถอนฟันทธรรมาาการถอนฟันนี่จะปวดใช่ไหมเขาบอกว่านายคนนี้เนี่ยเขากําลังทํางานวิทยุอยู่เมื่อเขาทํางานวิทยุเนี่ยทําไงอะ่ะขณะที่เขาปวดนีน่เขาไม่สนใจเรื่องฟันเขาเขานึกถึงรายการวิทยุของเขาเพลนเลยอะ่ะหมอถอนไม่ตั้งหลายซี่แล้วหมอถอนหมอถอนบ้างหรือ ย, ยังหรือวกันบอกว่านี่ไงถอนไปแล้วฮะถอนได้หรือ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 ประโยค่ะค่อนข้างวิบัติกายะประโยคะวจีประโยคะวิบัติยามที่มีเรี่ยวมีแรงยามที่พอมีสติมีกำลังมีปัญญาก็ไม่รีบศึกษาคําสอนเอาไว้ก่อพอไปเจอตอนนั้นไปแล้วโอ้ยพระมาช่วยไม่ได้ดอกบอกพระป่วยเหมือนกันไม่รู้จะแนะนําอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเขาเขามีความเข้าใจบางอย่างก็าสามารถจะช่วยได้หรืออีกส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเขาจะยังไงก็จะจ ะ, จะเกิดใหม่แน่นอนอย่างนั้นเถอะ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 ่าท่านเป็นโรคลมอ่ะทีนี้เป็นโรคลมท่านก็คือแ ค, อคอ่นอนดิ้นนะนะตะกุยตะกายอุ้มโอ้โหมดิ้นมากลูกศิษย์ก็บอกโอ้ธรรมณะธรรมณะควรอดทนไม่ใช่หรือครับท่านก็ปล่อยมืออดทนแค่นี้พอไหมวั ง, งั้นไส้ได้ทะลักออกมาเลยลมมันเสียดแทงแล้วไส้เนี่ยทะลักเลยแค่นี้พอไหมวั ง, งั้น <c oughs> แล้วท่านก็เจริญนิพัานนาด้วย <c oughs> นัการศึกษาพระธรรมช่วยตั้งแะ่ต้นเนี่ยเป็นความดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่ฝึก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 ถ้ากรรมทำได้แก่กรร ม, มาอารมณ์นึกถึงอะไรนึกเมื่อก่อนนะเราได้สมาทานศีลตอนนั้นได้ศึกษาพระธรรมตอนนั้นได้จิตเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่านึกถึงกรรมะอารมณ์โอโนึกถึงหนังสือนึกถึงพระธรรมคาสอนเคยไปให้ทานเคยไปทําบุญที่นั่นที่ น, นี่นึกถึงภาพเหล่านั้นเป็นกรร ม, มานิมิตรอารมณ์อนึกถึงภาพเทวดาเกิดมาไม่เคยเห็นไม่รู้เป็นยังไงก็ไอ้คอตินิมิตเนี่ยนึกยากหน่อย <c oughs> เอากรรมกับกรร ม, มาอารมณ์กันแล้วกัน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 เราเป็นสิวดูเราจะป่วยมากกับาเขาด้วยํามั้งคนทั่วไปมันยึดถือมากขนาดนั้นนะแล้ทีนี้ต่อไปมาดูอาโปธาดูกนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็อาโปธาดเป็นไงนะคืออาโปธาดที่เป็นไปในภายในก็มีอาโปธาดที่เป็นไปในภายนอกก็มีก็อาโปธาดที่เป็นไปในภายในเป็นไงนะคืออุปาทินน้าการูปอันเป็นภายในเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบถึงความเอิบอาบที่มีอยู่ในกายนี้มี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 การหา m a n ะและทิฐินั่นเองครั้นเห็นอาโปธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาตุโอ้ยเพราะอาโปธาตุนี่แหละนะที่ทุกเนี่ยก็อ า, อาโปธาตุนั่นแหละทุกกับทุกเพราะเลือดนะ่ะนะถ้าโรคบางอย่างก็มีเลือดเป็นเลือดอะไรเลือดเข้มเกินไปเลือดจางเกินไปมีหลายโรคอ่นนะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเลือดมาเล่าให้ฟัง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 ชั่วลำตานมัง่งสมัยที่น้ําในมหาสมุทรเนี่ยขังอยู่เจ็ดชั่วบุรุษมัง่งก็คือประมาณสิบสี่เมตรสิห้าเมตรอะลึกแค่นั้นเหกห้าสี่สามสองชั่วบุรุษหรือประมาณชั่วบุรุษเดี่ยวก็คือประมาณเมร็รเศษๆอย่างเงี้ยสองเมตรอย่างเงี้ยในสมัยที่น้ําในมหาสมุทรเนี่ยขังอยู่กึ่งชั่วบุรุษบ้างประมาณเพียงสเสลบ้างประมาณเพียงเขาประมาณเพียงข้อเท้าย่อมมีได้แหละน้ําทะเลเนี่ยใครไม่เคยเห็นทะเลบ้างไม่มีเนาะเห็นน้ำหมดแล้ว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 เวลามันเกิดก็เออเนี่ยมันมหาภูต ร, รูปเหมือนกับงูเห่านั่นแหละเลี้ยงในเชือกล้อเพราะฉะนั้นที่เรณามหาภูต ร, รูปเหล่านี้ก็เตโชาธาต์อันใดแลเป็นไปในภายในเตโชาธาต์อันใดเป็นไปในภายนอกนั่นเป็นเตโชาธาต์แหละบัณฑิตพึงเห็นเตโชาธาต์นั้นนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราของเราหรือเปล่าของเราก็น่าจะฟังกันบ้างอ่ะเนาะพวดน้อยน้อยได้ไหม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 บัณฑิตครั้นเห็นเตโชธาต้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตย่อมยังจิตให้คลายกำหนัดในเตโชธาตอันเตโชธาตเนี่ยมีความสําคัญมากนะหน้าหนากว่าเตโชนั่นแล้วหน้าร้อ น, อนเตโชนั่นแล้วอันหน้าฝนไงนอาโปก็เกี่ยวกับธาตุธาตุนั่นนะไม่พ้นท่านมหาภูตารูปนี่มันวิ จ, จิตจริงๆนะในสมัยที่เตโชธาตอันเป็นไปในภายนอก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 อันเป็นไปในภายนอกนั้นซึ่งใหญ่ถึงความเพียงนั้นเป็นของไม่เที่ยนจักปรากฏได้ความเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดาจักปรากฏได้ความเป็นของแ ป, ปรปลุนไปเป็นธรรมดาจักปรากฏได้ก็ชะไหนความที่แห่งกายอันตันหาเข้าไปถือเอาแล้วว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่อันตั้งอยู่ตลอดการพอประมาณนี้กายนี้พอประมาณเนอะนานไหม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 คนอื่นจริงเขาอายุร้อยกว่าขวบของเราจะถึงหรือเปล่ามาดิศึกษาธรรมะก่อนเดี๋ยวเกิดใหม่จะได้เลือกเกิดดีๆหน่อยใช่ไหมเออศึกษาเพื่อเกิดอีกก็ศึกษาเพื่อทุกนั่นแหละยังยินดีในการเกิดก็ยังยินดีในทุกผู้ใดยินดีในทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นจากทุก เ, เกิดอีกก็ทุกอีกแล้วลหละร่างกายเนี่ยนะเป็นของที่มีพอประมาณเนี่ยกายอันนี้ก็ไม่เที่ยง มีความสิ้นไปเป็นธรมนมมมปปนธรมดาเป็นของมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นของมีความแปรปลวนไปเป็นธรรมดาจักไม่ปรากฏเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ความยึดถือด้วยสามาถตันหามานะและทิฐิในเตโชธาต์นั้นจักไม่มีแก่ผู้นั้นเลยถ้าตามเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้มากๆตันหามไม่ได้ช่องล็อกมานะก็ไม่ได้ช่องทิฐิก็ไม่ได้ช่องจนถึง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 ด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้แลคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันที่สูงนั้นทําให้มากแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็วาโยธาตเป็นไ น, นคือวายโยธาที่เป็นไปภ า, ายในก็มีวาโยธาตที่เป็นภายนอกก็มีวาโยธาที่เป็นภายภายในเป็นไงคือโอปาทินหากากโรคอันเป็นไปภายในเฉพาะตนเป็นของพัดไปมา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 ลมที่ทําให้คูเข้าทําให้เหยียดออกทาให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนเนี่ยนะเขาเรียกว่าจิตชาวาโยธาต์เนี่ยนะนะแล้วก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็หรืออุปาทินะการรวบสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นไปภายในเฉพาะตนเป็นของพัดไปมาถึงความเป็นของพัดไปมาอย่างอื่นนี้เรียกว่าวาโยธาต์อันเป็นไปในภายใน ก็วายโยธาต์อันใดแลเป็นไปในภายในและวาโยาธาต์อันใดเป็นไปในภายนอกนั่นเป็นวาโยาธาต์แหละบัณฑิตพึงเห็นวาโยาธาต์นั้นนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้วันนั่นไม่ใช่ของเราเร า, เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็คือพิจารณาโดยความเป็นของที่เกิดด้วยสมุทฐานวายโยธาเหล่านี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเกิดจากจิตเป็นสมุทฐานที่เหลือเกิดจากสมุทฐานสี่อย่างนะะั้นยกัน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 ก็คือวายโยธาต์อันเป็นไปในภายนอกนั้นย่อมพัดเอาบ้านไปบ้างพัดเอานีคมไปบ้างพัดเอานครไปบ้างพัดเอาประเทศแห่งชนบทไปบ้างก็คือพวกพายุอ่ะนะพายุเนี่ยบางทีเนี่ยถอนบ้านถอนเรือนถอนตึกรามบ้านช่องเนี่ยมันถอนไปเลยนี่ยมันไฟโอหเต้นไปหมดเลยแถวบ้านอะไรมาเนี่ยอ่าหน้าหมู่บ้านเนี่ยโหต้นไม้เนี่ยลมเป็นทางเลยเลยนะลมมันหมุนอะถอนต้นไม้ต้นโตๆนี่นะถอนต้นใหญ่กว่าเสาเนี่ยถอนไปหมดอะ ลมมันไรงบางแห่งเนี่ยพัดเอาบ้านพัดเอาเมืองพัดเอานิคมพัดเอาชนบทสมัยที่ชนทั้งหลายสแสวงหาลมด้วยพัดใบาตานบ้างนะขนาดมันใหญ่ขนาดนั้นมันยังหมดไปเลยบางทีก็ต้องนั่งพัดเลยนะอยนนะพัดลมมันน้อยอะ่ะต้องพัดเอาอะ่ะนั้นพัดลมที่พัดไฟบ้างหรือว่าในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนในที่ชายคาชายยาทั้งหลายก็ไม่ไหวนะเคยเห็นไหม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 เมื่อเป็นเช่นนี้ความยึดถือด้วยสามาตันหามานะและทิ่ฐิในวายโยธจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลยหากว่าชนเหล่าอื่นจะพึงด่าตัดพาอจะกระทบกระเทียบเบียดเบีย น, ยนภิกษุนั้นไซภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดแต่โสตะสัมผัสนี้เกิดขึ้นแล้วไกเราถูกด่ามาแล้วเหมนนเถอะก็แปลว่าทุกขเวทนานั่นแลอาศัยเหตุจึงมีได้ไม่อาศัยเหตุจะมีไม่ได้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 จิตอันมีธาตุเป็นอารมณ์นั่นเที่ยวของที่สูนั้นย่อมแล่นไปย่อมผองไสย่อมตั้งอยู่ด้วยดีย่อมหลุดพ้นเจริ่มมิปัสนาพิจารณาจราิงๆเนีย่ยสามารถหลุดพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากอุปาทานพ้นจากการยึดถือหากชนเหล่าอื่นจะพยายามทําร้ายที่สูนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจด้วยการประหารด้วยฟามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้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 พึงตัดอวัยวะน้อยใหญ่ด้วยเรื่อยอันมีด้ามสองข้างไสเคยเห็นเขาตัดไม้ตัดท่อนฟงใช้ไหมละูะางแคกแคกแๆๆนัน่นแหละแต่ว่านี่ไม่ตัดมืยตัดคนอ่ะว่าไงพิกสูอยังใจให้ประทุษร้ายในพวกโจรแม้นั้นย่อมไม่เป็นผู้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเราด้วยเหตุนั้นดังนี้โกรขึ้นมาในขนาดนั้นขนาดนั้นเนี่ยทิ้งไว้ผู้ใตเจ้าแล้วล่ะ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 ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอาศัยไม้และถาวัรดินเหนียวและหญ้าแวด ล, อลว้อมแล้วย่อมนับว่าเรือนฉันใดสมัยก่อนเน่ยน ะ, ะบ้านสมัยก่อนบ้านสมัยนี้ก็อาศัยเสาบ้างฟ้าบ้างหลังลคาบ้างอย่างเงีเ้ยนับว่าเรือนฉันใดดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอาศัยกระดูกอาศัยเอ็นเนื้อและหนังแวด ล, อลว้อมแล้วย่อมนับว่ารูปฉะนนั้นเหมือนกันแหละ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 อ่าสามอย่างเนี่ยนะถ้าตามีสีไม่มีจิตคิดจะเห็นไม่มีจะครูวิญญาณเกิดไหมไม่เกิดตามีสีมีแต่ไม่คิดจะเห็นเห็นัหยไม่เห็นก็คือสีหลายอย่างเนี่ยมีนะอย่างเช่นสมมตินะตามีสีมีกระดุมเสื้อคุณวิลาวันมีแต่ไม่สนใจดูมันก็ไม่เห็นอันมานสิกานี่จึงทำให้เห็นทีนี้ถ้าตามี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 วิญญาณแห่งสภาพที่เป็นไปแล้วอย่างนั้นอันใดวิญญาณนั้นก็สงเคราะห์ในอุปาทานาขันคือวิญญาตพิสูจนนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าได้ยินว่าการสงเคราะห์การประชุมเพราะหมวดหมู่แห่งอุปาทานาขันห้าเหล่านี้ย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้ก็คือขันห้าเนี่ยขณะตาเห็นเนี่ยเป็นขัน 5, ห้าหูได้ยินเสียงก็เป็นขันห้าจมูกรู้กลิ่นเลนรับรู้รสกายรับกระทบเย็นร้อนใจนึกคิดก็คือขันห้านั่นแหละ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 บความยินดีซะเราถามว่าละได้ง่ายๆเหรอไม่รู้จริงละไม่ได้หรอกเขาว่าละเธอละเธอเราไม่ละรอกก็ถ้ายังเห็นว่ามันดีถ้ายังยินดีในทุพอยู่มันละไม่ได้หต้องพิจารณาจริงๆมันจึงจะละได้ละได้ละได้นี่เป็นปหานะปิญญาใช่ไหมปหานะปิญญาต้องมีตีรณปริญญาตีรณะปิญญาต้องอาศัยญาตะปิญญาญาตะปิญญานั้นต้องศึกษาต้องเล่าเรียนต้องปฏิบัติมาพอสมควรจึงจะรู้ได้ ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม่ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันพิสูจนนั้นทําให้มากแล้วทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ในยักษเดียวกัน <aram> ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละคาสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นอัน <S <S <men? S 1> ทําให้หมดแล้ว